อาจเรย์พรทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนทนาธรรมวันนี้ใครจะเข้ามาก่อนคคุณกาล a กสิทธบเชิญก่อนเลยวันนี้คุณสมบสมวรน้ำมสการครับท่านอาจารย์เออขอต่อจาก คราวที่แล้วที่ว่ารายงานผลนิดนึงเกี่ยวกับการทําสมาธินะครับเอ่อตอนนี้ทําสมาธิได้มากขึ้นจากประมาณวันละสิบห้าทีก็เป็นสักสามสิบนาทีนะจากคราวที่แล้วที่รายงานว่าเอ่อหนึ่งสมเอ่อการเกิดเวทนาทางกายและทางใจนะฮะเอ่อทางกายหนึ่งเนบชาเนบชาอันนี้ก็ใช้ภาวนาพุโทโธพุโทโธก็ เอาอยู่พออยู่อันที่สองที่เคยรายงานไปว่าคันคันเนี้ยมันเป็นอาการเวทนาที่ที่เกิดขึ้นทางใจที่ค่อนข้างจะค่อนข้างใ ห, ใหญ่นะอันนี้ก็ก็ได้ทดลองใช้พุโทโธพุโทโธก็เอาไม่อยู่นะก็เลยหาวิธีใหม่ใช้สวดอิติปิโสเลยประมาณสักสามจบสามจบก็เอาอยู่เออาการคันนั้นก็ ค่อยๆทุเลาแล้วก็หายไปนะแต่ทีนี้เนื่องจากเวลาผมนั่งนานเนี่ยประมาณสักยี่สิบนาทีเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเกิดอาการปวดหลังมากซึ่งซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากอุบัติเหตุเมื่อประมาณสักสิปีก่อนนะซึ่งอันนี้ก็ประการที่สามนี้คือยังแก้ไม่ตกว่าเราควรกลับไปที่พุทธท ร, ทรหรือว่าจะทำยังไงต่อขอเรียนทามท่านอาจารย์ครับ ก็ยำได้ย่างหนึ่งก็ได้พุทโธก็ได้สวดอิทธิปิโสก็ได้พแต่ว่าเราอย่าไปหวังให้มันหายเจ็บอะไรถ้าถ้าไปหวังว่ามันจะทําให้เราทุกข์ทรมารย์เวลามันไม่หายคือเราต้องการสวดเพื่อให้จิตยอมนับมันแล้วก็อยู่กับมันเป้าหมายไม่ได้ให้มันหายันะครับต้องการให้หยุดให้จิตเราหยุดต่อต้านหยุดหยุดความอยากให้มันหายเพราะยังไงเราต้องอยู่กับมัน เช่นเวลาเราเจ็บคขได้ป่วยแล้วมันปวดไปตามสพางร่างกายอย่างนี้เราก็ต้องทํำยังไงก็ไม่หายหรอกมันมันถ้ามันยังไม่หายมันก็ไม่หายแต่เราสามารถทําให้ใจเราไม่ทรมานได้ถ้าเรายอมรับมันถ้าไม่ยอมเราก็ใช้สวดมนต์บังคับมันไปเดี๋ยวมันก็ยอมเองครับคสวดไปเรื่อยๆถ้ามันยังถ้ายังไม่ยอมมันยังรู้สึกทรมานอยู่ก็สวดต่อไป แต่อย่าไปตั้งเป้าอยู่ที่ให้มันหายปวดให้มันหายทรมานได้คือมันมีสองปวดมันปวดกายกับปวดใจที่เราสวดนี่เพื่อทําให้ใจเราหายปวดหายทรมานส่วนน้ำกายบางทีมันก็หายด้วยบางทีมันก็ไม่หายนัไนก็ไม่เป็นประเด็นขอให้เราอยู่ก็อดอดอยู่กับมันให้ได้ครับการเราเรายอมรับกับดินฟ้าอากาศได้ใช่ไหม แล้วเราก็อยู่กับมันได้ร้อนเราก็อยู่กับมันได้ครับกับเลี้ยงถามท่านพระอาจารย์ต่อว่าในการที่เราทําแบบนี้เนี่ยมันควรจะต่อด้วยเวทนานุปัสนากรรมฐานต่อหรือหรือว่ากลับมาที่พุทโธพุทโธอยู่หรือหรือก็อย่างไรดีกก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าเราถ้าเราใช้ปัญญาได้แล้วก็พิจารณาอย่างที่บอกว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นเหมือนดินฟ้ากัน อืมเราบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันหายไม่ได้เราก็ต้องหัดอยู่กับมันอันนี้ก็เป็นหรือว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็มันก็มาแล้วก็ไปไปแล้วก็มาก่อนเส้นตั้งอรูอวลาดับไปมันไม่ได้เป็นไปตลอดเวลาหรอกเพียงแต่ว่าตอนที่มันเป็นเราก็ต้องทำใจเหมือนกับเวลาฝนตกมันก็ไม่ตกไปตลอดใช่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวสักพมันก็ต้องหยุดตกอ ใช่ช่วงที่มันยังไม่มันไม่หยุดกระยระยาให้มันหยุดแล้วแต่ก็อยู่กับมันไปครับถ้าจะต่อด้วยเวทนานุปัสสนานี้ควรจ ะ, ะ, ะมีขั้นตอนอย่างไรครับก็นี่ไงเราให้ฟังเลยว่าพิจารณาเวทนาความเจ็บเนี่ยความปวดหลังนี้มาเป็นทุกขเวทนามันว่าเป็นหนึ่งในสาเวทนาเวทนามีสุขมีทุกมีไม่สุขไม่ทุก ที่สลับกันไปสลับกันมาที่เราไม่สามารถไปสั่งมันได้หมายความว่าเอาจิตเอาจิตเข้าไปเฝ้าดูเวทตัวเวทนาตัวนั้นเลยใช่ไหมไม่สอนจิตให้ให้ให้ยอมรับก็ไม่ถ้ายอมอ๋กับกับเมือนเรายอมรับกับฝนตกนี้ผลตกตีเข้ามาแล้วก็ยอมรับถึงแม่อยากจะออกไปจากบ้านออกจากบ้านจะออกไม่ได้อยากให้มันหยุดตบมันไม่หยุดตกเราก็ต้อง ทำใจทำใจเฉยๆให้ไปทําไม่ยอมเฉยก็ให้สวดพุทโธไปสวดสติปิโสไปจะพยายามนําไปทําต่อแล้วก็มากับรยายงานอาจารย์อีกครั้งหนึ่งแต่ขอถามนิดหนึ่งนิวรณ์ห้าเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยตัวเวทนานี้มันไม่ได้อยู่ในนิวรณ์ห้ามันไปเกี่ยวพันกับนิวรณ์ห้าตรงไหนที่เป็นเครื่องขวางกัน้นการทําสมาธิครับ ก็จะเรียกว่าการมาฉันทาก็ได้ที่เป็นเครื่องความกัดในความอยากในลูกเสียงกลิ่นรสโพธภะอาการป่วยของร่างกายนี่มันก็อยู่ในผลตภะเอราต้องการให้ผลบภะมีแต่สุขไม่ไม่ทุกข์เมื่อมันทุกข์เราก็เลยเกิดอาการดิ้นรนขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ทุกข์ราก็รู้สึกสบายในร่างกาย เช่นถ้ามันมันร้อนเราเปิด Air, แอร์ล้วก็อยากางนี่ยอยากจะได้ก้ามาสุดแบบทำรูป<ก>สังเกตแล้วปวดท้อครับครับเราก็ต้องลาอย่าไปสร้างความสุอย่างนักปฏิบัติมักจะไปหาที่แบบแบบทุกทุกกันดารทุลั ก, กันดาาที่มีความทุกทางทางทางร่างกายทางอะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อที่จะฝึกให้จิต มันปล่อยวางความฉันทะหรือความอยากความสัขความทางราของจมูกยืดกายครับครับโอเคหมดคําถามขอรัฐมนตรีศาสาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ระยองครับระยองครับแสดงว่าปฏิบัติเริ่มก้าวหน้าแล้วนะเริ่มเริ่มจับประเด็นได้แล้วนะครับอเคพยายามให้ถึงที่สุดครับเพราะว่าต้องการที่จะหนีออก วัตถะสงสารนี้มากที่สุดครับนี้ด้วยการไม่เหนยืยเนด้วยกันอยู่สู้กับอะไรครั บ, รบ ส, สู้กับความแกแมม่ความเจ็บคามตายนี่มันไม่พอครับแต่การมาปฏิบัติการมาปฏิบัติสมาธิภาวนาในช่วงที่อายุมากแล้วนี่ก็ค่อนข้างลําบากเห็นพวกพวกคนอื่นเขาอายุน้อยๆก็ก็ยังไงก็ต้องก็ต้องปฏิบัติภาวนาต่อไป เวลาน้อนมันก็ยังประมาทอย่างน้อย e ยังไม่ทุกยังไม่เกิดก็เลยไม่มีอะไระครับต้นตพอแก่แล้วเนี่แล้วเจอความทุกข์มาทหลายรูปแบบด้วยกันก็เลยต้องทําให้ว่าต้องหาวิธีระงับการทุกข์ตา่างๆเหล่านี้นะการเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าทุกข์เกิดก็ยังสามารถดีมันได้ไปเที่ยวไปกินไปเดินอะไรไปเล่นกันพอแก่แล้วมันไปไม่ได้แกแก นักวัฒนการครับมันสาธิกาเชิญมันก่อนมาที่วัดนะจำไม่ได้เห็นใส่หน้ากากกันเออไม่อจะไม่ได้ไทักทายครับพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะพระอาจารย์คะเออเผอิญมาทําบุญกับพระอาจารย์เราก็ขึ้นมาปฏิบัติธรรมอะค่ ะ, ะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้อะไรคะ่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มอะคะ่ะ ก็คือจกักเขาที่แล้วอะค่ะก็เลยเหมือนว่าเราก็ที่ตั้งเป้าไว้คือมาเนี่ยเพื่อที่ว่ามันเหมือนตัดชุบแค่นั้นนะคะเพราะว่าเที่ยวที่แล้วเนี่ยมันมันก็คือคนจะเคยที่ปกติที่มันอะไรแลและอยู่อยู่มาอยูใ่ในที่ที่แบบอย่างนี้ค่ะไช่ใช่มันก็จะเหมือนหมูติดกันแต่ว่ามันก็โอเคดีขึ้นอาจารย์เดี๋ยวก็เดี๋ยวลืมถามคำถา ม, ถามเอาก่อน ทีนี้ว่าของลูกเนี่ยนะตอนเนี้นะคะที่มีปัญหาหลักๆเลยอะคะ่ะคือตอนเนี้มันเริ่มแบบไอ้ที่อาจารย์สอนว่าเห็นอะไรไม่ว่าแว็คไม่ว่าแสนไม่ว่าอะไรเนี่ยลูกอะทําได้คือเฉยอย่างเดียวมันก็เข้าได้แต่ตอนเนี้ที่มีปัญหาเลยคือความคิดที่คุยกับตัวเองนะคะมันกิ๊กกิตอนเนี้ยคือมาสองวันนะคะเขาย่าไปใช้ทํางพูดโถไปท่องเอทีพสไปทองพูดโถแล้ว ต้องเอทีปไปก็ได้สมัครวนไปในใจแข่งกับมันไปอย่าไปให้มันพูดคุยกันอย่าพูดตะคุยแล้วก็เอทีปีปตวามสัมมาสัมพุทโธไปลู้ก็เลยแบบตั้วันที่มาเนี่ยค่ะพอเริ่มเข้ามาเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรเลยเพราะอ้วกแตกอย่าเดียวเลยแบบมันแบบแล้วพอพอนั่งไปอ่ะค่ะมันก็จะแบบสติเนี่ยมันเหมือนแบบเราตอนอยู่บ้านมันคงเคยชินแต่พอมาอยู่เนี่ยค่ะ คือมันอยู่ได้ออกับความสนุกแต่ว่ามันยังไม่ชินเท่าไหร่อะค่ะทีนี้ลูกแค่คิดว่าที่ลูกมาเนี่ยนะคือเหมือนว่าเราตัดกิเลส ต, ตรงนั้นคือเราตัดที่ว่าเราไม่ต้องไปหาตังไม่ต้องอะไรคืออันนี้คือเหมือนเราตัดกฎธรรมชาการม า, า, รมาชันธายชันความสุขทางตางจมิตนิ่กายค่ะลูกก็เลยมาแล้วทีนี้อันเนี้ยที่ลูกมีปัญหาคือพุทโธใช่ไหมแล้วก็ต่อไปอะค่ะที่มีปัญหาอีกอันหนึ่งของลูกะนะ คือลูกนั่งได้นั่งได้ไปเรื่อยๆตามที่พระอาจารย์บอกอะค่ะเ อ, อปกติเลยเนะ น, นี่ยตอนเนี้ยที่ที่แบบสบายๆคืยอยหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าไปนั่งแบบที่ว่าพระอาจารย์บอกไม่ต้องสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสองชั่วโมงแต่สองชั่วโมงของลูกอะมันไม่มีคุณภาพบางทีมันไม่มีคุณภาพแต่ว่ามันจะมีเวทนาขึ้นมาค่ะตรงที่ปวดเพราะลูกมีปัญหาอยู่คือลูกตั้งแต่เฝ้าแม่ค่ะตลอดเลยค่ะที่อยู่ข้างเตละสึก เต้าเนี่ยลูกมีปัญหาหรือปลายประสาดตั้งแต่ครางหนึ่งลูกก็คืนนั่งแล้วก็พิจารณาไปทีนี้บางทีมันไม่ได้แต่ลูกคิดว่าไอ้มาเปิดอ่านมาเอิญมาเปิดอ่านหนังสือที่ที่มีที่เนี่ยค่ะมาเอิญก็เลยได้ความกระจากว่าที่ว่าพวกที่พระอาจารย์บอกหรือว่าหลวงตบัวบอกเนี้ยค่ะว่าว่าทุกกะเวทนาที่สุดของคนเราอ่ะค่ะ ก็คือการเจ็บปวดทีนี้เราก็ต้องพร้อมว่าถ้าสมมุติว่าลูกลูกแพ้ไว้ไอ้ความตายเนี่ยทุกคนเนะ่ยถ้ามันตายเลยมันไม่กล่ะแต่ไอ้ก่อนตายอะค่ะคือความบางคนเนี่ยอาจจะอย่างลูกเนี่ยลูกเห็นแม่ลูกที่เป็นมาเล็งสเตตแบบแมททาที่มันไม่ได้อะไรเลยอะกัดลิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ลูกก็ไปเปิดไอ้ยูทูบไปเจอของก็ไอ้หลวงตามหาบัวเนี่ยค่ะที่ท่านแบบนองอะคะ่ะ แล้วก็ให้น้ำเกลืออะไรทุกอย่างเนี่ยลูกมีความรู้สึกว่าไอ้สเตตตรงนั้นเนี่ยที่เราน่าจะได้คือการที่ว่าเราอ่ะรับรู้ความเจ็บปวดตอนท้ายที่สุดของชีวิตให้มันอยู่กับความนิ่งอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะป้าจา๊ะแล้ว <ใน S 1> เราก็ต้องเราก็ต้องเก็บสเตตไอ้เจ็บปวดนี่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์เปลือกเป็นทุกเวทนาของเราเพื่อซ้อมไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆซ้อมไปจนกว่าเราเรารู้ว่าเราไม่ทุกข์กับมันแล้วเราก็ไม่ต้องซ้อมไปได้ อ๋อแล้วทีนี้แต่ละครั้งที่ฟังของพระอาจารย์นะคะคือคุณภาพที่ดีมันก็ต้องเข้าไปถึงตรงตรงที่อันนี้โรคคอจะจับได้แล้วว่านั่งไปแล้วมันเป็นยังไงแต่ทีนี้บางทีมันก็จะล้มลุกคลานนะคะไม่มีคุณภาพบางทีอ่ะนั่นงไป ทีนี้ลูกก็เลยคิดว่าอันสุดท้ายลูกเลยคิดว่าลูกเนี่ยจะมานั่งท่องพูดโท้ทโท้ทั้งวันทั้งคืนอย่างเดียวเลยโดยที่ลูกจะเอาแบบเหมือนที่ฟังจากที่ลูกไปเปิดเจอในหนังสือหลวงตะพงศ์<ช>ซึ่งลูกไม่ได้อ่านมากมากอะไรนะคะ<อ>ลูกแค่เพิ่มคำหนึ่ง<ช><ช>ว่าให้มันแนบไปกับจิตแบบเป็นออโตเมติกอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ทําได้แล้วจิตมันจะเน่งจิตมันจะไม่หวั่นไหวกับอะไร ออค่ะค่ะวันนี้เอาแค่นี้ค่ะค่ะมาอยู่กี่วันเออมาหกค่ะเพราะว่าเที่ยวที่แล้วห้าเหมือนแบบฝึกว่าอย่างน้อยอะแค่ว่าล็อกปัดกันนั้นแล้วมันจะถุงติดจันก็ไม่เป็นไรค่ะแต่มันเหมือนให้มันปัดที่ฝึกฝึกไปเรื่อยๆอย่างน้อยแน่ขึ้นมาขึ้นเวทีก็ดีแบบไม่ได้ขึ้นเวทีเลยอ่าค่ะก็จะพยายามเรื่องเรื่องพุทธโทค่ะอยากให้เป็นอเป็นตัวบิติก เราทําน้งวว้เลยเราอยู่คนเดียวไม่ต้องพูดคุยกับใครพูดทดอันไปเรื่อยค่ะค่ะลูกเพระ<จ>ะาะความต่เพราะความตเพราะว่าอีสองสามวันที่ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันเหมือนคนที่คุยคุยเองคุยเองในความคิด เ, เลยเพรเราไม่มีพูดทอล่ะไห้คุยเลยนึกในใจเราบ้าหรือเปล่างานมันจะเพอหรืว่าจะตั้งใจพูดทอล่ะก็พูดทอลได้ไม่ถึง กี่นาทีเนี้ยลืมประมาณ น, นั้นใช่ประมาณนั้นเลยจะพยายามไม่ันมะันก็นอลกคุ้งขันางเงี้ยพอไน้สติก็พูดโท้เลยอ๋อพอาจาร์แล้วก็วันนั้นน่าแต่บอกเธอะอะพาจารย์บอกให้เอาหนังสือแต่ไม่เอาเผ อ, อิญลูกมีหนังสือค่ะคุณหลาส่งมาให้อันนี้<า>เลยค่ะลูกเลยไม่รับ ค่ะราะว่าฟังจากที่อ่านจากที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเราเอาก็เอาแค่อันเดียวอย่าไม่ต้องไปเอาเยอะได้ไหมคค่ะขอบพระคุณต่ะค่ะสู้ต่อไปนะอย่าถอยนะคุณนามวันธรรมวันแจ้สาเสีง้่านนะพูดดังหน่อยได้ยินไหมเจ้าค่ะดังหน่อยนะได้ยินไหมเจ้าค่ะได้ยินยมเผลอไปคลีด้วยหมู คืออย่างนี้เจ้าค่ะยมมีเรื่องปรึกษาพระอาจารย์เมื่อสองวันก่อนโยมไปฉีดวัคซีนเข็มสามมาที่ศูนย์บริการสาธารณสุขกทมแถวนี้แล้วเสร็จลัวคุณพยาบาลที่เขาทำหน้าที่บริหารงานอยู่เนะะี่ยค่ะเขาก็ชวนโยมไปจอยตึกข้างๆมันจะเป็นแบบศูนย์กิจกรรม ที่เขาให้คนเราแวกเนี้ยมาจอยเช่นห้องหนึ่งเป็นห้องออกกาลังกายห้องนึงเป็นห้องร้องเพลงห้องนึ่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขากําลังเปตึกสร้างใหม่กําลังเริ่มเขาก็ชวนโยมไปร้องเพลงโยมก็บอกไม่ชอบไม่ชอบไม่เอาอะไรเงี้ยและเขาก็เลยชวนโยมมาคุยข้างนอกโยมก็เลยบอกเขาไปว่าทําไมไม่ทําห้องสมาธิสักห้องหนึ่งคือมันมีห้องเยอะมากทํำไมไม่ทําห้องสมาธิสักห้องหนึ่ง แล้วเขาก็บอกอุ้ยดีเลยคุณยี่บาดูเขาจะชอบเขาบอกว่าดีเลยทําเลยคุณต้อยไอ้คุณมาช่วยเลยต้อยไปช่วยเลยอะไรเงี้ยต้อยก็เหอไปว่าได้ได้ได้ไดแล้วต้อยก็กลับมาเอ้ยอมก็กลับมานั่งคิดว่าตายแล้วยมต้องฝึกษาพระอาจารย์ยมจะเอาตัวไปคลุกคลีด้วยหมูห ร, หรือมันดีหรือไม่ดีอย่างรพระอาจารย์เออมันดีดแต่มันมันมันดีส่วนอย่างแล้วมันก็ด้อยส่วน คือดีได้ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นแต่มันจะทําให้เราการปฏิบัติเราได้จะเสียเวลาว่าเรายังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางให้เราให้เราสําเร็จก่อนปฏิบัตแล้วค่อยไปทําประโยชน์ให้กับคนอื่นเจ้าค่ะโยมก็เลยว่าถ้าปรึกษาพระอาจารย์แล้วเดี๋ยวโยมเอาขนมไปสวัสดีปีใหม่เขาและโยมจะได้ไปบอกเขาว่าอ่าวพระอาจารย์บอกว่าให้ทําะไรของตัวเองให้เสร็จก่อนนะนี่ขออ้างพระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้ได้ไม่เป็นไร พระเจ้าบอกจงยังประโยชน์ตนและผู้นัให้ถึงความด้วยความไม่ประมาทต้องตนก่อนแล้วก็พูดตามาทีนัน้เหมือนพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญหกปีไม่ไม่ไปสอนใครไม่ไปทำธุระเรื่อ ง, องคนอื่นแล้วค่ะหลังจากที่ทรงตัดทะลุแล้วทีนี้ก็สี่สิบห้าปีก็ทําประโยชน์ให้แก่ผู้เจ้าค่ะยังถ้าเราไปทําประโยชน์ให้ผู้ตอนนี้เราก็จะเสียงานเราไป เสีเวลาที่เราจะได้เอาไปใช้กับการทำประโยชน์ให้กับเราอย่าเพิ่งรีบนอนไปทาไปทำประโยชน์ให้กับผู้ตอนนี้ทำประโยชน์ของเราให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเกิดทาทุกวันถ้าไม่ประมาทก็ทำทุกวันทำตลอดเวลามีสติเตือนใจอยูตลอดเวลาว่าวันเวลาผ่านไปเรา ก, กำลังทำอะไรอยู่ ได้มันคนส่วนใหญ่มักจะหลงไปทำนี้กันพอเริ่มทําอะไรได้มากแล้วก็บอกที่อยากจะไปช่วยคนเดินนะอยาจะไปสอนให้คนเดินยมไม่ได้กะสอนเองยมบอกตรว่าจะเอาเสียงพระอาจารย์เปิด45นาทีแล้วให้ทุกคนนั่งสมาธิกับอาทิตย์ละสองวันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็แนะนำก็อย่างงั้นแต่ให้ก็มีเครื่องมีเครื่องวีดีโออะไรก็ได้นะแล้วก็ ดายชต่โยมไม่เอาตัวเข้าไปอ่าใช่โยมก็เดินมาแล้ามยากที่เราไปยอมยอมเสียเงินจัดตั้งชุดนี้ให้เขาไปชุดหนึ่งไม่ได้โยมจัดให้เขาเลยได้ไหมคะเพราโยมว่าจะบริจาคแบบเบาะสมาธิอะไรให้เขาแบบอย่างนี้นะให้เขาทําห้องคือถ้าความจริงทําห้องสมาธิก็พอถ้าไม่เพราะบางทีก็ไม่ต้องการฝังกัได้ก็ต้องการเงียบ ใครใครอยากจะนั่งสมาธิก็เข้าไปนั่งนะเงียบๆเพราะเขาบอกว่าจะจัดห้องชั้นบนที่เงียบแล้วก็เป็นแอร์อออทั้งหมดอย่างเงี้ยดีๆแล้วก็ไปจัดวันจริงบอกว่าไม่ต้องมาจัดก็ได้เอาเสือ่อในีักอ น, ะนะคือบอกมันสบายเกินไปเดี๋ยวจะติดเบาะอีกใชค่ะงั้นยมขอบพระคุณเจ้าค่ะแล้วยมขออ้างชเอ้ยอ้างตัวพระอาจารย์ข อ, อบพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อ้างพระพุทธ้าวันใดได้ค่ะ ขออ้างพระอาจารย์นิดหนึ่งบอกไปปรึกษาพระอาจารย์มายอมเดินออกมาแล้วแบบตายแล้วฉันเผลอครั้งใหญ่เลยบอกแย่แค่นี้เจ้าค่ะขอบคุณค่ะการมาปฏิบัตินี่วันที่ที่เลมันชอบหลอกเาหลอกให้เราดีออกจากการปฏิบัติไปทำนู่นทำนี่แทนเจ้าค่ะอย่างที่ข่าวที่รล้ก็บอกว่ามันค ปฏิบัติไปปฏิบัติมาเพื่อนมาชวนไปทำภาพป่าเข้าไปเลยคือโยมมันมีอนุสัยเก่าคือโยมอะตอนทำงานโยบทำงานมาร์กติงแล้วก็ทำแบบเป็นอี e n t o r g a n i แ e r แล้วก็ออกจากงานก็ไปทำจิตอาสาอยู่ที่โรงพยาบาลลำมาแล้วไอ้ไอ้การที่แบบว่าเออมีอะไรมาได้มีอะไรมาได้อย่างเงี้ยค่ะนิสัยเนี้ย อนุใสเนี่ยติดอยู่ในใจมันแบบมันอัตโนมัติรับปากอย่างงี้หรือเปล่าใช่ซึ่อันเนี้ยเป็นเสียงที่เราไม่ติดก่อจะพูดอะไรคิดให้ดีให้รอบครอบก่อนเจ้าค่ะตอนที่เราพูดเราเป็นนายคําพูดแต่หลังจากที่เราพูดไปแล้วคําพูดมันเป็นนายเราเจ้าค่ะมันถูกมันเราแล้วละเป็นรับปากเขาแล้วนี่ก็น้องไปขอเข้ามาเขเลยอันนี้ยจะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลย ขอบคุณเจ้าค่ะว่าแต่ไม่เป็นไรอย่างงั้นเราก็ความที่จะขอโทษเมื่อเราผิดไปแล้วเราก็ขอโทษไปเจ้าค่ ะ, อะขอบคุณเจ้าค่ะสาธุใช่คุณนันพภัทรจากกรุงเทพเหมือนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์เมื่อเมื่อวิคที่แล้วที่กล่าวเรียนพระอาจารย์ว่าจะไปอยู่บนเขาแล้วที่ขออนุญาตพระอาจารย์ลงมาก็ไม่ได้ลงมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติต่อนเนื่องอยู่บนเขาตลอดเจ้าค่ะ ดีกว่าใช่ไหมดีกว่าเลยค่ะพระอาจารย์ยืนยันค่ะก็มันมันต่อเนื่องดีเจ้าขาพระอาจารย์ที่ทําที่แบบนี้ก็เพื่อให้ไม่ต้องไปไหนเลยที่อยู่ก็มีที่อาหารการกินพร้อมอะไรทุกอย่างในตัวค่ะแต่ตอนที่ปฏิบัตมิมีมีที่จะต้องเวรณานิดนึงคือเวทนาค่ะ<า>จากการปฏิบัติแล้วเจ้าค่พระอาจารย์ลูกมีปัญหาคือสมองอะค่ะมันก็พอ ก็นึกถึงแค่คําพระอาจารย์ว่าให้พุโทโธให้ใมาที่สุดก็พยายามพุโทโธมากที่สุดมันก็ผ่านไปในวันอีกวันหนึ่งมันก็เบาขึ้นเจ้าค่ะพรอาจารย์มันก็ว่ามันต้องผ่านจุดจุดที่มันมันแรงยากๆไปด้วยจ้ะค่ะเออทีแรกเวลาเราไปปฏิบัตินี่มันจะต่อต้านแรงกว่าปกติเพราะว่ามันไม่มีช่อง ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติมันยังไมีช่องออกมาไปดูนั่นนั่งเฟังนั่นนั่งฝึกอะไรนั่งแต่พอเราไปปฏิบัติอยู่คนเดียวไม่มีช่องออกมัก็มันก็เลยต้องแสดงอาการป้านหาป้ามงังข่าวทางกายส่วนใหญ่มันออกทางกายด้วยใช่ไหมเจ้าใช่โอเพราะลูกก็เพียร์นะพยายามพิจรารณาอาการที่มันเป็นเวทนาที่สมองอะเจ้าค่ะลูกก็ เอ๊เราจะหยุดดีไหมหรือเราพูดโทรดีกว่าป้าจาันบอกให้พูดโทรก็เลยพูดโทรต่อเนื่องไปเรื่อยๆเท่าที่ทําได้จะไปมันจะเป็นอะไรก็ไปมันไปค่ะมันเป็นไปเราปองหรือว่าหยอบตายพอดีในกันอาจจะได้บรรลุโซดาเลยก็ได้จะค่ะได้จ้ะค่ะก็เดี๋ยวมีโอกาสต่อไปก็คาดว่าเท่าที่ดูแล้วคือพูดโทรน่าจะช่วยได้ดีที่สุดเจ้าค่ะก็ ทำให้มันต่อเนื่อง น, น่าจะพอผ่านไปได้ใช่คะ่ะมาจากเน่ทําไปนะค่ะมา เ, เรื่องวันก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เขาเขาบวชชีอยู่แล้วทีนี้วัดที่เขาอยู่ไม่มีพระก็ต้องย้ายวัดอดีได้ข่าวว่าเขาไปได้วัดพุทธสาวิกาอยู่ที่บ้านเมืองชนบุรีลองเสิร์ชดูเลยว่าเป็นยังไงพุทธสาวิกาเหรอเจ้าคะ่ะรู้สึกอยู่อำเภอบ้านเมือจังหวัดชนบุรี สำนักสำนับแม่ชีนะจ๊ะเมย์เออเจ้าค่ะเกินสนใจอันนี้ก็มาฝากท่านที่เป็นผู้หญิงที่ทำงานหาที่ปฏิบัติหาที่บวชชีไม่รู้ว่าดีไม่ดีงไงนรเนแต่ว่ารู้ว่าเป็นที่ที่มีอนเขาเขาแนะนำกันแต่มันจะอยู่ระดับไหนเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยเพาบางทียังอาจจะอยู่ระดับแบบทํากิจกรรมร่วมกันเรื่องต่างๆหรือว่าเขามีแบบให้เราไปปฏิบัติตามลำตามได้ไหรือไม เจ้าค่ะพระอาจารย์พอดีลูกลูกอ่าพอดีต้องกลับเรียพระอาจาว่าลูกมีมีความมีการจัดสินใจในเวนิดนึงว่าลูกจะจะไปเซิร์ชที่บ้านดูก่อนพอดีลูกมีต้องมีหาหมอแล้วก็กินยาทางสมองประจำมาเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจจะต้องคือพอไปอยู่ที่บ้านมันจะสะดวกเรื่องลงบานไปเอายานิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ที่บ้านก็เซิร์ชอ่าชื่อพระอาจารย์ที่ที่เป็นครูบาอาจารย์สายลรคปูบ้านไว้แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ ได้ที่ไหนก็ได้อันนี้ก็เพียงแต่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เท่อนั้นสาหรับท่านอื่นด้วยเผอท่านอื่นที่สนใจอยากหาที่ปฏิบัติเจ้าค่ะเจ้าค่ะ่ะมียอะแยะถ้าเราเสจอจริงๆมีเยอะแยะที่ปฏิบัติที่เขารับสุภาพจิตใไปอยู่ไปปฏิบัตินี่ทั้งว่าทั้งสำนักไม่ชี้ทั้งอะไรนี่นะฮะเพียงแต่ว่าคุณภาพหรือแนวทางการปฏิบัติอาจจะต่างกันนะ ข้าต้องเรียนนที่มันถูกกับระดับของเราค่ะก็ก็ได้ได้ฟังที่พระอาจารย์ตอบในภาคภาษาอังกฤษ่ะเจ้าค่ะที่เราต้องดูว่าคอมมูนิตี้นั้นมันตอบโจทย์การปฏิบัติเราหรือเปล่าที่ก็ก็พยายามฟังที่พระอาจารย์แนะนํามานะเจ้าค่ะแล้วก็จับ ห, หลักมาก็คืออันอันที่พระอาจารย์บอกว่าดูคอมมูนิตี้ก็สําคัญใช่เจ้าค่ะอันนี้ก็ได้เป็นข้อคิดด้วยเหมือนกันเจ้าค่ะอาจารย์ว่าว่าเขา มีความเป็นอยู่ในการปฏิบัติตรงกับที่เราที่เราจะไปในแนวทางที่เราต้องการหรือเปล่ า, อ, าอย่างเงี้ยเจาค่ะทำไมต้องการกันก็คนรที่จะเปลี่ยนแสดงว่าคอมม u n นิตี้ไม่สับไปอ่ะคไม่สบไปอะค่ะแล้วที่พระอาจารย์เค ย, เยบอกลูกว่าให้ไปอยู่ลองอยู่สักสามเดือนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์นั้นก็ก็ลูกก็ถ้ามีโอกาสลูกก็จะเริ่มต้นด้วยแบบนั้นก่อนเจา้าค่ะพระอาจารย์ ลองผิดลองถุกไปก่อนนะพค่ะว่าว่าเราดูอยู่แต่ละแต่ละหรือดูการหรืออะไรพวกนี้เราสามารถที่จะอยู่ตลอดได้ไหมอย่างเนี้ค่เจ้าค่ะค่ะมีเท่านี้ใช่ไหมวันนี้ค่ะวันนี้มีเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์อาภัพกัคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอจคุณหมอพาะสนาคุณหมอเป็นเป็นหมอธรรมดแพทย์ใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์เป็นธันมแพทย์ใส่ฟันป๊อตติค่ะ ได้ยินไหมคะพระอาจารย์ได้ยินชัดเจนค่ ะ, ะ, ะก็วันนี้นะคะกไ็ได้ทำข้อสอบไปที่แล้วก็เนื่องจากว่าอย่างที่เรียนพระอาจารย์นะะก็ตอนนี้ก็กําลังปฏิบัติเนสติปัญญาแล้วก็จะใช้เรื่องของคือตอนนี้พอเราเราเขารู้สึกว่าตัวเองอเข้าใจทุกประศัต แบบเขาจะทุกสันนพระอาจารย์ก็เลยพยายามตั้งใจนิจะลเรื่องของความอยากก็เจอข้อสอบพระอาจารย์ข้อสอบสองข้อก็คือข้อแรกข้อแรกก็คือเรื่องของอาหารเพราะประชุมปุ๊บมันจะมีอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็อาหารแบบเยอะมากใต่แต่ว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าไม่กระเพื่อมเลยพระอาจารย์เพราะว่าอาหารเละมาคือรู้สึกว่าเฉยมากแล้วก็เวลาประชุมแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะบอกได้เลยว่าเราสิ่งแปะเราไม่ทานก็คือไม่ทานได้แล้วมันไม่กระเพื่อมก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันที่เราทํามาคือมันมันมันทำข้อสอบตรงนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ ก็คือรู้ว่ามันไม่กระเพื่ออย่างเงี้ยไม่มีปฏิฆาอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไหมคะไม่มีฉันทาคือความวินเดย์ก็คือกิบแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคนก็จะมาลุมบอกว่าเอ้ยมันแก่หน้ามันต่อเพียวเลยนะเนี่ยโมเวงเปลี่ยนเราก็บอกไม่เป็นไรมึงก็เกิดแก่เจ็บป่ยอันนี้ก็ไม่ปฏิคฆาเหมือนกันพระอาจารย์แล้วไม่โกรธด้วยก็โอเคถ้าเราไม่มีอารมณ์ก็ใช้ได้ อ๋อค่ะพาว่าเขาสอบอันนี้ผ่านก็เดี๋ยวทำต่อไปแล้วอีกอันนึงนะคะพระอาจารย์ก็คือว่าตอนนี้ก็คือวราพยายามปล่อยวางงานแต่คราวนี้มันมีงานหนึ่งที่มันเป็นงานที่แบบช่วยเหลืออาจารย์แล้วก็ทำทางานประสานงานนะคะก็จะใช้พรมิาหารสี่ ก็ได้ฟังพระอาจารย์พูดพอ่ะก็เริ่มเข้าใจว่าอุเบกขาของพรมิหานศีก็คืออุเบกขาของการทําสมาธิใช่ไหมคะพระอาจารย์มันเลยทำให้เรอใช่พอพระอาจารย์พูดเราเข้าใจเลยพออย่างเงี้ยมันทําให้เราทํางานกับคนหลากหลายได้เมตตามุญทีตาอะไรเงียมันก็เลยทําได้เลยเข้าใจที่พระาพอาจารย์บอกแต่มีคําถามนึ่งค่ะพระอาจารย์คือถ้าเรียนทํางานอยู่แล้วเรายังใช้พรมิฐันศีแสดงว่าเราแปลว่าตัวรู้เราอ่ะมันจะมีมานาะก้าวเปล่าคะพระอาจารย์เราต้องมองว่าทุกคนไม่มีไม่มีใครไม่มีอะไรมันก็ต้องไม่มีมานะก้าวมันก็ไม่ต้องใช้ ผมไม่าหาันสีก็เพระาะว่าอันนี้สงสัยนะคะเรื่าไม่หันสีมีไว้สําหรับเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับคนต่างๆคือปกติตั้งก็ใหม้มีความเมตตากับทุกคนเนือมองทุกคนว่าเป็นมิตรอย่าไปถือว่าเป็นศัตรูแต่แม้มว่าเขาจะคิดล้ายกับเราทําร้ายเราก็ยังให้อภัยเขาอยา่าไปมีเวรมีกรรมกับใคร เปิดการณุณาก็ใช้เวลาที่คนหนึ่งเขาหยุด น, น้อนต้องการกรามช่วยเหลือถ้าเราพอช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเหลือเขาไปส่วนมุนีตาก็คือถ้าคนหนึ่งเขาได้ดีได้ดีกวเราก็อย่าไปฉาเขาแสดงความยินดีชื่นชมกับความสําเร็จของเขาส่วนถ้าถ้าเราไปเจอสภาพคนที่เราช่วยเหลือเขาไม่ได้ทําอะไรให้เขาไม่ได้เช่นเขาป่วย เป็นอะไรขั้นสุดท้ายอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีทางช่วยเหลือเขาเราก็ต้องทําใจกไ ป, ไปดูบปขาไปในกรณีอื่นอ่นอาจจะไม่ถึงเรื่องขั้นตายแต่เรื่องที่เราช่วยเขาไม่ได้เช่นคนมาขอยืมเงินเราเนี้ยเราก็ต้องทําใจแข็งนะเพราะถ้าไม่แข็งเดี๋ยวเขาก็มาขอเราอยู่เรื่อยๆอยนั่นเรา ทำใจใช้อุเบกหาปฏิเสธเข้าไปบอกว่าเนื้องเงินทองนี่ต้องขออาภายัยแล้วมันไม่ไม่อยากจะมาปวดหัวกับมันให้ยืมแล้วเดี๋ยวต้องมาคอยทุกกับการตามทวงคืนบอกเข้าไปหรือว่าถ้ายาสงสารเขาจริงๆให้ก็ยืมได้ก็ถือว่าเป็นการให้เขาไปทำบุญไปเหมือนก็ยืมคืนไม่คืนนี่ก็แล้วแต่แล้วมันจะมีผลเสียตรงที่ว่าก็มักจะกลับมาเพิ่มขอเพิ่มอีก พอได้ครั้งหนึ่งแล้วมันจะต้องมีสองมันมีสามยังไม่ช้าก็เลยเราก็ต้องปฏิเสธอยู่ดีนี่ก็ปฏิเสธไปครั้งแต่ครั้งแรกหมดเลยให้หมดเงินเรื่องของเงินเรื่องยืมเงินนี่ถ้าเห็นมาได้าเาไม่จําเป็นที่จะให้กับจริงๆก็ปฏิเสธไปเลยไปอันนี้ก็ต้องใช้บุเบกค่ะมอดีใจก็อยากจะช่วย เ, เกรงใจเขาอะไรอันนี้นก็มีปัญหาพระอาจารย์คะแล้วแล้ว คือจริงๆอันนี้พอเข้าใจแต่ว่าแล้วมันจะอย่างนี้มันก็คือไม่เป็นมานาเกา้าจิตอาภาจามานาเก้าคือว่ามันต้องเท่ากั น, อ, <ห>นอันนั้นมันคนมันเป็นเรื่องภายในใจเราแต่นี้เรื่องเวลาเราเกี่ยวพ้องกับคนเราอยู่ในโลกสมมุติอยู่ยังมีตัวตนอยู่ยังมีเขามีเราอยู่ค่ะจตในใจเราอ่ะก็คือว่าไม่มีแล้วได้ใชไ่ได้แต่ว่าเราอยู่กับเขาเราทำเป็นเข่าไม่รู้เรืมันก็ไม่ไหวนะอเคครับ <ท>เพราะ<บ>นี่เป<ม>็นหนึงทำหน้าที่อยู่นะอาจาร<น>ย์เพราเนี่อันนี้นึงเหลืออีกสอมปีเยวของพอเดี๋ยวช่วยเสร็จแล้วก็คือจะปล่อ ย, อยวางเพราะอันนี้มันคือเป็นหน้าที่ที่เราเป็นคนประสานงานแล้วมนาน้านี่คือการถือตัวเราอย่าถือตัว อ, อย่าไปถือตัวว่าเราสูงกว่าเขาเท่าเขาหรือต่ำกว่าเขา อ, เอย่าไปถือตัวทําตัวเราเป็นผู้รู้เฉยๆตัดมาน้ามาแบบนี้ให้รู้เฉยๆแต่ก็เขาต้อมในในสมมุติของเขา เช่นเขาเป็นพระเราก็ให้ความเคารพเขาแสดงความเคารพเขาเขาเป็นคนที่มีอายุสูงกว่าเราแล้วก็ให้ความเคารพเขาเด็กกว่าเราแล้วก็ให้ความเอ็นดูว่าเขาอะไรไปแบบแต่ไม่ยึดไม่ติดกับบทบาทต่างๆังเหล่านี้หรือว่าเป็นเพียงสมมุติเธอานี้ เริ่พอเข้าใจแล้วก็อ่านหนังสือ Beyond Birth พระอาจารย์ค่ะอุ้ดีมากเลยภาษาอังกฤษมันรู้สึกว่ามันลึกมากเลยพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่ามันเคยอ่านแล้วนะเรื่องเปิดใจเปิดทํามแต่พออ่าน Beyond Birth อะก็นึกขึ้นมาได้ก็ลองไปอ่านใหม่ก็เหมือนกับว่าอ่านครั้งแรกไอ้หนังสือเปิดใจเปิดทําเนี่ยอ่านตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอพระอาจารย์เมื่อปีที่แล้วค่ะแต่มาตอนเนี้ยอ่านแล้วมันเออมันเห็นเลยว่าเออมันเป็นหนทางเดินจริงตอนแรกอ่านไม่ค่อยเข้าใจนะพระอาจารย์แต่ตอนนี้เข้าใจมากขึ้นต้องขอบคุณพระอาจารย์มากเเลลย่ะะะะคคถ้้้้าาาาปปปฏิิบััตไไไววมมนนกก็จจจขขใดึ เดี๋ยวพระอาจารย์สอนไลยตรงเลยโห ด, ดีมากเลยเป็นหนังสือที่เก็บเอาไว้เลยอันนี้ไม่มีคําถามว่าอาจารย์ทำต่อไปที่อาจารย์พบที่ไรใช่ใช่ไม่ได้แจ้กันหนึ่งนาทีเมื่อคืนนี้ก็เข้ามาจะไม่เห็นเห็นใต้อยู่ตามนวัตการค่ะเมื่อคืนก็เข้าค่ะเข้าทั่ววันอาทิตย์วันอังคารวันพุธค่ะเข้าทำทำไไม่ <ละ S 2> ไม่ขาดค่ะวันนี้ไม่มีคําถามคือจริงๆเมื่อคืนนี้ฟังสดีพระอาจารย์สวัสดีเป็ควร ค่ะเมื่อคืนฟังก็คือฟังเรื่องของกรรมเพราะว่าคนต่างชาติก็กยังติดอยู่ในไม่เข้าใจนะคะพอดีวันนี้ก็ได้คุยกับเพื่อนๆนก็มีเพื่อนที่แบบมีวิบากกรรมในสุขภาพเยอะมากก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะ ม, มันตามมาจากภพชาติที่แล้วหรือเปล่าทำให้มีวิบากกรรมเยอะมากจนถึงวัยวัยนี้แล้วอะไรเนี่ยนะคะ คือวิเคราะห์ไปแคท่า น, นั้นน่ะชื่อหาวิธีรับกับวิบากหรือเปล่าว่าเราจะรับกับวิบากไปตอนนี้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นใจรับไปมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นหมืนดินฟ้าอากาศเราก็ห้ามมันไม่ได้เราต้องหัดทําใจรับมันอยู่ับมันไปให้ได้ค่ะถ้าเขาทําทําใจได้ก็เขาถือว่า ก็ไม่ถูกก็ไม่ถูกค่ะเพราะเราไม่เราเลือกชาติไม่ได้จะไปเลือกเลือกได้ไว่ากิจกรรมต่างๆที่เราทำมาในอดีตมีอะไรบ้างใช่ไแต่ถ้าเราสามารถเข้าถึงธรรมะได้ได้ในเวลาที่มีชีวิตอยู่ในภพชาติเนี้ยนะคะต้องมีความรู้สึกว่าเราได้เข้าถึงณจุดระดับหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเราได้ มีก ร, รมดีนะต่อไปในภพน้าบ่ะคะ่ะว่าถ้ามันเป็นธรรมะมันก็จะติดไปกับใจถ้าเป็นสติเป็นปัญญาเป็นสมาธิเป็นสิ่งมันก็จะติดไปกับใจใจเราก็จะไปทําต่อถ้าเราไปไม่ถึงจนไร้ปลายทางไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ค่ะขอบคุณคคท่านอาจารย์สวัสดีคุณแม่ตาคุณแม่ แมนกอทมอร์ใช่ครับอาจารย์ครับมอะไมครับสวัสดีครับก็ก็อาทิตย์ที่แล้วเข้าใจเรื่องเรื่องอธิษฐานเรื่องเป้าหมายครับอาทิตย์นี้ก็ก็รู้สึกว่าก็ก็มีความสุขดีครับก็ต้นเตี้ยมไปเรื่อยๆกับสติฝึกไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรครับก็ก็ทํำไปเรื่อยๆก็ก็ แริ่รู้สึกไม่กังวลไม่ฟุง้งซ่านก็รับประทานอาหารนะรับประทานอาหารกินไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกังวลว่ามันอิ่มหรือยังกินไปเรื่อยๆก็ไม่กระึงเวลามันอิ่มมันก็อิ่ครับก็รู้สึกว่ามีความสุขดีไม่กังวลครับก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆครับเข้ามารายงานตัวครับไปแล้วโ <c oughs> อเคครับขอบคุณท่านนัาคนักตราพอทํามาอีกครับ อาจารย์ตอนนี้ย๋ยว่นอกพื้นที่เจ้าค่ะจากม า, าถวายหนังสือหลวงตาที่เชียงรายเจ้าค่ะอ๋อที่งเชียงรายเลยนะอ่ะไว้ไหนไปถวายหลายวัดเลยค่ะเสเียทีมาแล้เพเนี่ยใช่ใชครับใช่ครับวัน ว, วันนี้ไปที่ท่านวอ่ะครับท่านก็โมทนาแล้วท่านว่าดีแล้วมาช่วยกัน เออมัอนครับช่วยให้ศาสนาช่วยเป็นประชาสัมพันธ์ให้าศสานสนาพูดต่อไป<ช>อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวอีกสองสัปดาห์จะไปที่อุดอรเจ้าค่ะไมมีมนนไม่มีนครับแต่ว่าอยู่ระหว่างอยู่ที่นี่ก็ก็ปฏิบัติอยู่นะครับต<ม><ข>อนวันหนาวช่นี้ดนาวไม่ทิ้งเชียงอรายวครับดาวมากนอนที่วัดด้วยอ่ะดนาวมากเลยวันไหนวันที่วัดท่านวอเลย เอ่อเมื่อคืนนอนที่วัดของหลวงตาน้องขิปปะปัญโยค่ะเป็นสถานสถานธรรมอ่ะครับเป็นที่สถานธรรมของออของหลว ง, งตาน้องนั่นเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ อ, อทูทนนะครับเอ่าครับตอนนี้อยู่ที่วัดไหนอยู่โรงแรมตอนนี้มาที่โรงแรมแล้วค่ะแล้วเอย่าพรุ่งนี้เดินทางกลับค่ะครับแรมสบายหน่อยนะ เยอนเล่ะพอได้เจอได้เจอเจมมินด้วยครับมินที่ที่เข้ามาในซูนใช่ครินใช่ครับใช่แล้วก็เก่งมากเลยค่ะนั้นไปที่เขาลุยเดียวเลยครับเขาขึ้นไปที่เวียงเกียงที่ดอยเวียงเกียงนะครับไปคนเดียวครับใช่เข้าไปไหนคนเดียวเพราะเพราะสวัสดิการเขาเอามาที่วันเหยุ ครับเขก็เล่าให้ฟังนะครับน้อก็เก่งมากเขาบอกว่าโอ้โหเราเอาโมทนากับเขาด้วยคือเขาเขามีเหมือนมีช่องทางแล้วฮะเรามีช่องเก่าจิตใจครับครับครับแต่ว่าพอเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ค่ะเจอกันแล้วคิกเลยคุยกันสนิทฮ่าฮ่าฮ่นสถาบันันเดียวกันสถาบันเดียวกันครับคุยกันแล้วก็โอ้โหเขาคุยกันสองคนคุยกันสนุกมากเลยลนะฮะ แต่อายุแต่อายุกันนิดเหมือนแม่ลูกเลยค่ะพระอาจารย์แต่ทำนี้เท่ากันทาเท่ากันดูครโอเคเครทคุณเอกต่อนะคุณเอกจากเชียงรายเหมือนกันยังไงคุณเอกอยู่ออมเพลียงแสนครับพระอาจารย์แสนนะครับผม สาเหลี่ยมทองคำสาเหลียมทองคำสาครับส่ยมทคำามเหียมทองคำมันเคชิงแสนครับผมชิงของเนี่ยต้องติชองใช่เอ่อชิงของก็ติดกระลาวชของติดกลาวติดตกรลาวครับชิงของครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรครับพระอาจารย์เข้ามากลาพระอาจารย์แล้วก็ร่วมรับฟังนะครับพระอาจารย์โอเคยไที่คุณยินดีต่อนะคุณยินดีกับคุณเดวิดงดีคุณเดวิดคุณนิ่ง Good evening. Bonsoir. Bonsoir. Okay. Just um, listening. Just listening. Okay. Enjoy yourself in Thailand. Huh? And see you tomorrow. <laughs> okay. a t the temple. Yes. Sir. Okay. Thank you. Meruda. t h n k y o r u d a okay. Sati. Good morning. No q u e s t i o n k a y g n okay. n o okay. Don. ก, นน ก, การนมัสการค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะคุณอาจารย์สายที่อยากมานมัสการกับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะแต่ว่าเพิ่มการปฏิบัติมากขึ้นตามที่พระอาจารย์แนะนําค่ ะ, ะจากชั่วโมงเป็นชั่วโมงสิบห้านาทีค่ะโอใชเพิ่มน้อยไปนอาจารย์เป็นเวสองช่เออไม่ ไม่ถึงค่ะพระอาจารย์เพราะว่างานงานยังเยอะอยู่แต่ถ้าพระอาจารย์บอกสองชั่วโมงจะลองดูค่ะว่าจะไปถึงไหมเพราะว่าอ่าชั่วโมงสิบห้ามันเหมือนแบบมันจะออกมาเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนเริ่มแบบพอปรับเป็นสิบห้าปุ๊บมันก็จะออกช่วยมาตั้งเป้าไว้สองแต่ค่อยๆขยับขึ้นไปทีละสิบห้านาทีก็ได้ค่ะอได้ค่ะพระอาจารย์จะพยายามค่ะ แล้วก็ช่วงนี้มองเห็นคนไม่ค่อยสวยงามเลยค่ะพระอาจารย์ห hmm. มายถึงว่ามองแล้วมันก็โอ๊ยคิเล่ <Okay. S 2> คนที่เคยเห็นหน้าตาสวยเอ้ยมันออกมาเป็นพอเห็นเอ้ยทําไมมันไม่สวยล่ะคนที่เคยหน้าตาดีหรือหลอ ก, hmm. ก็อืมก็ก็ก็ดูแลแบบไม่ไมน่น้ำหุ่นก็ดูค่ ะ, คะมันแบบเอ้ยทําไมมันไม่สวยเหมือนเหมือนเดิมที่เราเคยเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะ hmm. ก็เลยเจะทำความจริงนะ ค่ะแล้วก็มองมองเหมือนสอนใจตัวเองว่าทุกอย่างก็คือธรรมะธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มองเห็นว่ามันก็เกิดหรือว่าอะไรของมันไปอย่างร่างกายครับใช่ค่ะอยากจะเจ็บตรงนี้มันก็เจ็บอยากจะผุดตรงนี้เป็นตุ่มมันก็ผุดอะไรเงี้ยค่ะเราห้ามมันไม่ได้ก็แค่อยาไปค่ะดูมันแล้วก็รักษามันไปตามสภาพเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ก็รู้สึกว่าใจใจสบายขึ้นค่ะอไม่ค่อยกังวลกับอะไรนะ ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยกังวลค่ะพรอาจารย์ยอมรับมากขึ้นอะไรอย่างนตาเป็นธรรมชาติยอมรับยอมรับคนด้วยยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยก็เป็นธรรมชาติคนก็เป็นธรรมชาติเราไม่ว่าเขาเป็นคนนต่บางทีเขาเป็นธรรมชาติอ่อใช่ค่ะเขาก็เป็นของเขาอยู่แบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้คิดอยากจะเปลี่ยนอะไรใครเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ยอมรับแล้วก็สบายกว่าเยอะแ ไปแต่เราก็ทำของเราให้ให้ดีเท่าที่พอจะทำได้อะไรเงี้ยค่ะไม่สิ่งกับต้องพยายามเหมือนเดิมค่ะใช่ได้จะพยายามสองชั่วโมงค่ะพระอาจารย์แต่คําวหน้าถ้านั่งมันจะทำให้เราทำใจได้ง่ายค่ะนั่งสมาธิเยอะๆได้อุเบกขาแล้วมันจะทำใจปล่อยวางได้ง่ายกว่าค่ะ ถ้ไม่ได้ไม่ได้นั่งสมาธิถึงแม้จะรู้ว่ามันธรรมชาติมันก็ปล่อยไมมันอดไม่ได้อดไม่ไ <other> ด <one: S 1> ้อดที่อยากไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ค่ะต้องพยายามนั่งเดินอย่าทิ้งการนั่งสมาธิค่ะนั่งควรจะนั่งทุกวันนั่งน้อยก็แล้วแต่กําลังของเราค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ก็นั่งทุกวันค่ะบางทีก็ ตื่นเช้าบ้างท่ะหรก่อนนอนบ้างหรืออ่าอาจจะสองเวลาอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์อยวาควรว่ า, <ช>วาร่างกายไม่ไหวจริงจริงก็ก็น็อกเหมือนกันค่ะพระตันคือน็อกด้วยงานด้วยร่างกายก็หลับแล้วก็ค่อยตื่นมาชดเชยตอนเช้าตรู่อะไรเงี้ยค่ะได้เอาเวลาที่ไปดูหนังฟัเ ง, งเพลงมาปฏิบัตินะคะค่ ะ, คะเริ่มเริ่มลดลดตรงนั้นลงได้พอสมควรค่ะพระอาจารย์สิ่งที่เราเคยชอบอยู่มาวันนึงก็เอ๊ะ ก็ไม่ติดแล้วแต่ว่าใจมันก็ไปหาที่เกาะที่อื่นอีกนะคะใช่อาจารย์ป่อยเรื่องนลงมันก็แบบเหมือนเปลี่ยนชอบเกาะเลยแบบเอ๊จิตเราเนี่ยเราเคยคิดว่าเราจะชอบตรงนี้ตลอดแต่ว่าพอไม่ดูก็ได้แต่ว่าจิตมันก็ไปเกาะอันอื่นต่อค่ะก็เลยแบบเอ๊เราทํำยังไงเราถึงจะเกาะพ่อพุทธพ่อธรรมอยู่ได้ตลอดยีสชั่วโมงอะไรอย่างี้กาะสมาธิกาะสมาธินี่ค่ะเกะสมาธิเกาะเนินเจ้ากรมเนี่ยเกาะความเทศคํามธรรมเนี่ย ก็มีจริงๆมีคําถามนี้อยู่ในหัวเหมือนกันค่ะว่าทำไมเราจะเกาะได้ทั้งตลอดนะต้องบังคับนะตัวเราเองต้อบังคับของนี้ต้องบังคับถ้าไม่บังคับมันก็จะไม่เหมือนไม่ไปต้องหักห้ามใจในสิ่งที่เราอยากจะไปเกาะใหม่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่แล้วก็บังคับให้ไปให้ไปเกาะสมาธิให้ไเกาะการเดินตร ง, ง, งกลมเกาะการฟังเทศฟังธรรแทนอืมค่ะพระอาจารย์ เปล่นพยายามทะเปลี่ยนวิธีหาความสุขอยา่ยอยาการาควาสุขก็มาหาหาทำมาสุขความสุขที่เกิดจาความสงบค่ะค่ะค่ะสาทุค่ะค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์คุณบริสอยากประยอมเชิญบริสมีอะไรไหมมีหนึ่งคำถามค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับสมาธิค่ะคอณีว่า นั่งท้องพุทโธค่ะแล้วเหมือนคล้ายเหมือนมันมันรวบเข้ามาอย่างเงี้ยเสร็จใจมันก็จะช้าหน่อยแล้วคิดว่ามันดูว่ามันจะนิ่งริ่งแล้ไม่คิดแล้วลองหยุดพุทโธมาเป็นลมหายใจแล้วมันเหมือนมันค่อยๆคลายมันหลุดออกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะหลุดไปไหนอ่ะมันเหมือนว่าตอนแรกมันเหมือนแบบค่อยๆค่อยๆรวบเข้ามาค่อยๆค่อยๆแน่นขึ้น แล้วเบาแล้วเวลาเปลี่ยนมาเป็นดูลมหายใจเหมือนหายออกเหมือนเป็นไปรับรู้แล้ว ก, ก็อย่าไปใช้ลมแต่ใช้พุโทโธต่อไปคือเป็นเป็นแสดงว่าเป็นจุดที่ไม่ไม่ควรที่จะยังไม่นิ่งนี่ไห <c oughs> มค่ะเมื่อเราพุโทโธต่อไปถ้ามันมาดูลมแล้วมันไม่ดึงไม่อยู่ว่าใช้พุโทโธแตงไว้ดีกว อ่ะ ม, มันเหมือนมันหลวมๆดูนมแล้วมันเหมือนมันมันหุดยังมีกาลังไม่มั่นต่อที่จดูหลงก็ใช่คุณโทรไปครับไม่มีคำถาม ค, า ค, าค่ะคอาจารย์คุณน้องเชน้องมีอะไรไหมครับตามพิการพระอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรมีอะไรไหมก็ทานสีสติก็จเจริญอยู่ทุกวันครับอาจารย์ครับ แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าไวขึ้นนิดหน่อยครับอาจารย์ก็คือตอนตื่นตื่นขึ้นมากบางทีก็จะลืมไปแต่ตอนนี้สองสมเก้าก็จะนึกพุโทได้ครับอาจารย์เออลึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันกจ็จะมีสติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆผมแล้วตอนตอนเช้าออกกําลังกายเนะครับอาจารย์ก็ยังอยู่กับสก็ยังอยู่กับลมยัอยู่กับสติอยู่ครับอาจารย์ครับแต่พอตอนตอนทํางานนีิลืมไปเลยครับอาจารย์นนมันต้นงคิดนะพอมันคิดเท่านั้นแล้ว น, นี่มันก็เรียได้ ทั้งทั้งทั้งสู้การติดวิเมฆไม่ได้ถ้าเป็นวิเมฆอยู่คนเดียวมันไม่มีอะไรมาดึงใจเราไปครับอนอกจากรอบเองครับแล้วก็จะมาได้พุดโธรี่ตอนใกล้ๆนอนแล้วครับอาจารย์ครับนั่นแหละยูคนเดียวแล้วมักลับมาอยู่คนเดียวแล้วไม่มีอะไรเดึงลอองไปมันก็เลยมันจะกลับมาได้การหลับพอดีจะหลับใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าลบพอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วะครับผมมันก็ คือผมจะเรียนถามอาจารย์ว่าไอ้ตอนหลับเนี่ยตอนมันฝันนี่มันเข้าไปสงบได้ไหมครับคือคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมนอนหลับแล้วผมผมเข้าใจว่าฝันนะครับอาจารย์ครับมันก็เหมือนกับผมนั่งสมาธินะครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็มืดไปหมดนะครับอาจารย์ครับทีนี้มันมีมันมีเหมือนกับเห็นลมชัดๆตรงปลายจมูกแล้วมันก็เป็นเหมือนเป็นสีส้มๆเหมือนไฟอะอาจาเข้าออกเข้าออกอยู่แล้วแล้วสักพักหนึ่งผมก็รู้สึก รู้สึกความคิดมันก็โผล่ขึ้นมาว่าโอ้แค่นี้เองนี่ไงที่ที่ดูลมมันก็ดูแค่นี้เองแล้วมันก็หายไปแต่ผมเข้าใจว่าตอนนั้นผมหลับอยู่ครับอาจารย์ครับเวลาหลับนี่มันก็จะเป็นเรื่องของสังขารการพิสูน์แตงขงเรามันปรุงไปครับผมก็เหมือนกับถ้ามันถ้ามันสงบจริงจริงมันก็จะไม่มีความฝอ๋ครับผมแล้วมันก็เป็นผลที่เกิดจากการที่เรา ปฏิบัติตอนที่เราเตื่นแล้วมันก็จะส่งผลตอนที่เราหลับได้มันจะจะหลับเวลานอนหลับจะมีฝันแบบไหนหรือไม่ฝันเนี้ยล้วก็เกิดจากการปฏิบัติของเราครับซึ่งช่วงนั้นมันลําเป็นช่วงแบบที่เราไม่มีสติที่จะไปควบคุมอะไรขึ้นมาหรืออาจจะมีว่าเป็นสติแบบที่มีอยู่ในฝันนั่นเองอ๋อครับนี่เราฝึก ฝุ่ฝนอกลมว่ามันก็มันก็จะมันก็จะแสดงแสดงพฤติกรรมของเราที่เราได้ทำไว้ในช่วงที่เราเติบนอ๋อครับผครับก็ก็เป็นปรากฏการณ์แปลกแปลกๆดีครับอาจารก็เป็ น, นได้ด้วยนไม่ใช่ว่าใส่บาแปลกนะครับแต่สิ่งที่เราต้องให้ความรับผิดชอบตอนที่เราเติบมากกว่า ที่เราตื่เมื่อเรามีสติคควบคุมจิตใจของเราได้ไหรือครับผมการฝันดำเนิยกับไปงานสรุปรายงานผลของการดําเนินการของเรามาเมื่อเราดําเนิน ก, การการกระทําต่างๆมาสรุปในตอนที่เราฝันนี่นะครับในฝันนั้นลมหายใจชัดมากกว่าที่เคยทํามาเยอะเลยครับ ครับผมก็เวลานั่งก็ให้มันเวลากลับมานั่งตอนที่ตื่นก็ให้มันชั่งอย่างนั้น ด, ดูใช่ครับพยายามจะให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นไปมันไม่ได้หรอกครับอย่าอย่าไปคิดถึงมัให้ชิ้งให้ดูที่ลมอ๋อครับผมถ้าสนใจไปคิดถึงความฝันมันก็ไม่ได้อยู่ที่หลมมันก็เป็นไปไม่ได้อ๋อเวลาดูลมต้องต้องต้องเดื่องดีตเลยมนาคตไปให้อยู่ปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ <Okay. S 2> จ, ะจะพยายามทำต่อไปขอขครับอาจารย์ครับทำํำไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะดีขึ้นไปใจเย็นๆหน่อยนะครับผม่ยายามรีบร้อนกับผลนะนะครีบร้อน ก, กับการปฏิบัติได้ให้ปฏิบัติเยอะๆหนะ่อยแต่ผลมั น, <อ>มนจะเกิดไม่เกิด น, น, น, นี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเหตุที่เราทำครับผมครับงคอยดูที่เหตุว่าเราทํามากพอหรือยังถ้าไม่มากพอก็ทำเพิ่มมากขึ้นไปครับอาจารย์ครับ S <S กลับขอ บ, บคุณพระาาอาจารย์ครับถึงไปที่คุณสุภาพรพรต่อคุณสุภาพพรอันนี้มาอยู่ที่ปฏิบัติแล้อยู่บ้านเลยได้ยินหรือยังคะพระอาจารย์ได้ยินคับชัดเจนกลับในมาตการค่ะพระ อ, อาจารย์คืออตั้งแต่คราวที่แล้ว่ค่ะจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ไปบนเขาเลยค่ะ<ช>ตอนนี้อยู่ที่บ้านค่ะค่ะีร มีมีค่ะมีสภาวะครั้งหนึ่งอะค่ะพระอาจารย์เหมือนเหมือนเหมือนเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเ อ, อตัวรู้เนี้ยค่ะมันมันเกิดดับอ่ะค่ะแล้วถ้ามันเกิดดับมันก็จะเหมือนกับอารมณ์ในจิตที่เราจริงตัวรู้ไม่เกิดดับถ้ามันเกิดดับแสดงว่าสติเป็นตัวที่ทําให้มันเกิดเราไม่รู้ตัวมันก็ไม่มีสติมันก็ไม่รู้ตัวได้ แต่ตัวรูนี่มันไม่มีเกิดแบบคือมันอ่ามันมันไม่เที่ยงคือเรามองมันไม่เที่ยงแบบนี้ได้ไหมคะตัวรูวมันมองไม่ได้เลยมันมองไม่เห็นเรามองแต่ความคิดตุ่มแต่งด้วยมันไม่เที่ยงทั้งขานไม่เที่ยงค่ะคือตัวรูไม่มีค่ะอัวรู้จะเห็นชาติก็ตามนะทุกอย่างมันสงบตัวรู้ถึงจะเห็นตัวรูชัดเจนค่ะ อ่อันนี้คือตอนนั้นที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าใช้ชีวิตปกติอะค่ะแล้วเหมือนกับจิตมันกำลังจะมีอารมณ์อะค่ะมันไปกระทบกับอะไรแล้วมันกำลังจะมีอารมณ์ mm hmm. แล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยไอ้ที่รู้รู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรารู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเหมือนจิตอมันมันลอยขึ้นไปอะค่ะพระอาจารย์ มันเห็นมันเห็นสิ่งที่เราอารมณ์ที่เรากําลังกระทบเนี่ยเหมือนกับเรานั่งดูทีวีมันกับมันอยู่ข้างบนแล้วเรามันเห็นเห็นเห็นเหมือนดูทีวีอะค่ะเหมือนเราอยู่ข้างบนนะค่ะอันนี้มันปรุงแต่งป่ะค่ะปรุงแต่งงั้นอ๋อค่ะให้ให้ดูที่ปฏิกิริยาของเรากับสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาว่าเรามีรากชังโผล่ลงกับมันหปา ดูนั้นดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยเห็นเฉยเฉยไม่รัดไม่ชั่งไม่กลัวไม่หลงนี่นหละถูกต้องถ้าไปเห็นแล้วไปไปอินกับมันเข้ามันผิดนะหลงแล้วอือคือผิดอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ให้ดูเฉยเฉยดูมันยกาศมันดับมันมันแค่ดูเฉยเฉย ค่ะพอคือดูมันแหละแต่ว่าออไม่มีคือตอนนั้นจําไม่ได้เลยค่ะว่าเอ๊ะเรากําลังจะทุกข์เรื่องอะไรพอพอรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้ที่รู้ๆเนี่ยมันไม่ใช่เราหรือเปล่าเราก็เลยปรุงแต่งแล้ปรุงแต่ ง, นะ ง, ตงอ๋อปรุงแต่งเหรออ่ะปรุงแต่งในหะ้ให้รู้เฉยๆหรือว่าสิ่งที่เราเรารูว่ามันเกิดลําดับมันเป็นอนัตตาไป แต่ว่าตัวเราไม่ต้องย้อนกลับมาดีที่ไม่ต้องไม่ต้องมาถามตัวเองว่าใครเป็นผู้รู้อะไรก็ไม่ต้องไปถามไม่เสียเวลาเพราะนั้นไม่ใช่ตัวปัญหาโอเคค่ะก็คือดูดูเหตุการณ์นั้นแล้วก็มีสติดูว่าเราปฏิกริยากับเหตุการณ์ทั้งนั้นต่าดูดังนั้นดูน่ากลัวหรึเปล่าเห็นน่ากลัวรึเปล่าเห็นน้่าโลภรึ่าอยากได้รึเปล่าเห็นน่าชังหรึเปล่าเปลี่ยนทั้งนั้นให้เห็นให้ดูดังนั้น ถ้ามันนั่งชังงก็ต้องหยุดมันด้วยสติพุโทโธพุโทโธไปแล้วปัญญาปัญญาไม่นั่งค้นหาตัวเรานิ่งค้นหามันไม่ยิง่งยิ่งไม่เจอใหญ่เพราะตัวเรามันก็เกิดจากความคิดนี่แเอาความคิดมาค้นหาหาตัวเราหาความคิดมันก็มินไล่ตะคุกนามันไปก็คือพอพอเห็นเหตุการณ์อะไรก็คือทำมันเหมือนเดิมก็คือมีสติกับ อ้าให้รู้เฉยๆ<อ>สักแต่ ว, ว่ารู้เฉยๆไเห็นอะไรก็สักแต่ ว, ว่าเห็นได้เยินอะไรก็สักแต่ ว, ว่าได้ยินไม่ใช่เห็นว่าหน้ารักหน้ า, นาชมอยากได้เห็นน้ําหอมวนี้กลิ่น ด, อดีอยากจะซื้อมาใช้อะไรนี่เห็นเห็นด้วยกิเลสแต่เห็นด้วยธรมว่าเห็นว่าเฉยๆเอามาทําไมหลังจากมันมีความจำเป็นเอาก็ด้วยเหตุผลน่ะถึงเวล า, ากินอาหารอ่ะ กินได้นอะไรก็ได้กินพอให้มันดับความหิวได้ค่ ะ, ะ, คะแล้วก็มอกีอีกเรื่องหนึ่งนะคะพระอาจารย์คือตอนนั้นเหมือนมีอารมคือคือได้ยินคนคนเอ่อพูดพูดทำให้เสียใจค่ะพระอาจารย์ นั่นแหะามีปฏิกิริยานั่นแหะไปเสียใจทำไมไม่ฟังเฉยเฉไม่ฟังไ ม, ไม่ได้ยินเฉยเฉให้รู้เฉยเฉว่าเ้ดาด่าเราแล้วเขาพูให้เราพอพอพอได้ยินแล้วจิตมันก็กระเพื่อ ม, มใช่ไหมค ะ, ะก็บอกว่าว่าใช่ละใช่ละก็คือก็ก็ฟังไปฟังไปฟังฟังฟังฟังฟังเสร็จปึ๊บฟังอยู่นานเลยคะ่ะอาจารย์แล้วก็ไม่ไม่ไม่โตเถียงไม่ตอบไม่อะไรทั้งสิ้นฟังอยู่นานเลยค่ะแล้วก็ ก็มานั่งสมาธิค่ะแล้วก็จิตมันก็รวมเอ่อนั่งไปเป็นชั่วโมงเลยค่ะรวมไปเลยค่ะแล้วก็พอพอออกจากสมาธิอะค่ะก็ก็ไปล้างจานค่ะพราะจา์พอไปล้างจานเสร็จปุ๊บมันเผลอมาคิดพอมันคิดก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันมีแต่ตัวเราปรากฏเต็มขึ้นไปหมดก็เลยหยุดคิดพอสติมาหยุดคิดปุ๊บแล้วก็จูๆ่ๆมันก็แวบไปคิดว่าไอ้นั้นมันเป็น อารมณ์ของจิตคนที่เขาพูดอะค่ะพระอาจารย์นั่นมันคืออารมณ์ของจิตของเขาแล้วไอความทุกข์ที่มีอยู่อ่ะค่ะมันก็หายไปเลยอะค่ะพระอาจารย์คือมันมันคิดแค่ว่าเอนั่นมันก็อารมณ์ในจิตของเขาซึ่งก็เหมือนกับของเราที่มันมีมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดเกิดดับดับมันเป็นมันมีขึ้นมีลงอะไรเงนี้ยค่ะเพราะเพราะที่ไปตรงนั้นปุ๊บมันก็ดับไปเลยค่ะมันก็หายไปเลยค่ะพระอาจารย์ได้กันดีค่ะ อย่างนี้คิดตรงนี้ถูกไหมคะพรอาจารย์ถ้าทุกขายไปก็ถูกทําำบัติาให้ทุกปัญหา ก, ก็พอมันหายไปแล้วก็นั่งคิดอยู่ต้องสองวันสามวันว่าเอ๊ะทำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้ก็ทด<อ>ลองดูใหมค่คราวหน้าเจอดูอยังยั ง, ยงทุกอย่างเลยค่ะค่ะแล้วก็พอพออีกต่อมาก็เจออีกคะ่ะแล้วก็ก็ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรและะ้วค่ะพรอาจารย์ไม่รู้สึกอะไรก็ใช้ได้เป้าหมายก็คือให้จิตเราไม่รู้สึกกับอะไร เป็นเหมือนน้ำเหมือนน้ำมูลใบบัวนะไม่ดูดซึ่เข้าหากันค่ะเสดก็ไม่ยิ้ม<บ>สารสพิก็ไม่ยิ้มไม่ดีใจยินทาก็ไม่ทุกข์ไม่เศร้าใจไม่เสียใจแล้วแล้ว ก, วก็ก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติเจอก็ทักทายยิ้มย้ํแจ่มใสแล้วก็ช่วยเหลือได้เหมือนเดิมเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหนูก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะว่ามัน คำพูด ท, ที่เขาทําให้เราเสียใจยทุกใจอ่ะค่ะพระอาจารย์แต่เรากลับเมตตาเขาอะพระอาจารย์ก็ดีแสดงว่าเราชนาะความหลงได้ชนะความโกรธได้มันกลายเป็นเมตตาเขาค่ะแล้วอหนูก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรก็ไปดูที่พระอาจารย์เคยที่แลานหนูรู้สึกว่าหนูชอบหนูก็จะจดจดไว้เออพระอาจารย์เคยบอกว่าเวลาใครโมโหเราหรือว่าเราอะไรเนี่ยให้ให้คิดซะว่าเหมือนบ้านเขากําลังไฟไหมอือใช่ก็นอนก็ ใช่ค่ะหนูวาอ่าเออก็เลยรู้สึกว่าเราคิด แ, แ, แ, แนวแนเนี้ยค่ะแต่ว่าน้ำวินาทีที่เราเห็นว่ามันมีความรู้เข้ามาแนะนําเรามีปัญญาเข้ามาแนะนําเราแต่เราไม่รู้ว่าเอา๊ะมันมีอะไรเบื้องหลังในปัญญาตรงนั้นนะคะก็ใช้เวลาสองสาวันไปนั่งคิดว่าเอา๊ะเราคิดอะไรทําๆๆไมเราถึงถูกเรามันถึงหายไปอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็คือแบบนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้ไ อาจารย์แล้วมีอีกข้อหนึ่งค่ะคือมันก็มีบททดสอบอีกนะค่ะว่าเหมือนเหมือนเราทําไม่ผิดอ่ะแต่เขามาว่าเราทําผิดนะคะอาจารย์มันก็ไม่ผิดอยู่ดีเขาว่าเราผิดแต่ะมันไม่ผิดมันไม่มเปลีป่ยนความจริงได้ยังไงเราต้องเยืนดูดูที่ความจริงเพราะว่าเราเป็นควายเราเป็นราเป็นควายหแรบบือเปล่าค่ะอือ ใช่ค่ะอาจารย์อะตรงนี้หนูก็พยายามเอามาใช้แต่ว่ามันไม่มันไม่หายค่ะอาจารย์เสร็จแล้วทีนี้ก็มีพี่สาวอะค่ะเขาก็มาแนะนําว่าครั้งนี้เราอาจจะไม่ผิดแต่ว่าในอดีตชาติหรือก่อนหน้านี้เราอาจจะไปทําอะไรที่ผิดอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพระนเน้อมันกลายเปนไปเป็นเรื่องว่าเราพูดถึงเรื่องบาดบันกันอ๋อค่ะเขาอาจจะมองเราผิดก็ได้เขากล่าวว่าเราผิด บางเขาว่ า, าไปก็จบวอย่างที่พูดว่าได้ศักแต่ว่าได้ยินแปมัก็จบเอามาแบกทําไมให้เหนื่อยให้มันหนักหงหนักใจนะเพราะเรายังถือตัวถือตัวว่าเราไม่ผิดก็ยังไม่ถือเลยผิดถูกมันก็เป็นความจริงของมันอเองมันไม่ต้องไปถืองม่นหลอส่วนใครคนเขาว่าผิดถูกมันก็เป็นเป็นเรื่องของเขาอีกนแล้วก็ไปทําอะไรเขาไม่ได้ไม่ห้ามเขาไม่ได้ค่ะ พอดีช่วงนั้นมันเจอหลายๆเรื่องติดติดกันแล้วก็รู้เลยค่ะว่าอันนี้ปัญญาไม่ทันไม่ทันค่ะ <c oughs> คือเรื่องนั้นอทันแต่เรื่องนี้มแล้วมันอยู่ติดติดกันเนบพระอาจารย์ <c oughs> แล้วอันนี้คือไม่ทันหรือรู้เลยว่าเบกแปกเลยค่ะพระอาจารย์น <c oughs> <c oughs> ้อยตัวนีว่าแบบยังงัวตไวเบกแตกก็ยังถือว่ายังดีค่ะเบกแตกแล้ ว, <c oughs> แ, ลวแล้วการที่พี่สาวอะคะมาบอกว่าเออบางบางทีเราาจจะทําอะไรผิดในเมื่อก่อนแล้วไม่รู้ตัว <c oughs> ทำให้เขาทบทบมามาว่าเราในวันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วไอค้คาพูดนั้นนะ่ะทําให้หนูปล่อยวางเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ได้ถ้าเกี่ยวอะไรทำให้เราปล่อยวางได้ก็ปล่อ ย, อยก็ใช้ไดอจจออ้อาจจะเอออาจจะทําผิดจริงแต่เราไม่รู้ตัวก็แค่แบบได้ได้เอาถือว่าชดใช้นี่เหมือนเจ้านี่มาทวงนี่ก็ชดใช้ไปก็ปล่อยปล่อยได้ะค่ะพรอาจารย์ได้ อุบายมัญญามันมีหลายหนาหลายแนวหลายวิธีแต่ละคนแล้วก็ต้อเลือกใช้ที่ไหวจะผลิตถึงตนก็แล้วกันเป้าหมายก็คือขอให้ใจเอกสบายหายทุกข์ก็แล้วกันโอเคนะอาจารย์หนึ่งต่อค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ค่ณพระนิสามาัชชิระอยู่ที่ไหนอาจารย์บังไทยเข้ามาอย่าง ยังไม่เคยปับเสีกนไปรับกันเขาบอกให้ร <Okay. S 1> นะิ้วอันริ้วไมโครโฟนอไปได้เล้ค่ะไ <ใน S 1> ด้คยนกั่อยาุ้ชมค่ะค่ะมัสการครับอาจารย์เพิ่งเข้ามาเลยได้ยินหคะได้ยินได้ยินอ๋อเพิ่งเข้ามาครับอาจารย์แต่ก็ฟังอาจารย์จากข้างนอกหลายครั้งแล้วค่ะอยู่ที่ไหน อยู่นากเกลือค่ะพาา่อจารย์นาเกลือนี่ค่ะอ๋อที่ใส่บาตรมาเช้าเรียบอะใช่ค่ะพาา่อจาร์ผ่อนใช้ใช่ค่ะจา <ce> ไม่ได้พลาดไปเลยค่ะ <c oughs> ก็ ก, ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ก้าวหน้าอะไรสักอย่างเลยค่ะพ่อจาร์เราจะพูดได้ไงว่าเราไม่ขยันพูดโทนศไม่ขยันตรกสติมันถึงจะ ก, ก้าวหน้านะ มันก้าวหน้าพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆแล้วจิตมันก็จะได้นิ่งแล้วมันก็จะเห็นความก้าวหนะ้าขึ้นมาแต่ก็กลับก้มมามองที่ตัวเองก็มันเหมือนเด็กหันเดินมันมันไม่มันไม่ได้ก้าวกระโดดหรือว่าเะไรอ๋อจะเย็นก็เหมือนเด็กน้อมลูกคุกขาดเลยก่ได้พุโทโธสองคำแล้วเด็กก็เลยมันอไ่ ว, ว่าพอได้สติอะพุโทโธใหม่ เราฝกมาทั้งวันเลยเราฝึกว่าต่อวันนี้จะลองฝึกพุทโทธหรือจะได้เท่าเท่าไหร่ก็พยายามขึ้นห้องภาพบ่อยๆแล้วก็ก็ทุกวันนะนะคะพระอาจารย์แต่ว่าก่อนที่จะนั่งก็จะสวดมนต์เป็นเยอะๆเลยอะคะ่ะแต่ว่าเพราะว่าเหมือนกับพระอาจารย์บอกว่าให้มีสติก่อนจะทํำยังไงให้ตัวเองมีสติส<ว>จะลองสวดสวดก็ต้องมีสติไม่ใช่สวดไปแล้วใจก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ ต้องอยู่กับการสวดเพงอย่างเดียวถึงจะได้สติก็พยายามทำแบบนั้นอยู่ครับอาจารย์ไม่ไม่ให้คิดอะไรก็ให้ใจอยู่ที่หนังสือสวดมนต์นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จ ะ, ววจะเวลาเราอ่านภาษาบาลีมันผิดอย่างเงี้ยใจเราก็มันก็จะมีขัดจังหวะตรงนั้นอยู่ทุกครั้งเลยนะคะอาจารย์มันไม่เคยยังแบบ เราเราเราบทสวดมนต์มันก็ยังอ่านไม่คล่องอะไรนะคะอ่าช้าๆเลยก็สวดช้าๆ ไ, ไปก่อนอืแล้วก็นั่งพอสวดมนต์เสร็จก็จะนั่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงถ้าสติดีๆหรือว่านั่งมั่นๆ ม, มันก็จะถึงสี่สิบห้านาทีอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็จะแต่ก็ผ่าไม่ผ่านเวทานาสักครั้งหนึ่ง ก็ไม่ก็เรานราไม่สู้ต่อมันก็ไม่ผ่านเนี่ยมันเวทนามาแล้วก็สวดต่อบไปเลยเอย่าไปสนใจกับเวทนาเลยพูดโทรต่อป่อให้มันเจ็บไปแล้วก็เราก็สวดไปเหมืนเวลาเรานั่ง น, นั่งดูหนังเนี่ยบางทีปวดชี่แล้วยังทนได้เนี่ยปล่อยมันปวดไปปล่อยดูหลังต่อว่าเดี๋ยวถ้าไปเข้าห้องน้ำเนี่ยนมันติดตามหนังไม่ได้นะไอแป๋นุพุ่งมา อยู่ทางสายพระอาจารย์เนี่ยละครหนูไม่ได้ดูเลยใครเป็นอะไรหนูยังไม่ทคยออันนี้อันนี้พูดเปรียบเ <c oughs> ที่ไมหฟังเลยถ้าเกิดจิตมันมีงานทําแล้วมันก็อยู่ได้ถึงแม้ันจะเจ็บจะป่วยเงี้ยมันก็อยู่ได้เดี๋ยวให้มันพูดโตต่อไปมันสวดต่อไปแต่ต้องหัดสวดแบบปิดตาดูก็สวดบทที่เราจาได้ก็พอเช่นจิตปิโสอย่างเ ง, ง, ง, ง, ง, ง, งี้ยสวดหลายรอบก็ได้ไม่ครับอาจารย์หนูหนูเราสวดมนต์ก่อนจะ เอเล่มนึ่งาคา่ะเสร็จแล้วถ้าตอนนั่งพุทโ อ, อนั่งนั่งนั่งสมาธิหนูก็จะท่องพุทโธอะค่ะอ า, าะจารย์นั่งท่องแท่นี้เพราะว่าก็กลัวว่าถ้าท่องยาวไปแล้วมันจะหลุดหรือว่ามันจะตะลิะลดไปทางอืนนออน่นนั่นเองมันก็จับที่พุทโธอะก็ดีก็เวลามันเกิดเวทนาขึ้นมาก็ท่องต่อไปเสร็ิทาพุทโธตลอดอย่าอย่าพึ่มดูเราลองสักหมัดสองหมัดดูเนีย ไม่ใช่มาเจอทุกเมื่อไม่เอาแล้วเลิกแล้วเพราะว่าทุกทีมันก็จะมาติดตรง น, นี้ในคราวต่อไปจะเวทนาว่าจะจะลองทนจะลองสู้กับมันดูด้วยพุโทโธดูแต่อย่าประหยากให้มันหายนยให้ใจเราสงบพุโทโธเพื่ให้ใจเราสงบเพราะใจเราสงบแล้วถึงแม้เวทนาไม่หายความเจ็บไม่หายเราใจเราจะไม่เดือดร้อนนะใจเราจะอยู่กับมันได้เจ้าค่ะ ม, มีคำถามนะคะพระอาจารย์ถ้าอยากจะผ่านพิทยาณาต้องทำอย่างนี้ต้องขยันทุดโทนะั่งต่อแล้วก็พูดโทไปไม่ยากหรอกห้านาที น, นั้นคนงทีก็ผ่านได้แล้วท่าอยู่กับพูดโธอย่างเนียวอาจะมีความมาสะจั่งใจเกิดขึ้นโอ้เมื่อกี้มันทรมาจใจนั้ใจโล่งเบาอยู่กับมันได้เล็งนิดเดียวใลยแค่ห้านาทีเราท่องไป แต่อย่าไปดูนาฬิกานะไม่ใช่ท่องไปแล้วดูนาฬิกาอย่าไปสนใจกับอะไรให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวให้จิตมันดวกเข้าไปข้างในใได้เราทําอยู่น ะ, ะเดี๋ยวก็ได้เนี่ยมามไกลแล้วเนี่ยมีความอย่างนั้นก็มีความตั้งใจมีความเพียนไปหลายอย่างเรารู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปมากเหมือนกันคะ่ะเรื่องความโกรธก็โกรธคนได้คือ ถ, ถ้าโกรธก็จะมองที่ตัวเองก่อนว่าเราผิด อะไรทําเขาถึงทําให้เราทําเป็นอย่างนั้นประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่โกรธเขาเพราะเราเองเราเราพูดอย่างนั้นเองเราทําอย่างนี้เองเขาถึงโกรธเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะจะดูที่ตัวเราเองดูตัวเราค่ะโทษตัวเราดกว่าไปโทษคนอื่นนะก็พยายามทําอย่างนั้นมันทําให้เมื่อก่อนไม่เป็นคนขี้โมโหมากเลยค่ะพระอาจารย์อะไรนิดอะไรก็เป็นบีนเพราะว่าน้องๆเยอะแต่ว่า ตอนนี้แบบมันก็มองไปมองมาก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะตัวตัวตัวเราเองก็เปลี่ยนเพราะว่าเรามองมองตัวเองอะค่ะทํารู้สึกต่กันไม่รู้ถูกหรือเปล่าถูกถูกมองตัวเราเองดีที่สุดเวลาเราไปดา่าเขาเราถานตัวเรามองว่าเป็นยังไงบ <laughs> <laughs> ้างนะคะทำะให้ใโกรธหรือว่าคนอื่นทําให้เราโกรธก็จะจะกลับเข้ามาดูก่อนว่า เราไปทำอะไรให้เขาใช่เราทำเราทาดีตเหนอถ้าเราทำดีเขาจะมาโกรธเราได้ยังไงใช่ไหมใช่ค่ะดีแล้วละต้องนักปฏิบัติต้องดูตัวดูดูตัวเองเป็นหลักดูการกระทำของตัวเองเป็นหลักอย่าไปดูคนอื่นเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เรามีอะไรไหมไม่มีนะคะอาจารย์จะพยายามเข้ามาฟัง เออดีเชิญทุกคนมาพูดเนี่ยสองทุกนะอโอเคเชิญคุณปิยวรรณต่อคุณปิยวรรณอยู่ที่ไหนค่ะกลับรัฐ ก, การพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนหนาอยู่กรุงเทพคะ่ะ่มีอะไรไ่มมีคําถามพระอาจารย์สองข้อหนูตามพี่สาวไปปฏิบัติที่เขาชีโอสองอาทิตย์ที่แล้วอ่ค่ ะ, ะที่หมอภัฒนาค่ะหมอภัฒนา หนูเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะว่าจะยังไม่ค่อยรู้อะไรมากแต่ว่าก็พยายามอยู่คําถามข้อแรกคือเวลาพุดโธเนี่ยพยายามจะนั่งแล้วก็ดูพุดโธแต่ว่าปัญหาคือพอพุดโธเสร็จแปบ๊บหนึ่งก็จะแวบแปบ๊บหนึ่งก็จะแวบครันนี้คือก็เลยไม่แน่ใจว่าเราพุทโทเนี่ยเหมือนเราท่องหนังสือไหมคะคือพูดโธพุดโทอยู่กับแค่ตรงเนี้เหมือนเราใ่เหมือน้นองเพลงในใจเนี่ยเหมือน้องเพลงในใจ เราก็เล่าไปในใจได้ใช่ไหมอ้าวค่ะแล้วก็พูดตัวในใจไปนั่นเองอย่าหยุดแค่นั้นเองอย่าหยุดอย่าให้มันหายไปอืมค่ะเดี๋ยวจะพยายามเพราะว่าบางทีรู้สึกว่าตั้งต้นมาแบบอ้าวเฮ้ยหลุดไปได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วว่กลับมาใหม่รู้สึกว่ามันเรื่องอื่นมาดึงเราไปดึงเราไปขิดเรื่องอื่นแทนค่ะแล้วก็เรียนถามอาจารยถามที่สองคือแต่ก่อนตอนเด็กๆเหมือนเคยฝึกมาว่าพุดโพแล้วก็เหมือนวางเหมือน ประมาณเหมือนวางลูกแก้วไว้ที่หน้าผากหรือที่หน้าท้องหะไอย่างคือมันก็เลยงงไม่ไม ด, มด้เอาพุกกทพโธอย่างเดียวไม่ต้องถอดใจแล้วลูกแก้วไม่จำเป็นลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธไม่ต้องเอาพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องลมหายใจด้วยพุโทโธยัง ไ, <ด>ไปไ<ะ>ด้วยแต่บาง<อ>คนเขาใช้พุโทโธควบกับกับลมหายใจก็ได้หรือควบคุมกับควบกับลูกแก้วก็ได้แต่ไม่จําเป็นจะต้องทําแบบนั้นทุกคน คนหนูทำมาหนูที่ง่ายที่สุดก็อยู่กับผู้โกรคำเดียวง่ายที่สุดอ๋อค่ะแลวจะพยายามจะตามพี่สาวไปเป็นระยาปลา ย, ยาค่ะขอบคุณเป็นพี่ทแท้ๆหรือว่าเป็นพี่จำพี่แท้ๆค่ะพี่แทๆ้ๆเลยนะขออห่ากันเยอะค่ะอ่อาเป็นกนไ่ลูกกันนะ <laughs> ขอบคุ่ะขอบคุณค่ะโอเคคุณนาเรศเชคุณนาเรศ อันนี้อยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมใช่ค่ะหลวงพ่ออยู่วุฒากาศค่ะหลวงพ่อได้ยินหนูว่าคะชัดเจนชัดเจนค่ะหลวงพ่อหนูก็ช่วงนี้ก็มีเวลาหนูก็พยายามเพิ่มเข้าไปอีกอะค่ะหลวงพ่อเช้าเย็นกลางวันระหว่างทํางานแล้วก็ตอนช่วงกลางวันช่วงพักเที่ยงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็พยายามที่จะปฏิบัติแล้วทีเนี้ยใจใจมัน อยากปฏิบัติเยอะๆอย่างที่หนูได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่านั่งทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะใจมันก็อยากเอ๊ะเป็นยังไงทําไมท่านถึงนั่งกันได้แบบนานๆลึกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูทําได้แค่ประมาณตีหนึ่งตีสองมันก็หมดกําลังไปแล้วอะค่ะหลวงพ่อว่าสติเราตา่างกันไงสติท่าน่ากเปนกําลังมากมก็นั่งได้สบายถ้าไม่มสติสมันก็บวดแรง พลังของของจิตแลว้วก็คือสตินี่อค่อะและว้วก็แล้วก็เราพยายามปลุกสติฝึกสติให้ถ้ามันหมดก็เราเหมือนขายลานแล้วเรต้องพูดโทรไปใหมา่แล้วสวดอีกซีซ<ข>ั่นหนอ่งเดี๋ยวลูกก็มาเดินจงกรคงะ่ะห้องพ่อคือแม้แต่ตอนกลางคืนค่ะถ้าตื่นตอนตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ พยายามจะทำตลอดเวลาถึงถึงไม่ได้นั่งสมาธิแต่ว่าเราต้องพุทโทรตลอดเวลาใช่ว่มคะหลวงพ่อใช่ใช่ค่ะยังไ้ว่าถ้าจิตม้วไม่คิดก็ไม่ต้พุทธโทกันไหมจิงมันดูเฉยยมันไม่คิดเราก็ไม่ต้พุทโทรแล้วทีนี้อย่างเวลาเรานั่งทำงานเราช่วงมีเวลาพักเวลาเราจะไปแบบพักบ้างเวลาช่วงเก้าวเดินอ่ะตอนนี้มันพอก้าวปุ๊บเนี่ยมันพุโทโธมันขึ้น ขึ้นมาเองอะค่ะหลวงพอ่อดีดีแสดงว่ามันมันริ่าติดแล้ ว, แ ล, วแล้วถ้าเกิดหนูหนูเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่ทํางานอย่างนี้ยค่ะก็ ก, ก, ก็ดูดูดูงานเราทำช่วงที่เราทํางานก็มีสติจดจ่ออยู่ของงานเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดอย่างอื่นค่ะหลวงพอ่อเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมคะหลวงพอ่อปฏิบัติเป็นได้เป็นตอเนื่งทั้งวันเลยถึงแม้ว่า ถึงแม้จะไม่ได้นั่งก็ไม่เป็นไครัถ้าไม่ได้นั่งก็มันมีสติมีพุโทโธอยู่เรื่อยๆค่ะหลวงพ่ออา้าจำเปันจะต้องชินเรื่องงานก็อยู่พุโทโธไว้ชั่วคาแล้วก็อยู่พฝ้ดูความคิดไปจึงกลามันจะหมดหมดหมดที่จะต้องคิดก็หยุดมนแล้วก็กลับมาพุโทโธคือใจลึกๆอะค่ะหลวงพ่อมันมีความรู้สึกว่ามันอยากอยากนั่งเหมือนที่ว่า นั่งทั้งวันทั้งคืนเงี้ยค่ะมันใจมันมันก็ต้องมาเวลาเวลาไปปฏิบัติเวลาเราทำงานก็ต้องยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้พยอยามพยายามอยากนั้นก็จะทุกข์ทุกข์ไปต่อไค่ะหลวงพ่อเออหลวงพ่อคะและอีกอีกอันหนึ่งคือหนูฟังที่เป็นคลิปของหลวงพ่อะค่ะบอกว่าถ้าเราไม่อยากมาเกิดไม่อยากมาทุกข์แก่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อบอกว่าต้องละตั้นหา แล้วทีเนี้ยหนูเข้าใจว่าไอ้ตัณหาเนี่ยมันหมายถึงการมราคะอย่างเดียวแต่ความหมายกรรมวาตัณหาภาวะตัณนหน า, า, นนาก็สรุปที่สัญญาสิบเนี่ยเป็นข่นนาวว่าตัณหาภาวะตัณหาสามระดับแรกก็เริ่มงกรรมว่นนาตัณหาระดับสุดท้ายระดับว่าอนาคามีที่จะขึ้นสู่บ้าหลนก็มารับภาวตัณหาวิภาวนนาะตัณหาค่ะพ่อ ค่ะถ้า<ต>ไม่มีไม่มีสัมยาเสไม่มีปัญหาทั้งสามทังว่าไม่มีอะไรมาผักดันให้จิตไปเกิดต่อไปไม่ว่าในภพไหนก็ตามแต่ว่ามันก็ยังละได้ไม่หมดก็ต้อง ท, ทําไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อยังต้องอยังต้องอยู่กับภาพบครัวจิต<ช>ยัง จ, จิตยังไม่แก่กล้าเหมือนก็พระเจ้าพระเจ้ามีาครอบรัวก็ยังทิ้งได้ค่ะแต่มันมันยังทําไม่ได้ถึงขนาด อย่างนั้นนะคะหลวงพ่อกำลังยังไม่พอค่ะหลวงพ่อแต่แต่แ ต, แต่หนูก็พยายามตั้งใจว่าจะต้องสักมีโอกาสหนูก็จะพยายามอย่างที่หนูอยากจะนั่งทั้งวันทั้งคืนในเงี้ยหนูก็พยายามอยู่ค่ะอ่าก็ลองเวลาช่วงที่เราไม่ทํางานแล้วก็แปไปปีกเว่ยอยู่คนเดียวแล้วก็ลองทำเดีค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวเดี๋ยววันที่สามสิบเนี้ยค่ะ หนูหนูลางงานย9ิบเก้าแล้วก็สามสิบหนูจะไปเข้าเข้าวัดอะค่ะแล้วก็จะออกอีกทีประมาณวันที่ที่สองหรือสามอะไรเนี่ยค่ะอ่าลองปฏิบัติหนูค่ะหลวงพ่อวันวันนี้หนูก็มีคำถามแค่เนี้ยค่ะหลวงพ่อสาธุสาธุกลับขอบคุณหลวงพ่อค่ะคุณลุงจะคุณุงต่องอยู่ที่ไหนยัง น, นะครับอืม ดได้ยินนะพูดได้เลยอ่ะปิดเองละเปิดใหม่เปิดใหม่ตอนนี้ยังปิดอยู่อ่าพูดได้นะนการสังสานพระอาจารย์ครับผมอยู่กณ ะ, ะเข้ามาทางที่สามแล้วครับผมอ่ามีคําถามให้ครัอนนี้เอออยากให้พระอาจารย์แนะนําเรื่องการผ่อนอาหารหรือการอดอาหารเพื่อที่จะฝึดเอ่อ การปฏิบัติให้มันเจริญ ย, ยิ่งขึ้นไปนะครับเวลาเราอดอามันจะทํามันจะกระตุ้นให้เรามีสติมากขึ้นเพื่อที่จะมาระลับความหิวที่เกิดจาความคิดตุ่แต่งใจครับพ อ, พอมันหิวเราก็ต้องพูดโทพูดโธระงับมันมันอะไรเป็นการมันก็เป็นไฟบังคับไปถ้าไม่กินมันก็ไม่มีอะไรมาบังคับให้เราพูดโธทก็ขี้เกียจนอนดีกว่ากินเองแล้วก็ามองนอนครับ เพราะว่าปกติเนี่ยผมทานสองมื้อแต่ว่าผมไม่ได้ถือสิงแปดนะครับคือเราะเป็นเวลาถ้าถือแปดไม่ถือแปดไม่สํำคัญคือผมทานสายกับทานช่วงประมาณประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามนะมิจฉาทานหน้าทานน้อยดีกว่าครับผมทานให้น้อยๆทานให้คอามันเลี้ยงละเลี้ยงมากกินได้อย่าให้มันอีกมากเกินไปเพราะมันจะทําให้เกิดนีวอนทําที่เกียร์ความง่วงนอย ใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เห็นอยู่ครับคร น, นี้ก็เลยหเห็นพระ อ, อาจารย์เคยพูดกล่าวถึงว่าเรา่ อ, อ, อดดูสักวันหนึ่งแล้วก็เดือของไรโอแชร์เดือดน้ำผลไม้แทนครับผมแล้วมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสินแปดในข้อของออ ข, อ ข, ข, ข, อข้อการอดอาหารนะครับ อืออันนั้นให้เขาให้รับประทานน้อยแต่ยังอนุญาตให้รับประทานได้ถึงเที่ยงวันจะรับประทานกี่ครั้งก็ได้แต่หลังจากเที่ยงวันละห้ามครับผมแม้แต่กระทั่งพวกเอ่ออาหารที่เป็นของเหลวพวกนมพวกอะไรนี่ก็ไม่น่าถ้าเป็นอาหารทีนอยู่ในกลุ่มอาหารก็ไม่น่าก็จะเป็นพวกน้ำน้ำดื่มน้ำผบไม้ได้น้ำผลไม้น้ำน้ำชากาแฟน้ำตาลน้ำปึ้งอะไรพวกนี้ได้ครับผม จะได้รู้ว่าปฏิบัติถูกหรือเปล่าเพราะว่าวันสินน้อยก็คือก่อนวันพระกับวันพราผมผมจะถือประจํานำ่งฮะสินแปงตั้งใจใตั้งใจสาอยู่ที่บ้านนี่แหละฮะก็อลองลองกินเมื่อเดียวดูสิวันที่ที่เราถือสินแปงเลยเอาแค่ okay, มื่อเดียวพอครับผมเดี๋ยวจะลองปฏิบัติดูครับแล้วก็กินให้น้อยๆอย่อยา ก, กินมากกินเพื่อให้มันอายหิแต่อย่าไปกินให้มันอิ่มครับ เรู้สึกว่าหายหิวแลวอพอเลยใช่ไหมครับพอแล้วก็ดื่มชาแทนนะครับถ้า ม, มันจะไม่ง่วงมันจะไม่ขี้เกียจอืมครับเพราะว่ามันจะมีมีบางครั้งพอพอรู้สึกอิ่มปุ๊บสักพักหนึ่งตาเริ่มใช่หยอห่อนเงี้ยน้ำเท้าเต็มน้งตาหย่อน ด, ด้วยครับผมทําทำดูีินะนอกจะเห็นประโยชน์จากการผ่อนอาหารการลดเลือดลดอดอาหาร ถ้าถูกจริญกับเราเ น, ะนีงคุดไม่ถูกเจริญพอหมดแล้วจิตฟุง้งซ่านคิดแต่เรื่องอาหารเลยวาทำอะไรไม่ได้เลถ้าอย่างนี้ก็ก็อดไป้ได้อืมครับแต่ว่าผมก็สังเกตดูตัวเองว่าบางครั้งเราไปดูโทรศัพท์บ้างไปเห็นสื่อที่มันไปกระตุ้นความอยากคือเห็นรูปอาหารนั่นแหละครับก็เรานึกถึงอาหารที่อยู่ในท้องเวลาไปเห็นอาหารในจานครับผมเวลามันอยู่ในท้องแมันน่ากินไหมวเวลาชินออกมา ครับเรือเวลาถ่ายออกมาก็เป็นอาหารทั้งนั้ใช่ไหมเอ๊ะครับผมเพราะว่าเวลาถายก็บอกตรงว่าผมก็มองดูมันทุกครั้งแหละ <c oughs> ลอา่านั่นแหก็ต้องบอกว่านี่แหะเอาไปแสงจานดู ว, ว่ามันน่ากินนะกับบางวันก็พิจารณาดูอาหารที่เราทานนะครับบางครั้งเราต้องย้อนสอนเลยเราต้องย้อ น, อ น, อนกิเลสกิเลสอยากแล้วก็ต้องเอาของไม่อยากให้มันดูนครับครับ ก็รู้สึกว่าเอะความจริงเราก็ทานอะไรก็ได้คือบางครั้งอาหารมันมันมันแข็งมันแห้งเงี่ยนะครับบางครั้งผมก็เออกินยากก็เอาน้ําใส่น้ำใส่ไปก็ความจริงมันลงเปไ็นรวมกันอยู่ข้างในมันก็จบเลยเนาะครับจบใช่มันเป็นเหมือนกินยาลดกา ร, รทานให้กับร่างกายผมก็เลยทานทานีเรื่องการทานจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็พอได้ครับม่วี่จุจิตมันเสียเวลาไม่ครับผมถ้มันจะติดมันจะติดมันจะทําให้ เรื่องกินนี้เป็นเรื่องยุ่งยากไปครับผมครับก็เดี๋ยวจะเอาไปหมั่นพิจารณาเพื่อเพื่อ<น>เพื่อความเจ้าหน้าในการปฏิบัติคร<น>ับเวลาออาหารก็นึกถึงปฏิปูนน้ อ, อาหารเวลานึกถึงอาหารในใจเพราะว่าเวลามันออกมาถ่ายออกมาเป็นยังไงบ้างมันจะหายยากเนี่ยครับผมโอเคนะครับผมกราบขอบ พ, อพระคุณพระอาจารย์ครับผมคุณธนภพเชิญธ น, นภพ ได้ยินไหมมันธรรมอยู่ที่ไหนเจอผมไหมอ่าเจอแล้วพูดได้แล้สวัส yeah, ดีครับพระอาจารย์อ่ามีอะไรไหมมีคําถามอะไรไหมมันอ้าวการธรรมะสักการครับผมเอ้าวอยากทราบว่าถ้านั่งสมาธิที่ที่มีเสียงแล้วปดมากๆนี่มันสามารถวางจิตยังไงได้บ้างครับผมยากเอาหาอะไรอุดหูไว้นีกว่าจะง่ายกว่า โอครับผมเพราใจเรามันจะไปติดอยู่กับเสียงมันจะทําให้เราไม่มีสติที่อยู่มาพุ่งเขอยู่กับลมใช่ครับผมแล้วนี่คืนั่งสมาธิต้องหาที่สงบมันบ่พอที่ผมมานั่งอยู่ที่บ้านครับผมพอดีบริเวณข้างบ้านมันจะมีห้องแถวอเลยพวกเนี้ยมันจะมีเสียงรบกวนเลยก็ต้องลองลองหาห้องทําห้องปิดแอร์ปิดนั่ต่างแล้วก็ปิดแอร์อ๋อครับผมคือคือหาอะไรปิดหูเราดีกว่าใช่ไหมครับผมก็ปิดหูได้ก็ดี อ๋อครับผมแล้วเราอีกอีกคำถามเนื่งครับผมเวลาเรานั่งสมาธิขณะที่เราภาวนาครับพุทโธอย่างเงี้ยครับผมแล้วมีมีมีอ่าก็เรียกว่ามีภาพเว็บอะไรเข้ามาในในหัวอย่าสนใจอย่าไปสนใจมันเป็นธรรมดาอของใจมันจะมีอะไรเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับผมอย่าไปสนใจมันเหมือนกับเสียงนี่ยภาพก็ดีเสียงก็ดีถ้าเราไปให้ความสําคัญเราเราก็จะเสียสมาธิเสียส ต, สติครับสติครับผม อืมครับผมแม้แต่ควคิดก็เหมือนกัน ค, ความลิดก็อยากไปตามอ๋อครับผมทุกอย่างไม่อยู่กับพุกทอลลี่อยู่กับลมไปอย่างเดียวแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วคําภาวนานี่ถ้าว่ามันเกิดว่าถ้าเป็นพวกใช้คำอ่าอย่างอื่นที่ว่าเรารู้สึกว่ามันสงบหวานนี่คือได้ได้ําไหนก็ได้ดทุกทอลก็ได้สัมมาอรหังก็ได้พุทธธรรมธรรมบางสามคำสัลนังกฐามิ่ก็ได้อ๋อครับผมนอกจากเรา ชาบมันแล้วก็ใช้อันนั้นได้อ่าแล้วแล้วถ้าว่าถ้าว่าเกิดว่าถ้าเรานั่งบนพื้นนะครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยสงบนั่งเป็นชั่วโมงบางทีก็ไม่ค่อยสงบแต่ถ้าเรานั่งบนบนที่นั่งเหมือนเบาะอย่างเงี้ยที่สูงสูงยางกว่าแล้วมันมันนั่งสงบกว่าที่คือได้ใช่ไหมครับผมหรือว่าหรือว่านั่งท่าไ ด, ได้แต่ความจริงมันสงบไม่สงบมันไม่ได้อยู่ที่ที่นั่งมันอยู่ที่จิตของเรามากว่าอ๋อครับผมอ๋อ ผมเข้าใจาราเรานั่งถ้ า, านั่งที่สบายกลัวต่อไปมันเราจะไปติดมันไปนั่งที่ไหนต้องหาบอกมานั่งด้วย อ, อย่านั่งไม่ได้เนี่ยอาจจะติดบอะแล้วก็ได้เนี่ยมันถึงรู้สึกว่ า, านั่งบเบาะนั่งได้พอเวลานั่งกับพื้นมันก็รู้สึกเจ็บป้นมันก็เลยทําให้เสียสติได้าขาดสติได้ปกปกติผมถ้าว่านั่งผมจะนั่งที่พื้นก่อนนะครับอ่ประมาณหลังไหว้พระสมมูรณเสร็จช่วงช่วงค่ะครับผมแต่ว่า ตื่นมาช่วงประมาณสักตีสีอย่างเงี้ยผมจะตั่งโบเท่นะครับผมนั่งนั่งบนโซฟา เ, เลยพวกผมก็ลองริ่รงกับพื้นต่อนะลองดูเพราะตอนช่วงตีสี่นี่มันมันสงบง่ายกว่ามันไม่มีอะไรต้องกวนใจได้ครับเพราะว่าช่วงนั้นมันจะงเงียบไม่ไม่มีเสีเยงเยอะจนใช่ยันมันไม่ได้อยู่ที่บเบาะมันอยู่ที่สติอย่าไปติดเบาะเลยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาโอ้ครับผมครับผมอ๋อเข้าใจแล้วครับผมครับอยู่ที่ไหน อยู่ที่ที่เกาะสมุยครับผมที่เกาะสมุยนะครับผมดีปฏิบัติไปนะถ้ามีรายเข้ามาาหอนตาต่อครับผมครับครับครับับสุพัฒนาเชิาบอวินชนบุรีกรับนวมาสการเจ้าค่ะอาจารย์บอวินนี่เป็นอำเภอะับอออวินเป็นตำบลเจ้าค่ะตำบลอยู่อำเภอะไรพระทันเหรออ๋อเจ้าค่ะ ตำบลอะไรประเทศอะไําบลบ่อวินอำเภอศรีราชาเจ้าค่ะก็อยอำศรีราชาก็วันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มาขอฟังธรรมเจ้าค่ะโอเคไม่มีคําถามนะอ็ขอเห็นไปที่คุณวิลัยตอนต่อเชิญคุณวิรัยทอนกราบคุณมรรคการพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะวันนี้มากราบพระอาจารย์แล้วฟังธรรมพระอาจารย์ค่ะ <ด>แล้วก็<ด>อ<ด>๋กคุงเทพกับพระอาจารย์ข<ด>ึ้นมณฑนสายสองค่ะ<ด>พระอาจารย์ก็จะรายงานพระอาจารย์นะคะที่พระอาจารย์เคยสอนบอกว่าถ้าจะแผ่เมตตาเราต้องแผ่กับคนที่เป็นใช่ไหมคะ<ด>แล้วโยมที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะ<ด> <ๆ S 2> ก็จะมีคนอยู่คนหนึ่งซึ่งโยมก็งงว่าเอ๊ะสมัยเขาแบบเขาไม่ค่อยชอบเราเป็นเพราะอะไรทั้งๆ้งที่เราก็ไม่เคยไปทําอะไรอ<ด>ใช่ไหมคะแต่แต่ใจโยมก็อย่างถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะถ้าเขาเฉยกับเราเรา เราก็จะเฉยใช่ไหมคะแต่พอพระ อ, อาจารย์บอกอะถ้าอยากลองว่าถ้าเราลองแผ่แผ่เมตตาแบบว่าเป็นๆอย่างเงี้ยคะ่ะเอโยมโยมก็ใช้ที่พระอาจารย์สอนเราก็พูดออกับเขาเราก็ยื้มให้เขาแล้วถึงถึงแม้เรายิ้มให้เขาเขาใจเฉยหรือเขาใจะอะไรเราก็ยิ้มให้เขาบ่อยๆ ย, ยิ้มแล้วก็แล้วเราเร า, เราพยายามทักเขาก่อนทุกครั้งแล้วพอเราทักใช่แล้วพอเราทักเขาก่อนแล้วก็เร็วนี้โยมก็ เข้าเข้าไปบ้านเขาปกติก็คุยเขาปกติด้วยด้วยใจที่เป็นมิตรหาผจญโยมทํามเขาบ่อยๆจนเดี๋ยวนี้เขาเขาเขาน่ารักกับโยมแล้วเขาก็โยมอ่อ oh, นจริงเลยบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะแบบแอนตี้เขาจะแบบค่อนข้างอีกโก้สูงเขาจะแบบเป็นคนที่แบบแข็งมากแต่ว่าถ้าเราอ่อนนะเขะาอะค่ะแม่ตานี่เป็นเหมือนไฟ ใ, ใช่ไหมโดนโดนเทียน<ๆ>เทียนมันใหญ่แข็งยงไงพอเจอไฟมันก็อ่อน ใช่ค่ะเพราะแต่ใจยมคือใจยมปกติมากเลยนะคะใจยมแบบก<ม>็คุยเขาปกติคือแบบคือปกติเลยอะคะ่ะคือเราอย่าไม่วังอะไรจากเขาใช่ค่ ะ, คะใช่ใช่เราต้องการให้เขามีความสุขใช่ค่ะแสดงความเป็นมิตรกับเขา ใช่ค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนยงก็คงคงจะไม่แบบว่าเข้าไปบ้านเขาไปนอนกันเขาออกมาเขาไปนอนใช่ค่ะจริงก็งงวก็เป็นอะไรเราไม่ได้ไปทําอะไรเขาเลยู่ดีเขาก็แบบเหม็นที่หน้าเราอะไรเงี้ยแต่โยงกับเอศก็เนี่ยเมื่อเราก็เป็นเป็นคนน่ารักนะอะไรเงี้ยค่ะยมก็คุยกับเขาเรื่อยๆก็เข้าไปบ้ายเขาเลยอะค่ะก็ยิ้มคุยยิ้มเขาก็าเขาแสดงความน่ารักของเราไม่ใช่มันไมส่วนตัวคนเดียว ใช่ค่ะพระอาจารย์ก okay. <ination noises> oh, ็โอเคก็บอกมันก็นึกถึงคําสอนพระอาจารย์โอ้จริงแท้เลยจริงๆเลยค่ะใช่เขาเดือดร้อนช่วยเลยพระนายเช่วยเลยก็ไปเลยที่ยุงไม่ต้องให้ร้อยเขาบอขอร้องก็ได้ใช่ค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็อีกคําถามนึ่งค่ะพระอาจารย์คือลูกสาวเ้าถามบอกว่ามาม้าจิตของพระอรหันต์คือยังไงเออโยมบอกว่าคือถ้าเป็นถ้าสําเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยคือว่าท่านจะนิพพานก็คือท่านท่านจะไม่เกิดแล้วคือท่านจะไม่ ท่านจะไม่สุขท่านจะไม่ทุกข์แล้วก็แล้วก็รู้สากอะแล้วอันนี้เออแล้วท่านต้องคนเราต้องเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเป็นทุกอย่างแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นนิพพานเนี่ยจิตจะล่องลอยเหรอคะอะไรเงี้ยโยมก็จะบอกจะตอบลูกไงให้เขาเก็ทให้เขาเข้าใจง่ายๆค่ะพระอาจารย์รรต้ อ, ตอตเป็นทวดาเป็นเทวดาขั้นสูงสุดน <Okay S 2> ะเพราะมันก็จะแล้วจิตจิตของบ้านก็เป็นจิตของเทวดาที่ได้ความสุขที่สูงสุดเนี่ พระอาจารย์เรนาน่มีหลายชั้นบอกเขามีมีดุสิตนีอะไรดุสิตมีจารุมมีอะไรเงี้ยท่านสงสุดก็โน่นนี่พานขั้นต่าล่ะค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ถือว่าเป็นถือว่าเป็นสวรรค์ได้ใช่ค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณค่ะเพราะว่าเดียวก็อาจะว่าจะเลว่าเขาแอบไปแอบไปดูแอบสงสัยแอบอะไรเขาถึงได้มาถามแม่คืออย่าแม้ว่าไม่มีสุกไม่มีทุกไม่มีศึก มีสุขมากไม่มีทุกข์เลยจิตสองบ้านนี่พานี่มีแต่สุขไ ม, มขอนนยอมไปข้อมูลลูกผิดได้ใช่แล้วก็แล้วก็จิตสองบ้านนี่ไม่มีความโลภโกรธเราบอกว่าอ่านี้ค่ะ เ, คเห็นอะไรก็ไม่โลภเห็นใครทําอะไรก็ไม่โรกรธได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ยอมขอเล่านิดนึงยอมไปเ อ, อ ถ, ถือถือศีลนะคะพระอาจารย์ก็ตอนยอมยอมยอมไปเข้าคอสสี่สี่สี่สี่คืนห้าวันแล้วก็ป็น ปกติโยมเวลาโยมเข้าห้องโยมจะไม่มีความรู้สึกเหงาหรือโยมจะปกติมากโยมเข้าคอร์ส8วัน2 2รอบที่วัดมเหยงค์ครั้งหนึ่ง8วันแล้วอีกครั้งหนึ่งก็ที่ยุวพุทก็8วันใช่ไหมคะพระอาจารย์ซึ่งโยมจะปกติมากแบบโยมโยมโยมจะไม่มีอารมณ์นี้แต่ครั้งเนี้แปลกมากเลยพระอาจารย์แบบพอยมลากกระเป๋าเข้าห้องพระอาจารย์ มันมีความสึกว่าโยมเหงามากโยมเหงาแบบสุดขั้วเลยพระอาจารย์เกิดมาโยมไม่เคยรู้สึกเหงาแบบนี้ใช่ไหมครพระอาจารย์ในขณะที่เราเหงา่ะค่ะอยู่ๆมันก็มีความคิดขึ้นมาว่าเราเราเกิดมาตัวคนเดียวแล้วเราไปแล้วก็ไปตัวคนเดียวแล้วเราจะไม่มีความรู้สึกนี้ทําไมเราจะมาเหงาทําไมแล้วพอพอโยมมีความคิดอย่างเงี้ยความเหงาของโยมตัดชุบเลยคะ่ะพระอาจารย์มันหายปิดทิ้งเลยคะ่ะใช่เพราะตอนที่มันเหงามันมันมันยังติดเพื่อนติ ด, ดคนนั่นติ ด, ดคนนี้อยู่ อย่างว่าเราได้สติปัญญาขึ้นนะอย่างนันเราต้องอยูบคนเดียวนะใมันก็เลยตัดได้ค่ะนี่เขาเรียกว่าปัญญามันมาสองนะคะปัญญาแต่แต่ไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งใช่ไหมคะก็ปรุงแต่งแต่มันปรุงแต่งในทางดับความทุกข์ถ้าปรุงแต่งไปในสร้างความทุกก็เรียกว่ากิเลสมันก็ตัวความคิดปรุงแต่งตัวเดียวกันเนี่ยขึ้นว่าเราจะคิดไปทํางไหใช่ค่ะคิดไปทางปัญญามันก็ดับทุกข์ คิดไปทำกิเลสแล้วก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาใช่ค่ะจะหายไปเลยค่ะอยู่นึกคิดว่าในเมื่อเรามาแล้วก็มาคนเดียวไปแล้วก็ไปคนเดียวเราจะมานั่งคิดนี้ทำไมอันนี้จังทุกขังอนาตาทุกอย่างมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่สามารถควบคุมไม่ใช่ของเราใช่ค่ะคําสอนพระอาจารย์ขึ้นขึ้นแล้วก็ตัดจุ๊บหายทันทีแบบไม่มีเยื่อใยของความเหงาเลยพระอาจารย์ปกติแบบกลับมาเป็นปกติดีมากค่ะในงานที่มีอารมณ์อะไรก็ใช้ปัญญาดับมันได้ได้ค่ะ ค่ะทุกวันนี้เห็นหน้าพระอาจารย์ทุกวันเลยค่ะแต่ว่าทุกวันฟุตต้องตั้งตารอว่าต้องเข้ามากราบพระอาจารย์ได้ยินเสียงพระอาจารย์อย่างเงี้ยโอเคค่ะอเคเหมือนเหมือนเด็กนักเรียนเลยค่ะว่าออ้วันนี้วันฟุตวันนี้วันฟุตวันนี้วันฟุตค่ะพระอาจารย์โอเคดีอย่างนี้เรียนห้าอย่างนี้เรียนวันฟุตค่ะพระอาจารย์ค่ะกราบนรัตการค่ะคุณน้อยน้าทูตคุณน้อยน้าทูตจากกอตมอกราบนรัตการครับนะ ข้างนั้นแบบสามวันสองวันเป็นยังไงบ้างดีครับกลับมาก็สบายครับงั้นเจ็บมันก็มันก็มันก็เป็นอุบาขาครับก็มันก็นิ่งๆไม่ปิดมันก็มันกลับมาก็ได้ระเวลที่เรามีครับอแล้วเดี๋ยวสภาพมันก็จะหายจะหาก็จะหาใช่ครับเพรมันต้องกลับไปใช่ไหมใช่ครับนอกจากถ้าเราใช้ปัญญาถ้ามันถึงจะไม่หายถ้ามองเห็นก็เป็นตายตล้าก็มันก็จะ มันก็จะแน่นครับครับแต่ก็ ต, ต, ต, ต, ต, ติดนะครไปแล้วมันก็กลับมาแล้วก็ ม, กมันก็ไม่ค่อยไปยุ่งวุ่นวายอะไรแล้วก็อยู่ของเราสงบสงบแล้วก็วววสบายครับนะฮะดีครับนะไม่มีอะไรใช่ไหมวันนี้ไม่มีอะไรครับเราคําว่าฟังธรรมมามาฟังจากคนิดใคครับยิไปที่คุณคุณย น, นุยนะโอ้หรอจา ร, ร ย, ย์ผิดกระคอไปด้ยอยู่ที่ไหนจากธรรมศาร์นะคะอาจารย์หนุ่มกรุงเทพค่ะ คุณดังเล่นได้คุงเนไอยู่กรุงเทพค่ะพระาอาจารย์มีคำถามอะไรไหมเออหนูเข้ามาฟังค่ะแต่จะมารายงานจากการปฏิบัติที่ฟังพระอาจารย์ก็คืออยู่กับคุณพ่อที่สูงอายุแล้วก็เริ่มมีโรคประจําตัวครับตอนนี้คุณหมอวินิจฉัยว่ามะเร็งตับเนี่ยกลับมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรากลัวมากกลัวการพัฒนาหนูก็พยายามเอาธรรมะ ข, ของของหลวงพ่อค่ะมาสอนแต่มันก็คุมใจไม่ค่ยอยอยู่สุดท้ายเลยหนูก็พยายามท่องว่าดินน้ําลง ถูกไหมคะทุกอย่างไม่กด้น้ำนมไฟเป็นธาตุธาตุสี่ธาตุหกนี้เดี๋ยวก็ต้องยากออกจากกันแบบไปเราจะพยายามเอาคําที่พระอาจารย์นะคะคมาแล้วรู้จิตตองแต่ความกลัวมันเยอะมากคะ่ะอาจารย์ก็ใช้พุโทโนหยุดมันก่อนก็ไดนะ้ใช้ทำใจให้สงบก่อนแล้วมันจะทําให้ไม่ปวดค่ะใช่คะ่ะจะพยายามปฏิบัติค่ะพยายามทําจิตให้สงบแล้วพอใช้ปัญญาแล้วมันก็จะ มันก็จะไม่กลัวคะแต่ถ้าไม่มีไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีสติมีแต่ปัญญามันก็ยัง ก, กลัวได้อ๋อต้องมีสติลงค่ะนั้นมาฝึกสติพุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิดูลมหายใจไปให้จิตมันนิ่งแล้วพ อ, อ, อจากควานิ่งมา อ, ออกจากสมาธิมาพอพิจารณาว่ามันเป็นเพีงเดินด้ามลมฝันมันก็จะมันก็จะเห็นชัดแล้วก็จะรู้สึกสบายคะ ไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นแบบธาตุทั้งหกที่มารวมตัวกันได้หนึ่งอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วที่ปด้พูดคุยในรายการเขาคุณหมอวีรพันธ์นั่งใจแล้วก็ธาตุสี่ใจแล้วก็เป็นธาตุที่ห้าแล้วก็อยู่บนอวตาสัทธาอยู่บนอากาศเทคนี้ก็ช่วยใจได้เยอะเลยค่ะหลงพ่อ<ต>ทุกคนเห ม, <า>มือนกัหมดพวกเราทุกคนเหมเรื่องหมดเป็นธาตุหกได้หนึ่ง มันวมตัวกันแล้ ว, วก็แยกทางกันไปแล้ธาตุนู้ก็ไปหาธาตุสีใหม่ไปหา่ามกายใหม่ไปเกอะใหม่ได้พ่อใหม่ได้แม่ใหม่แล้วก็เป็นทุกข์กับพ่อแม่ใหม่ถ้ารู้ว่าเป็นธาตุสีมันก็แยกธาตุทั้งอกมันก็จ ะ, 6, ม, จะมันตอบแล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับอะไรขอบคุณครัอ า, าจารย์จักรหมันปฏิบัติค่ะ อนะอย่าลืม ส, สติสมาธิและปัญญานะอยาให้มันให้มันได้ครบทั้งสามอย่างแนละ้วมันจะสมบูรณ์โอเคนะค่ขะขอบคุณค่ ะ, ะายตาคุณกันกาพันะใช่ไหมคุณกันการพัด เ, เดี๋ยวข้ามคุณเดีวดวไปที่คุณปางว่าอะไราก่อนดีกว่าขนะ้าคุณปงว่าอะไรปางว่าอะไรใช่น้าสการเจ้าค่าะก็ว มีอะไรไหมมีเจ้าค่ะอ่ากันบ้านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจ้าค่ะที่พระอาจารย์ลองให้ให้เอากับข้าวมาคนกับข น, นมอะค่ะวันนี้ก็ได้ลองเพิ่งเพิ่งจะลองเมื่อกลางวันเนี้ยค่ะก็แต่ว่าเอากับข้าวที่เป็นเศษเหลือจากตอนเช้านะคะมาะมาทาแล้วก็านนมาคนกับกับข น, นมเค้กโรที่เหลือจากถวายพระเมื่อเช้าอะค่ะปรากฏว่าพระอาจารย์มันมันก็อร่อยนะคะ เอาง่ายห็ม่เปไรท้องมันกินอะไรก็ได้คือเป้าหมายก็คือต่อไปอาหารมันจะมาในรูปแบบไหนก็ช่างมาเพราะมันรสชาติมันก็ไม่เปลี่ยนใช่ไหมมันเพียงการรูปท่านเองค่ะแต่แต่หนูก็ว่าหนูจะลองเอาที่มันแบบยากๆเช่นแบบของเหลวๆมารวมๆกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วลองคนทานดูเออคือเป้าหมายก็คือให้เรากินอะไรก็ได้กินง่ายๆค่ะไมจ่จุ๊จี้จุกจิ้ไม่ต้องเป็นอาหารอย่นั้นอาหารอย่างนี้ แล้วต้องแยกออกจากกันอะไรอของหวานของเวลาของหวานก็ไม่ให้ของขามาแตะไม่หมดมีในบานเดี๋ยวมันก็ไปลงมาันในทอ่อแมยที่แต่งภาพที่มันอยู่ในทอ่อหนึ่งขอขอภัยพระอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งค่ะคือปกติเราก็เหมือนที่พระอาจารย์อ่าได้พูดถึงพี่ท่านหนึ่งที่อ่าเมื่อประมาณสองสามท่านนะคะ่ะดูก็พิจารณาเหมือนเราเข้าห้องน้ําค่ะเราก็พิจารณาถึงอุจจาระราด้วยแล้วก็ดูว่า มันมาอาหารอุจจาร ะ, ะ, ะก้อนนี้มันมาจากอาหารประเภทอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คื อ, อสังคมพิจารณามันมันคืออาุูผักพิจารณาใช่ไหยคะปฏิกูลได้เขาปฏิกูลสมบูปก็อ๋อค่ะ ก, ก, ก็ก็คือสามารถทําได้ด้วยเช่นกันก็พิจารณาเพื่อให้เราคลายความอยากกินอาหารให้ให้กินอาหารแบบกินยาถึงเวลาก็กินแล้วลไม่ถึงเวลาเพาะไม่มีความคิดที่อยากที่กินมัน แต่ถ้ามายังมีอยากอยู่กินเสร็จใหม่ๆเดี๋วอยากกินด้วยกินนี่ต่อเงี้ยก็ต้องใช้วิธีกําจัดมันตอนนี้เขากินน้อยๆแล้วจ้ะค่ะส่วน เ, เมื่อสักครู่เนี้ยค่ะก็ได้ปรึกษาลูกสาวเรื่องการเรื่องเรื่องของความฝันเมื่ อ, อเขาพ่ฝันฝันร้ายมาแต่เราก็พูดถึงว่าพยายามให้เขาฝึกสปิเยอะๆอย่าเงี่ยค่ะจะได้ไม่ต้องฝันฝันไม่ดีหรืออะไรเงี้ยค่ะ ได้ส่วนฝันไม่ดีนี่เกิดจากบาปต้องบอกเ่าว่าอย่ า, าทำบาปทำแต่บุญต่อไปถ้าฝันก็จะฝันแต่ฝันดีค่ะ ข, ขอบคุณเจ้าค่ะโอเคครับไี่คุณสอนดวก่อนนะเมื่อกี้กล้าคุณสอนดวงนะสอนดวงพรเด น, จ า, านาเจารย์สวรนาเขตอาจารย์อาจารย์นรัชการมีอะไรมั้ย ไามา่มีคกาบแล้วก็เข้ามาเรื่องฟังการโอเคงั้นตอ้ก็ไปที่คุณกันกันพัฒนได้ลใช่อยู่ที่ไหนค่ะอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่กาลสินค่ะอาจารย์กาสิา<ห>นเด้อมี<ห>่ายไที ไ, ได้คาตอบมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ความคิดตอนนี้ช่วงนี้ก็เริ่มเอาอยู่แล้วค่ ะ, ะาอาจารย์ถ้าไม่มีสาระมรตกุล ว่าตอนนี้ก็ตั้งใ จ, จเจริญสติแต่ว่ามันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยู่ในใจคือถามว่าถ้าเกิดเราเคยเคยเคยผิดศีลหรือปฏิบัติผิดพลาดผิดเบียดเบียนผู้อื่นเย่างนี้แต่แจ่ในใจคือเรารับรู้ค่ะอาจารย์เรายอมรับยอมรับในความผิดนั้นแต่ว่าการยังยังยั ง, ย, งยังมีสิ่งที่จะมากระตุ้นคือมาตอกย้ําเราอยู่ว่าเราทําสิ่งนั้นเราทําสิ่งนั้นอย่างนี้ค เ, เราจะทําใจกับสิ่งนี้ยังไงคะ ก็บอกว่า ม, มันเตือนใจแล้วว่าต่อไปเราอย่าทําอีกเลยเราตั้งใจว่าเราจะไม่ทําค่ะเพราะว่าคนคือยังมีคนที่จะมาซ้ำซ้ำอยู่ในสิ่งใ น, ในเรื่องเดิมๆที่เราทํอยางนี้ค่ะเราก็าห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาปล่อยเขา้าว่าไปเราทําใจเฉยๆไม่ได้ก็อุ่นอย่างเลือก<ะ>ที่เป็ น, นที่เป็นในใมุมมองที่ดีก็คิดว่าเข้ามาคอยเตือนสติเรา อ่าใช่ใช่ค่ะเราต้อง<ก>พยายาม่จะขอบใจเขาว่าดีสาธุนะที่ยังคอยเตือนเราอยู่อ๋อใช่ค่ะค่ะสาธุค่ะถึงว่าความคิดความคิดเริ่มเอาอยู่สติเริ่มมีปัญญาค่ะแต่ว่าเริ่มภาวนานี่ยังยังยังพอพอได้ภาวนาพุทโธปุความคิดจะไม่มีออกไปค่ะแต่แต่มันวูบเลยค่ะว่าจันเหมือนน่ะคือหลับเหมือน ร, รู้ลุติดใช่ค่ะอาจจะต้องกินอาหารให้น้อยหน่อย ลุกขึ้นมาเดินก่อถ้าหลับหรือต้องเลือกเวลานั่งเวลาที่มันไม่ง่วงเช่นบางทีตเช้าขึ้นมาใหม่ๆนี่มันจะสดชื่นเราดันต่อเช้ามืดตอนที่เราเดินอใช่ค่ะเพราะว่าพอพอคนนี้พนรู้สึกว่าตนนัวเองนี่เอ้อมันวูบมันหลับอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่อยตั้งใจว่าจะแค่จะปลุงสติให้ได้ก็ไปเดินก็ไปเดินจงกรมพอเดินแล้วมันเหมือนมา แค่แค่แค่คุมความคิดอยู่ค่ะแต่รู้แน่ว่ามันยังไม่รวมไม่นิ่งแน่นอนเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมาลองนั่งดูค่ะอาารังนั้นอยากจะต้องเปลี่ยนเวล า, อ ย, าอย่าไปนั่งตอนที่เราตอนก่อนจะนอนนี้มันมัทถึงทำงานมาเหนื่อยทั้งวันแนคะ่ะ ใช่คะ่ะอาจารย์กินอาหารเย็นด้วยมันก็ยินทําให้ตั้งใจจะงดเลยคะ่ะว่าจะแบบไม่ได้เลยะเพราะว่าทานมาตลอดเลยก็ก็มีมีความคิดหนึ่งค่ะว่าจะงดทำมือเย็นก่อนคะ่ะเ อ, เอามเอนวดม่เย็นไปก่อนแค่สองมือก่อนอ่าค่ะแล้วจะช่วยได้เวลาเรานั่งสมาธิตามเย็นตามค่ำค่ะแล้วถ้ายังไม่ได้ก็ช่วงเช้ามือที่เราเตื่นขึ้นมาเนี่ย คอคิดว่าจะเป็นช่วงเช้าเหมือนกันแต่ว่าพอตื่นมาก็ได้เป็นมันน้างหน้า้าตาลกมา้างหน้าล้ า, นานลตาอ๋อค่ะนึกว่าต้องล้างหน้าลา้างตาก่อนที่เราลงจัดเตียงจัดที่น อ, อ, อน้ไมันยังมันยังไม่ตื่นเต็มที่ไงอง้งเอานา้ำ เ, เย็นมาปกาุกเลยอ๋อค่่ค่ะหมดไม่มีคำถามแล้วค่ะอาจารย์โอเค เห็นไปที่คุณพัฒนเดชพัฒ น, นัยด้านไหนว่าไงตอนนี้มาใั้เฉยๆหรือมีคำถามครับม่ีคำถามครับไม่มีนะโอเคเป็น ร, รมราชิกวัยน้อยที่สุดในในอ้องนี้ปีครบรอบเท่านี้สิเอค ร, เครับเจ็ดครบเปลอ1สิบเอ็อ่าสิบเอ็ ทำไมถึงเข้ามาไม่ถูกถูกคูบังคับและถูกพ่อแม่บังคับให้เข้ามาแบบนี้ไม่ถูกบังคับเลยครับเชอบเข้ามาเลยชอบเข้ามาครับเพราะอะไรนะผมชอบฟังธรรมะครับอตอนที่ผมไปอยู่วัดนี้ผมฟังเ อ, อหลวงตาทุกวันเลยครับอแสดงว่ามีของเกับติดเยอะนะ พยายามพยายามทำไปเรื่อยๆนะหลังแล้วหาดไปนั่งสมาธิอยู่นะนั่งดูลมหายใจไม่นั่งพุดโทพูดโธไปนะนั <ไป S 2> ่งว่างเปล่าได้ทดรับนั่งไหมยแต่ผมผมมีสิ่งที่ติดผัดดูตอนเวลาที่ผมพุโทโธนะครับผมจะไม่มีจิตนะครับคืว่าม่มจไม่หนิงนะครับ ก็ยังมันไม่นิ่งใหม่ๆยังไม่นิ่งครับพูดโทรไปเรื่องๆยังไมก็จะนิ่งมันไม่นิ่งแต่แต่ถ้าผมดูลมนะครับมันจะนิ่งครับงั้นก็ดูลมแทนก็ได้ดูลมแทนไม่ลอาพูดโธก็ได้ดูลมอย่างเดียวครับนะดีท่านดูลมหนิ่งใช้ใช้การดูลมแทนได้นะสลับกันเปลี่ยนกันได้โอเคนะา คุภาพการนักการครับคุณโจ้น้องทายเช่ไหมน้องไทยเหรอครับอาจารย์ <c oughs> ไม่ไม่มีคําถามจะถามครับอาจารย์ครับผมเพราะว่าอก็ได้เอาไปปฏิบัติตามที่พระอาจารย์บอกก็ก็มีแต่มันก็ไม่มีคำตอบข <c oughs> อาอา <ไป S 2> จารย์ครับ <c oughs> อยู่ที่ไหนยอยู่น้องไ <c oughs> ทยเหรอ ครับอยู่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายครับผม ค, ครั บ, รบรับปฏิบัติไปก็มันก็รู้ก็เห็นอยู่ติดขัดอะไรพระอาจารย์ก็ก็เล่าก็บอกมาหมดแล้วครับผมก็ ừ, ไปปฏิบัติต่อไม่มีอะไรที่ทติดครับผมโอเคโอเคอะที่ปุณกายพิสตากายพับตาลำปางกายพิสตาลำางอยู่ลำปานั้นเชื่อนะอยู่ก่นอนธรรมะไหมครับ คุณการยื่นเปิดไม่ได้ยังยังไม่เปิดภาพนิ่งไปแล้วเป็นหน้าจอฟรีสกันอ่ามนว่าสัญญาไม่ดีอ<ะ>่าเดี๋ยวงี้ก็ข้ามไปก่อนนะการไปทีุ่ณสุภัฒนาจากเด l ัสแท็กซ์ดีมากไกลไกลกว่าแต่สัญญาณกับดีก่า <S <S ขอ น, นกกามสกุลพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามวันนี้เจ้าค่ะขอร่ว<า>มความไม่มีเจ้าค่ะ <Okay. S 2> ขอร่วมฟังก็ค่ะยัยไปนี่คือประพันต่อประพันธ์อย่างผู้แข่งมุสกาไราดได้ป้าจันท์ครับเป็นยังไรมีคำถามอะไรไหมมีครับถามเรื่องสินนะครับการถือสีลที่ยังทียังไม่บริสุทธิ์นะครับอถือสีนที่กายกับวาจาได้แต่บางครั้งนี่อาจจะอ่าบางครั้งอาจจะเรื่อง ใจอะครับอพราะว <Okay. S 1> ่าใจไม่ไม่ใช่ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกับสี่ถ้าเราไม่ได้ทำํำหรือพูดนี่ก็ถือว่าเรายัางรักษาสี่ไม่ถือว่าเป็นบาปนะครับถ้าเราปิดสิ่งที่ใจเป็นอกุศลแต่ยังไม่เป็นบาปเป็นแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำบาปแต่ยังไม่ไม่สมบูรณ์ถ้าคิดแล้วก็แล้วค่อยไปทำเนี่ยทันที่ะจะเป็นบาปเช่งคิดจะไปเดิมเล่าแล้วก็ไปเดินเล่า แต่ถ้าคิดว่าจะดื่มหน้าแล้วเราไม่ดื่มนี่ยังไม่ถือว่าผิดศีลอย่างใดแต่จะทำจะเมื่อกี้ว่าจะดื่มแล้วเราดื่มไม่ดีอย่าดื่มนันดีกว่าแล้วคิดแค่มันก็จบให้บาดแต่ถือว่าเป็นการถือศีกไม่บริสุทธิ์นหมครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวศีนอยู่ที่กายกับวาจาล้ถ้าไม่ค่าไม่นับถ้าไม่มาพูดผิดตัวอะไรนี่ไม่พูดปลดไม่ดื่มชลายยาบางก็ถือว่าบริส ถึงแมนจะคิดว่าจะฆ่าเห็นเห็ น, มนแมลงเข้ามาก็อยากจะตกมันอะไรแต่ไม่ตกมันก็ถือว่าไม่ผิดศีลอยู่เห็นของของเพื่อนว่าชอบอยากจะได้แต่ไม่ไปหยิบม า, านี้ก็ไม่ถือว่าผิดศีลซึ่งก็ถือศีลอย่างนี้เอคือผิดที่ใจแต่ว่าไม่ผิดวาจาผิดกายนี่แล้วต้งไปภาวนาต่อในถึงจะถึงจะไม่ผิดถึงันแก้ความผิดที่ใจไนดะ้ต้องใช้สติอยู่ เราไปคิดว่าจะขโมยของเขามาพูดโท้พูดโท้แต่โดยใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันไม่ใช่ของเราแต่ใแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวจะทุกข์เนี่ยทางใจนี้ต้องใช้การภาวนาใช้สติใช้สมาธิและปัญญาทางกายทางวาจาก็ใช้สิ่งเป็นตัวนะครับครับสอบถามเรื่องกันเรื่องสมาธิครับเวลาเรานั่งนะครับขัดสมาธินะครับเอ่อ กับการนั่งบนเก้าอี้ปกตินะครับนี่ผลต่อการทําให้จิตรวมไหมครับห ม, ม่มันไม่มีหรอกแต่ถ้านั่งไปนานๆนี่มันนั่งบนเก้าอี้มันอาจจะทําให้โค้งไปโค้มาได้แต่ถ้านั่งขัดสบายกับพื้นนี่ยมันมันจะทําให้มันไม่โผทําให้ร่างกายตั้งมัน่นแต่มันจะรวมไม่รวมมันไม่ได้อยู่ที่ที่นั่งซัก นั่งเกาอีหรือไมันั่งเก้าอีมันอยู่ที่สติถ้าสติ ด, ด, ด, ดีนั่งตรงไหนก็รวมได้คือบางทีไม่นั่งก็ได้เดินยืนเฉยๆก็รวมได้สําหรับคนบางคนไม่ได้เกี่ยวว่าต้องนั่งขัดสมาธิกายตรงดํารงจิตมั่นอะไรกไมไ่เกี่ยวใช่มครัคือโดยดตามหลักการปฏิบัติมันควรจะนั่งแบบนั้นเพราะว่ามันจะทําให้เราปฏิบัติได้ดีกว่าการที่เรานั่งเก้าอี เหมือนเล่นกีฬาเนี่ยมันเน่นกีฬาเช่นตีเทนิสเนี่ยก็จะมีวิธีจับไม้ใช่ไหมเราจะจับแบบวิธีที่ถูกต้องไม่ไม่ถูกต้องมันก็มีผลต่อการตีเทนิสของเราครับอันนี้ก็เหมือนกันการนั่งสมาธิขัดสมาธิการนั่นงขีันก็มีผลต่างนะในในระยะยาวแต่ในระยะสั้นๆนี่มันอยู่ที่กำลังของสติ ในระยะยาวยังไงครับอาจารย์ครับก็นั่งนานๆเนี e ้ยใช่ไห oh มบางทเราอย่ห้าหลายหลายชั่วโมงเงี้ยแต่ล้วนั่งแค่สิบ้านาทีก็ยังมองที่มันก็ไม่ต like mm ่างกันเท่าไหร่บางทีมันมีอาการเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นเงี้ยครับก็เลยเก็ไม่ถ้านั่งขัดสมาไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วก็นั่งค่อยๆไปครับได้แต่ต้องมีสติมันถึงจะได้ผลนะครับ การให้สิ่งที่เขาชอบนะครับถือเป็นเมตตาใช่ไหมครับแล้วก็อยากให้เขามีความสุขไหมใช่ไหมเราไปให้สิ่งที่เขาไม่ชอบนะก็ไม่มีความสุขแล้วก็ไม่แล้ก็ไม่เมตตาครับแล้วเห็นเขาเดือดร้อนเราก็ช่วยพอช่วยได้เราก็ช่วยนี่ถือเป็นกรุณนาไหมครับใช่กรุณาให้เขาพ้นทุกข์พนจากความเดือดร้อนก็คือเมตตากรุณาต่างตรงที่ว่าเขาเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับใช่เมตตานี่บางทีเขาไม่เดือดร้อนอกเพียแต่ว่า แล้วส่งความสุขให้เ้าเหมือน ส, ส่องซอกระซอ่เนี่ยสอกระอ่ไม่ว่าส่งความสุขใช่ไหมรเราเจอเขาเราก็ยิ้มให้เขาทักทายเขาสวัสดีเขาอะไรไปก่อนแทนที่จะร้อยเขาว่ายแล้วกันเราก็ว่ายเขาไปก่อนเนี้ทำให้แฮปปี้แล้ใช่ไหมอันนี้คือเมตต า, มตา เ, เมตตาแถลงก็เป็นเมตตาถ้าใส่บาก็เป็นเมตตาไปครับก็เป็นทั้งกัมุนาด้วยเพราะพระอดอดขอ้าวทําไม่ใส่ไม่มีข้าวกิน ใส่บาทเพื่อให้มันทาวความหิวโหของของคนมาเป็นตบะครับสอบถามเรื่การเจริญสติครับที่เจริญสติแล้วไปถึงขั้นคั้นอิกะไปจนถึงขั้นปัญหาครับเวลาเราจะเจริญปัญญาคือให้ออกจากสมาธิขั้นปัาก่อนใช่ไหมครับค่อยมาเจริญปัญญา ค, ครับใช่ต้องกลับมาตามขั้น ตอนเหมือนตอนที่ก่อนที่เราจะนั่งสมาธิตอนตอนนั้นเราก็คิดปรุงแต่งได้ครับแต่เวลาเข้าไปอัปปนาสมาธิแล้วมันจะนิ่งมันไม่คิดปรุงแต่งถ้าเราไปดึงมันออกมาก็ทําให้เราขาดเราขาดทุนเพราะเรานั่งท่าตาเพื่อมันนิ่งแล้วพอมันนิ่งแล้วเราก็ไปดึงมันออกมาเองไม่ควรเวลาถ้าจิตอยู่ในสมาธิเวลามันนิ่งอย่าไปดึงออกมาพิจารณาปัญญารอให้มันออกมาจากสมาธิก่อนแล้วค่อยไปพิจารณาปัญญาต่อ ให้มันออกมาเองใช่ไหมครับใ ช, ใชแแ่แล้วนั่งพอแล้วมันอิดตัวแล้วนั่งมันนั่งไม่ไหวแล้วมันอยากจะลุกแล้วลุกขึ้นมานุกแล้วก็มาพิจารณาหน่ า, นากายว่าไม่เทีย่ยงเป็นทุกข์ไม่เยงเราพิจารณาใจรักไปเอได้ครับเรื่องพิจารณาเรื่องไหนก็ได้ที่มันที่ทําให้เราอย่างทุกข์อยู่ที่เราอย า, กกางกังวลอยู่พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นใจรักไปครับการนั่งหลับตาพุโทโธนี่เป็นการสะสมพลังจิตไหมครับ ก็เป็นงานสะสมสติอุเบกาเนี่ยพลังจิตเพื่อให้ได้สมาธิครับสมาธินี่คือพลังจิตปัญญาคือแสงสว่าง น, นำทาง น, นําพาจิตให้ไปในทางที่ไม่มีความทุกข์ครับพอการสวดในใจครับบางทีสวดไปแล้วจะรู้สึกว่าสวดเร็วได้ชรัเร็วไม่มีปัญหาแต่บางครั้งพอรู้สึกว่าพอสวดเร็วเนี่ย สติเราไม่ทันเราก็าเหมือนกันนึกคิดแล้วมันรู้สึกตัวอีกทีก็ค่อย <S <S สวดให้มันช้าหน่อยสวดให้มันช้าหน่อยนะรัส่วนในใจให้ช้าลงใช่ไหมครับเออสวดมันช้าอติติปิโสอักกวาเอาอาหารสัมมาเอาทีละคำทีไปก่อนนะแค่อิติปิโสคนเดียวแต่สวดวนปไปเรื่อยเรื่อยไ ด, ได้ได้ไหนแล้วนัไม่ได้แล้วพุทโธทเดียวไ้าเป้าหมายก็คือให้เราไม่ไปคิดเรื่องต่าง ขันห้าลูปพิธนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับเป็นของหนักอย่างไรครับอาจารย์ก็ต้องดูแลร่างกายเราเนี่ยเราต้องดูแลเป็นภาระในการเล่นเดินต้องหาข้าวให้กินต้องหายใจต้องอาบน้าต้องหาบ้านเช่าต้องอะไรต่างๆเ่็นภาระทันั้นถ้าไม่มีร่างกายก็สบายมีกตลภาละหันพิธนาสัญญาท่านไม่ต้องการถ้าไม่ใช้ใช้ร่างกายแล้ว แต่พวเรานี่รายังอาศัยร่างกายอยู่แล้วก็เลยมันจะหนักขนาดไหนก็ยินดีที่จะแบ่งเพราะเราอยังต้องอาศัยมันอยู่เราต้องใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่แต่สําหรับผ้าอาหารนี้ถ้าไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วถ้าตลาดยังต้องมั น, นลถลั่วการสลัดจริงก็คือการไม่กลับมาเกิดใช่ไหมครับใช่มันก็ไม่ไม่กังวลกับมั น, มนเล้ดูกันไปเหมือนเลงหมาดัวนร่างกาย รครับจะ อ, อยู่ได้ก็อยู่มันจะตายก็ปล่ามันตายไปครับสัปดาห์หน้าว่าจะไปปีกวิเว้สักเจ็ดคืนคับเพื่อการภาวนาครับอาจารย์คือสาธุครับในการปฏิบัติได้ในจารินสติอย่างเต็มที่อย่าไปทำอะไรอย่างอื่นนั่นไม่ดีเป็นเรื่องแรกปฏิบัติอย่างให้ใครช่วยไปทําอะไรอย่างไรก็ปฏิเสธเนื่องแต่ไปถ้าปีกวิเว้ได้ไปร่วมกิจกรรมตา่างๆได้ยิ่งดีนะนอกจากเรื่องกินแล้วนี่ย จากประสบการณ์ที่ผ่านมาครับก็จะเป็นแบบเนี้ครับพอตอนไปปิดวิเวที่ดิมากเลยครับรู้สึกดีมากๆแต่พอออกมาทํางานสักพักหนึ่งความรู้สึกดีดก็ค่อยๆเบาบางลงสติมันหายไปโมเดิร้ามันหายไปครับยังก็ต้องกลับไปใหม่แล้วเวลากลับมาแล้วก็ต้องหมั่นฝึกสติต่ออย่าคิ้ง เ, เราไปเราไปฝึกไว้เพื่อจะได้ให้มันติดกันนิสัยพอเรากลับมาทํางานแล้วก็ยังเอานิจใจนั้นติดตัวกลับมาด้วยนี่นะ การจาสติครับเับก็ตอักระอาจารย์ครับขนะากำลตาแล้วมาที่ปฏิ บ, บ <า S 1> ัตินีวัดตาการบติวัดตาครับโอเคขรครั บ, รบอ่าข่ตาคุณนึ่งที่ว่าใช่ไหมคคนงที่ว่า่นที่ว่า กรับนมรสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนีม้มีคาถามเหมือนเดิมเจ้าค่ะคเดมันสารคนยิรามายิรามายิามารกลับมมนมนรสการนะพระอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนอยู่กรมอครับผมมีมคาถามไหย ม, มีครับผ ม, บมเ อ, อ่อการสวดมนต์ถือว่าเป็นภาวนาชนิดหนึ่งใช่ไมครับผมเป็นการเจริญสติครับ สามารถที่จะเกิดเอฌานได้ไหมครับจากการภาวนาจากการสวดมนต์นะครับไม่ได้หรอกต้องหยุดต้องหยุดสวดแล้วมาดูลงต่อครับเป็นการช่วยมันช่วยลดความฟุ้งซ่านเป็นการเพิ่มสติแต่มันจะไม่สามารถเข้าถึงขั้นฌานได้เพราะมันยังมีความคิดจากการสวดมนต์อยู่ครับต้องหยุดสวดแล้วมาดูประไมายจแทนหรือถ้าจะถ้ถ้าจะสวดก็ใช้คําว่าพุโทโธคำเดียว ทีนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบว่าการทำสมาธิเนี่ยเป็นการวิ่งแข่งระยะยาวการาสวดมนต์และการเดินโย ก, กมนี่ถือเป็นการวอร์มอัพก่อนลงแข่งได้ไหมครับถ้าการแข่งการมาเป็นการเอาชนะกิเลสก็ใช่ก็ต้องมีสติในสมาธิเป็นเครื่องวอร์มอัพแ ล, แ, ลแล้วต้องมาใช้ปัญญาถึงจะสามารถที่จะกบจัด ก, กิเลสต่ า, างๆให้หมดไปจากใจได้ครับ ทีนี้ถ้าเกิดสวดมนต์ก่อนแล้วเดินจงกรมก่อนที่จะนั่งสมาธิจะทําให้เกิดผลมากกว่าจู่ๆไปนั่งสมาธิเลยไหมครับก็ก็อยู่กับกำลังสติของเราถ้าเรานั่งได้เลยก็ไม่ต้องไปสวดไม่ต้องไปเดินก็ได้ถ้านั่งเราดูลมได้จิตเข้าสู่ความสงบได้ก็ไม่จำเป็นไม่ต้องไปสวดไม่ไปเดินจงกรมครับแต่ถ้านั่งแล้วจิตคุ้งซ่าไม่ยอมอยู่กับลมอากาศแล้วต้องใช้การสวดมนต์ช่วยดึงจิตกลับมาก่อน อาจารย์ครับเพราะระหว่างประวังคาวังคาบาทกับปวังคจารณะนี่มีความแตกต่างกันยังไงครับอันนี้เราต้องขออภัยนะเราไม่ค่อยจะไม่เรื่องเกี่ยวกับคําต่างๆนนี้ปวังเรนก็รู้ว่ามีอยู่สองอันนะ่ะมีฝั่งวังสมาธิกับปวังหลับต่างกันตรงที่มีสติแล้วไม่มีสติออ๋อครับจิตสงบแล้วไม่มีสติก็หลับไม่รู้รสึกตัว จิตสงบแล้วมีสติจะรู้สึกตัวว่าตอนนี้จิตเราหนึ่งสงบมีความสบายใจยนี่ก็เรียกว่าสมาธิครับผม อ, อ, อาจารย์ครับเ อ, อคนที่มีความละเอียดในการทํางานกับคนที่มีความละเอียดที่น้อยกว่านั่นบ่งบอกถึงเการฝึกจิตมาอย่างดีไหมครัมีส่วนฝึกในเรื่องของความคิดครับความคิดละเอียดเราเล่าข้อตวามคิดแบบไม่ แบบไม่รอบคอไม่ละเอียดผลงานก็ไม่อยาบที่ผลงานมันจะบอกถึงความความปรานีของจิตครับโอ้ครับ<ม>ครับครับพระอาจารครับการที่เราเห็นผู้ป่วยเนี่ยแล้วเราทำบุญทิธให้กับเจ้ากรรมในเวรของเขาเนี่ยมันจะช่วยช่ชวยบรรเทาขเขาได้ไหมครับไม่ได้หรอกเพราะว่า ม, มันมันเนคนละเรื่องกันนะ เจ้กรรมนายของเขาเนี่ก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะต้องเขาที่จะที่จะต้องรับวิบากของเขาเมเขาไปสร้างเจ้ากรรมนายเมยขึ้นใหม่ครับครับผมขอบขอบขอบคุณครัอาจารย์หมดหบดคําถามแล้วครับอาจารย์โอเคสาธุสุดท้ายขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับผมสาธุโมตระในที่คุณเมยตาบมยเมยอยู่เชียงรายรต่ก็กลับมาแล้ว อ๋อพระอาจารย์อย yeah. ู่เชียงรายค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้คนนั่นก็เราแหละค่ะขุนตาลผลขุนตาลผค่ะขุนตาลผลใช่ค่ะไปเจอที่เชียงรายค่ะไปเจอเกันได้หนูไปอยู่หนูขึ้นมาอยู่เชียงรายค่ะพระอาจารย์ก็คือมามาเป็นเด็กวัดเราดูว่าอยู่วัดเลยนะอยู่วัดเลยพระอาจารย์แล้วพ่ออยู่นะพ่ออยู่พระอาจารย์ก็เลยมา มันมันเหมือนอยู่เป็นกุฏิแบบคนเดียวแล้วก็อยู่กลางป่าเนี่ยค่ะพระอาจารย์ดีมากเป็นวัดเล็กๆแล้วก็หนูก็มาช่วยทําครัวช่วยแบบว่าทำเต<อ>รียม <ทำ S 2> อาหรให้พระอะไรอย่าอยู่เฉยๆอ ย, อยต้องทําตัวให้มันประโยชน์ครับสถานที่ที่เราค่ะพระอาจารย์ก็ทําตามที่พระอาจารย์บอกมาเลยคะ่ะหนูก็เลยลองมาเรามาเลย <laughs> อทําตัวเป็นแจ๋วนะมันเหมือนก่อนรับใช้เขาจะให้เรากินอะไรให้เราอยู่ตรงไหนก็โอเคใช่ค่ะอาจารย์ญญกข็ขอใหเรามีญญที่อยู่มีที่ปฏิบัติธรรมนั้นนะที่เราต้องการค่ะอาจารย์ก็เลยแบบได้ฝึกอีกแบบหนึ่งเลยเอนี่ยตรงโรงที่ไปไปสมับไว้ที่ที่นิวอัพลูกเลิกลูกเลิกไปแล้วเหรอไม่ไม่ไมคะ่ะก็ไปเดือนหน้าคะ่ะอ๋อไปเดือนหน้าครั้ น, นี้มามามาซ่อมก่อนนะ่ะ ใช่ค่ะแต่นี้จะเหมือนจะต่างตรงที่ว่าแบบว่าทีนนเ่เราไม่ต้องทําอะไรแต่ว่านี้เราต้องมาเหมือน <ทำ S 2> ช่วยงานช่วยงานบ้าก็เดในการฝึกฝึกการเสียสละนะมต้องยาวแต่เอาผลประโยชน์ของเราเปยนอย่างเดียวแล้วก็ต้องทําประโยชน์ให้กับมูื่นด้วยถ้าที่ถ้าที่จะเป็นก็เหมือนวันที่พระจันย์บอกเลยค่ะแล้วก็เราก็เหมือนมานอนมันก็มืดหมดเลย วันแรกก็เหมือนมีกลัวนิดนึงค่ะอาจารย์ก็เลยคางก็หายกลัวแล้วต่อไปก็ต้องออกมาข้างนอกไปนั่งข้างนอกนั่งพูระเบียงงนอกมดไม่มีไฟเลยค่ะอาจารย์ก็อยาเป็นไรเวลนั่งสมาธิก็หลับตาแาล้วก็ปอยนะอะไรมันจะม า, าให้มันมา <c ười> โอเคค่ะอาจารย์มันจะได้ก้าวหน้าเลย๋ได้ก้าวหน้าอพราากลัวมันจะได้พุทโธพุทโธพุทโธแล้วเจ็บก็จะเด่งเข้าสู่ขั้ท่หนึ่งได้ พช้พ <อ S 1> ควากลัวเป็นตัวบังคับเพราะว่ามาตรงนี้ก็ได้ฝึกความกลัวก็เยอะเหมือนกันค่ะพระอาจารย์แล้วหนูก็เหมือนคือแรกเหมือนพอได้ยินเสียงปุ๊บเราก็แบบกลัวใช่ไหมคะพระอาจารย์นหนูก็เลยฟังคลิปพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์หายกลัวเลยแล้วทีนี้พอเหมือนกับพอเสียงพอมันเผลอหลับไปใช่มาอาจารย์แล้วพอเหมือนเสียงพระอาจารย์มันมันหยุดไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นความว่าง ทีนี้ก็เลยเหมือนได้สติว่าที่เรากลัวเนี่ยเราแค่กลัวเสียงแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นก็ไม่กลัวแล้ยเราคิดปรุงแต่งให้มาเองใช่ใช่ค่ะอาจารย์โอเคก็จริงๆวันนี้ไม่ไม่ได้มีคําถามค่ะอาจารย์่าฟังถามก็จะให้อยู่นานเท่าไหร่อยู่ได้นานที่นี้ก็ก็อยู่ได้นานเหมือนกันค่ะคือหนูไม่ได้จองตัวกลับเลยคือยังคือคือขึ้นมาก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่า เขาจะยังไงแต่ว่าก็เหมือนขอเขาขึ้นมาแล้วเป็นเป็นป่าอหลืออยู่ในป่าเลยผักนะอาจารย์เ่อนป่าแล้วก็ก็เขาก็จะปล่อยให้เราปฏิบัติตามนลำทําไปไม่ต้องไปทํากิจไม่ต้องไปสวดมนต์อะไรรวมกันนะไม่ต้องทํำใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าก็คือเหมือนเราก็คือต้องช่วยเขาตื่นตีหก็คือไปช่วยทำขบค้าทเองเราเสร็จเร่อาหารแล้วก็ก็เป็นอิสระนะกลัไปปฏิบัติได้ ใช่ค่ะอาจารย์านดีก็คืาเป็นเสียค่าเช่าไปเสียเป็นค่าเช่าไปค่าเช่าค่าไปมานล้วก็กินอาหาจากของวัดไปใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ก็ก็ดีเลยได้ฝึกแบบว่าลองอยู่อัดเลยนะค่ะอาจารย์นี่เราแม่จะหาที่อยู่แบบนี้น่าจะได้อยู่นานๆได้อยครข้างหน้าวันก็อยู่ว่าพูนอาจจะเป็นที่เราไปฝึก แต่ถ้าถ้ารู้สึกว่าที่นี่ดีกว่าก็อาจจะขออยู่ที่นี่ไป น, นานๆเลยก็ได้อืมใช่ไหมไม่ต้องไปยุ่งวุฒก็ได้อืมแล้วอากาศหนาวนี่เราก็เราก็ทนไหวสู้กับอากาศหนาวได้ทนได้ค่ะอาจารย์ถ้ามันหนาวแล้วนอนไม่หลับเราก็นุกขึ้นมานั่งสมาธิแทนอ๋อโอเคค่ะอาจารย์นั่งใหม่ๆมันจะสั่นนิดหน่อย เ, ย เ, น, เ น, น, อนี่ยพอจิตนริ่มสงบแล้วมันก็ห้สั่น โอนั้นต้องออกไปข้า ง, ไ ป, างไปข้างนอกที่มืดๆใช่ไหมครับอาจารย์อันนั้นก็เรื่องความกลัวเรื่องความหนาวอยู่ในห้องมันก็หนาวไม่ใช่หรือใชค่ะไเผื่อเวลาอุณหภูมิมันลดลงวัน น, นี้เรานอนนอนแล้วจะไม่ได้ออกผ้าแล้วมันก็ยังนอนไม่หลับก็ต้องลุกขึ้นมาด้า น, นแตียอืมโอเคค่ะอาจารย์เขาก็บอกว่าเออจอ ให้อยู่ตรงนี้ไปเลยไหมเออมีท่ากี่รูปอ่ะมีค่ะมีค่ะมีท่าเยอะไหมประมาณหกลูกค่ะหกลูกแล้วมีสภาพสติมีปฏิบัติเยอะไหมไม่เยอะค่ะมีแค่จริงๆริงมีที่มีแม่ชีแค่องคองค์เดียวแต่วก็จะมีแต่ก็จะมีญาติโยมผัดเวงขึ้นมาปฏิบัติเลยเน่ยค่ะมาท่ากันเยอะไหมใช่กี่รูปทางเกินตสองเกิน มีค่ะมีค่ะก็จะมีแบบสามวันแล้วแต่ค่ะบอกบอกที่อยู่ได้นนอกอยู่ตรงไหนชื่ออะไรอยู่ที่เวียงเกี่ยงค่ะาอาจารย์อำเภออะไรนะอำเภออำเภอหนูไม่แน่ใจน่าจะบ้านเคียงมั้ค่ะบ้านเคียงเวียงเกี่ยงหาจากจเมืองมากไกลเท่ายจร่จุดวางที่ใกล้ที่สุดก็ชั่วโมงครึ่งค่ะอาจารย์ ตัวจังหวัดตัวจังหวัดเชียงรายเลยแ ม, ม่ค่ะคือเหมือนตัวเ ม, <า>มืองแล้วก็ขับมาอีกประมาณชั่วโมงนึ่งอะค่ะประมาณน่าจะชั่วโมงชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ค่ะตัวเมืองเชียงใหม่ชมชใช่ไหมเ ช, ชียงรายเชียงรายแล้วขับไปทางไหนทางเหนือทางตวนออกทางตกหนูไม่รู้ทางเลยค่ะพระอาจารย์หนูขอเขาติดรถมาอ๋อแล้วก็ขึ้นมาบนเขาเรอยู่บนเขาแล้วเนี่ย ใช่ใช่อารเป็นเขาแล้วก็มีเป็นป่าขึ้นมาเงียบใช่ไนหะเงียบทั้งวันทั้งคืนเลยใช่มใช่ใช่เงียบแบบว่า<ช>ตอนคืนคุณนะเป็นที่ปฏิบัติที่แล้วครูบาจารย์ัวน้าท่านสั่สอนอะไรไหมสอนค่ะก็สอนเยอะเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็เหมือนแบบสอนหลายอย่างเลยค่ะมีแบบเป็นหลวงพ่อลหลวงตาแล้ว่ายังไปด้านหนุ่มเนี่เป็นพ้าหนุ่มค่ะค่ะอาจารย์ สีิบห้าประมาณสี่สิบห้าท่านเป็นนักเสกของใครหรือท่านลงปู่คําสุขค่ะพระดานลงปู่คำสุข ค, ค, ค่ะแล้วก็สอนอ<ต>นอนคุตโตสติเหมือนกันใช่ไก็มีมีคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าจะมีแบบให้เริ่มจากสติเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเหมือนแบบว่าให้มีห้องแบบทายกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะโอเค เราปฏิบัติไปนะเราก็ปฏิบัติตามที่แนวที่เราศึกษามาก็ได้ไม่ต้องไปบอกเขาว่าเราปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้ถ้าเราถูกจเกจริญแบบไหนแล้วก็ปฏิบัติแบบนั้นไปเหตุไหมอาจจะไม่ตรงกับที่เขาสอนก็ไม่เป็นไรอ๋อค่ะอาจารย์โอเคไดค่ะอาจารย์คือวันนี้ก็มีประมาณนี้คะ่ะคี่ว่าจะอยู่ได้ น, าน่าเท่าไหร่น่าจะอยู่ถึงมกราเลยค่ะ แ ล, แล้วก็คงลงไปว่าจะลงไปชนบุรีวันไหนเขาจะกลับไปกรับพญาราคก่อนแล้วเข้ากรรมฐานเม่อไหร่สิบเจ็ดค่ะพญานาคโอเคสิบเจ็ดเจ็ดเดือนเลยนะ <laughs> เปลียนใจไม่ได้นะเข้าไปแล้วเกิดลวออกกางคันได้ป่ะลาออกก็คือเขาไล่ออกเลยค่ะาญานาคไม่กลับไปเ ก็คือเหมือนถ้าถ้าออกก็คือออกเลยนี่เป็นกฎของเขาครับอาจารย์ไปถึงออกเฉพาะช่วงนั้นไือว่าช่วงหน้าเรากลับไปใหม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่อ๋อไม่ถึงว่าครั้งหน้าใช่หมั้ย์ครั้งหน้าอันนี้ไม่รู้กันโอเคทำอะไรก็ทำอะไรก็อย่ายุบทงขาวนะไม่่ะทำแล้วก็ทำให้มันไปถึงจุดหมายไเป้าหมายให้ได้เจ็บเด้กก็ต้องอยู่ให้ได้นะ โอเคค่ะอาจารย์โอเคขอบ <Okay. S 1> <c oughs> ขอคุณค่ะ อ, อ, อาจารย์คนคนที่เดาคิดนะมีที่เดคิดใช่ไมคนที่เด e คนเด็กอ่ค่ะสวัสดีค่ะ ท, ที่ไหนอ่าเรียนอยู่อังกฤษค่ะอาจารย์ที่ก็เข้ามาที่ทำงานอยู่ในร้านนี้ เออหนูทางานจากแต่ว่าหนูก็ฟังได้ไม่เป็นไรวันนี้ไม่มีลูกค้าค่ะวันนี้ก็มาฟังคำมาฟังคำพิเศษค่ะไม่มีคำสามอะไรค่ะค่ะสวัสดีค่ะที่ซึ่กมลนัทกมลนัทอย่ที่ไหนซ่งกมนอยู่กรุงเทพค่ะเป็นนักเรียนใหม่ค่ะประมาณเดือนกว่าๆค่ะพระอาจารย์ มีคำถามเกี่ยวกับการนั่งสมาธิค่ ะ, ะเหมือนเป็นสภาวะที่ไม่เหมือนกันสักครั้งอะคะ่ะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันทาถูกหรือทําผิดหรือต้องทีแนะเพิ่มเติมปรับตรงไหนบ้างอะคะ่ะจะบ้างมีแบบเป็นสภาวะที่ถ้านั่งสมาธิครั้งหนึ่งเคยเหมือนไม่ได้เกิดจากการมีสติแล้ว แล้วก็เข้าสู่ผวังอ่ะค่ะเกิดจากการมีสมาธิในระดับหนึ่งแล้วก็นึกถึงภาพบางอย่างขึ้นมาค่ะที่เป็นคําพูดจากคนอื่นแต่แล้วก็ภาพนั้นเป็นภาพที่รู้สึกว่าไม่ดีแล้วก็เหมือนก็ตัดสินกับตัวเองว่าอันนี้เป็นมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาเองค่ะแล้วก็ภาพนั้นหายไปแล้วก็เหมือนตัวเองหยุดตกอยู่ในผวังแล้วก็ มันว่างเปล่าแต่ว่าเหมือนที่สูงอ่ะคะ่ะอยู่ที่สูงอันนี้ครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของเห็นแสงสีขาวอะคะ่ะแต่ว่าอันนี้เคยเห็นครั้งหนึ่งตอนเด็กๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นจิตคิดไปเองหรือว่าเกิดจากอะไรอ่ะคะ่ะแล้วเป็นไงวันว่างวันไม่ใช่หมอไหมนังบค่ะ แล้วมันสง บ, บมันว่างก็้ า, า้มันอยู่กับความสง บ, บกับความม่างนั้นไปนอันใก็แล้วกันวิธีเข้าไปมันอา จ, จะต่างกันอันนี้อาจจะเป็นของเก่าที่เราทํามาก่อนในอดีตก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีเลยเราก็ต้องใช้พุโทโธหรือใช้การดูลมหายใจเข้าอย่างเมื่อเช้าก็เป็นสมาธิแต่รู้ว่ายังไม่ถึงสมาธิที่เคยสงบที่สุดอ่ะคะ่ะแล้วก็ ก็ลองกลับมาดูลมดูลมนั่งดูลมดูลมหายใจเข้าแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ติดอยู่เมื่อคืนที่รู้สึกเหมือนไม่สบายใจนิดหน่อยแล้วมาพิจารณาจบว่าเป็นสิ่งที่เรายึดถืออ่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับเป็นสงบอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับไม่ได้เกิดจากการนั่งหายใจเข้าออกแต่บางครั้งก็มีบ้างที่เป็นหายใจเข้าออกแล้วก็เป็นแสงขาว อานทีก็ใช้ปัญญาปัญญาอบมสมาธิใช้ความคิดคิดแล้วทำให้จิตสงบได้ก็เรียกว่าปัญญาแล้วก็มีเมื่อวันศุกร์ที่ถามมาทางช่องหมอวีอะค่ะก็คือวันวันอาทิตย์ค่ะขอโทษค่ะวนันอาทิตย์ยตย<ม>คือบางครั้งก็อยู่ ด, ดีรู้สึกเหมือนเป็นเป็นท่อนที่ขาค่ะท่อน ไม่มีความรู้สึกขาแขนคือแต่ละครั้งเหมือนกับนั่งแล้วเรายังเหมือนเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นจุดเริ่มหรืออะไรที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสลับไปสลับมาเการ น, นอามันเป็นวิถีทางที่เราเคยทํามามันเป็นอย่างเงี้มันเป็นทิศทางเราก็อาจะต้องมาหัดนั่งสมาธินั่งดูลมหายใจก็ให้มันเป็นของที่มันมันมั่นคงกว่า ถ้าเราดูลมได้แล้วต่อไปมันเราเราจะเข้าสมาธิแล้วก็เป็นการดูลมไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะต้องมารอให้มันมีอะไรมาเป็นเหตุก่อนเราถึงจะเข้าสู่ความสงบได้เท่ก็แต่ก็ไม่ไม่ปฏิเสธนะถ้าถ้าเรานั่งแล้วมันมีอะไรมาทาให้จิตเราคิดแล้วคิดไปในทางที่ทำให้จิตสงบก็ใช้ได้ นี่อาทิตย์หน้าจะไปเริ่มนั่งสมาธิจริงๆอะค่ะคือไม่ได้นั่งที่บ้านลองฝึกสติไปเวลาไม่นั่งก็มีสตินะคอยบังคับจิตให้ดูกับหน้าตายกะะไ็ได้ฝ้าดูการเคลื่อ น, นไหวต่างๆของหน้าตายทุกขณะเราจะใช้พุโทโธพุโทโธกันนะอย่าปล่อยให้จิตคิดเรื่อยๆแล้วเวลานั่งก็ลองดูลงไป จะได้มีมีแนวทางที่จะ ด, ดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได้ต่อไปมันก็สับพอทําได้แล้วต่อไปต้องไม่ทำได้อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องมาลองแบบที่กำลังทาอยู่ตอนนี้ต้องรองให้มีแสนบ้างมีอะไรบ้างมาถึงอยต้องมานั่งพิจารณาอย่ก็ไม่ปฏิเสธ น, นะถ้าถ้ามันนั่งแบบนี้จิตสงบได้ก็ใช้ได้เหมือนกัน คืเอเธอลองภาวนาพุโทโธแบบไม่ใช้ลมหายใจจะเหมือนเร็วไปอะค่ะแต่รู้ว่ามันสามารถทำให้เอาชนะความคิดได้ดีแต่ว่าสักพักจะเหมือนเหมือนเร็วไปอะค่ะก็เลยต้องกลับมาใช้ลมหายใจกับพุทพุท ใ, ใช้เข้าออก S <S เหมือนถ้าอยากให้ทันความคิดก็เหมือนต้องท่องเร็วะคะ่ะรู้ว่า ไ, ไ, ได้ก็ดูพอม า, ม า, ม า, มาช่วงไหนที่ความคิดมันมันมันมากก็ต้องให้มันเร็วหน่อยอย่ต่อไปก็พอความคิดมันเริ่มเบาบางมันก็ช้าได้ตัดตัดสปีดได้ลองทำดูนะลองทำดลองใช้พื้นโทรลองใช้ดูลองดูทุกอย่างเลย อาจจะเป็นวิธีที่แน่นอนกว่าค่ะใช่ค่ะขอบคุณท่านนี่เท่านี้ค่ะโอเคสวัสดีคุณีิบีิบได้ยินแล้วเปท่าทงานอยู่แล้วนั่งทางานอยู่แล้วหนาหรลยเนี่ยการนมัสการนะคะหนาวมากยอมตามมาสามปีสเลยนะ ใช่ค่ะตอนนี้มันสา3สิบเอ็ดสามสิบสองประมาณเนี้ยค่ะก็ศูนย์องศาหนึ่งองศาอะไรเงี้ยค่ะอาจจะติดลบสี่วันนีเ้เดี๋ยวต้องดคูค่ะค่ะยมก็ยมก็ไม่มีอะไรจะมันคือมันมีแค่เรื่องมากวนใจแต่คนที่เรารักมากอะค่ะมันก็เลยทำให้มีอารมณ์ขึ้นขึ้ น, นลงลงแต่ว่าเราไม่มีสติที่จะกำกับมันได้ใช่ไหมคะ่ะค่ะอาจารย์ใช่แล้วก็ไม่มีปัญญาปล่อยวางแล้วเ่องาไม่อูาไม ต้องเป็นเรื่องของลูกนี่แหละค่ะก็เลยแบบก็ลูกก็ลูกก็เป็นเรื่องของเขาเขาเรื่องของลูกไปไม่ใช่เรื่องของเราเราสอนก็ได้ก็สอนสอนไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เราก็ควรวางใจไปว่าเด็กก็มีกรรมและบุญของตัวเองทุกอย่างเหมือนกันถึงแม้จะทำไม่ดีที่สเราก็ทำหน้าที่ของเราไปส่วนเขาต้องทำหน้าที่ของเขาไปค่ะค่ะ หนูก็ยมก็พยายามคิดค่ะแบางทีรู้สึกบางทีมันก็สติพอมันไม่ไดเอามาโฟกัสที่พุโทโธพุโทพโธบางทีอารมณ์มันก็เข้ามาแทรกแซงแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็ก็คิดว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกท่านอื่นๆว่าท่านสมาธิมันแน่สติมันก็จะมีมากพอเงี้ยค่ะ mm. ยมก็จะพยายามันนั้นยมปฏิบัตินั่งสมาธิพอนั่งเสร็จคือยมปวดเข่าเขาเรียกอะไรคะปวดสะโพกอยู่แล้วอะค่ะแต่พอมานั่งนั่งกับพื้นลองนั่งดูมันก็ สะโพกมันก็ปวดเขาอีกโย ม, มก็พยายามแบบพาอาจารย์ขอพุโทโธพุโทโธไม่เจ็บพุโทโธพุโทโธพุทธท้าสุดท้ายมันเหมือนกับมันก็มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เป็นเพราะว่ามันเจ็บอยู่ก่อนแล้วอะค่ะโยมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนอนแทนอย่างเป็นอะไรไหมคะก <c oughs> ็ไม่เป็นก็ไม่แต่ว่ามันเปลี่ยนท่ามัเนเริ่มต้นใหอ๋อใช่สติมันคือเหมือนกับมันนั่งนิ่งแล้วมันก็ต้องมากลับมาใหม่อีก จริงๆก็คือทนฝ่ามันไปเลยใช่ไหมคะเออแล้วก็อย่าไปสนใจมันจะเจ็บไม่เจ็บอย่างไรอย่าไปอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปดงมันให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปค่ะค่ะอาจารย์ยอมจะพยายามตัดให้มันมีสติมากขึ้นมากกว่านี้จะได้แบบมีสมาธิดีๆค่ะแล้วก็อย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันลดลงอย่าไปให้มันเป็นไปตามธรรมชาติใช่เหมือนทีม้าตกเนย Hockey, yeah. ห itating, ห ne, มันน er ั่งนน่งพาแล้วบอกว่าหยุดทีหยุดทีมันไม่หยุดถึงกระนมันจะหยุดมันก็หยุดขนมาเองมันก็เหมือนเรื่องที่มากระทบใจเรามันก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะถ้ามีใครเข้ามาเพราะเราไปควบคุมเขาไม่ได้ใช่อืมแต่ถ้าเราจะเอาล้มมากันเอาล้มมากันก็คือเป็นสติเป็นสมาธิมากานไว้ก็คืออย่างนั้นใช่ไหมคะก็ เป็นการใช้ปัญญาป้องกันใจเราไม่ให้ปไปไปทุกกับเขาค่ะแต่ถ้าสมมติเราทุกแบบนี้แล้วเรารู้สึกแบบก็ตัดไปเลยลูกก็ไม่เป็นไรนี่มันคือการวางอุเบกขาหรือมันคือการก็ <c oughs> การ <c oughs> เป็นการการตัดความความความอยากที่จะไปยุ่งกับเขาไหมอยากให้เขาได้อยากให้ก็เป็นอย่างนั้นอยากก็เป็นอย่างนี้ก็จะทำให้เขาปล่อยไปลบตัดความอยากได้ความทุกข์นี้เกิดจากความอยากไปได้ไป ใช่ค่ะอ oh, ันนี้อุปสาธคุค่ะอาจารย์อันนี้คงเรื่องจริงๆค่ะเพราะเราคงอยากมากเกินไปอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เขาไม่เป็นแบบพ่อเขาอยากอย่างโน่นอยากอย่างนี้มันคงจะเยอะเกินไปจริงๆค่ะค่ะค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะอาจารย์ยมมีแค่เนี้ยค่ะเดี๋ยวมันก็ต้องปัดต้องติดแบบต่อค่ะคาะยังไงก็ตค่ะอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะลินทบอลก็ พอๆกันนะคะความเป็นแม่ท้าว่าคุยกันอยู่สองคนเออลูกเป็นไงปนยังไงอ่าเดี๋ยวว่าแก่ตัวไปจะไปเช่าบ้านอยู่ใกล้กันละเป็นลูกแม่ดีกว่าปฏิบัติทำกันเลยอ่าแต่เราต้องเก็บเงินซื้อที่ซื้อาไปหน่อย ค่ะเลยยมอมเลแบบว่าเฮ้ยเคยเค ย, เคยบอกสุนทรมัเฮ้ยเราไปซื้อบ้านนี่แบบอยู่ติดวัดพอเข้าแล้วก็โรงพยาบาลดีกว่าพอป่ยวยก็เข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเสร็จต่อวัดเลยวัด <c oughs> ไม่ต้องซื้อ <c oughs> ไม่ต้องเผาไม่ต้องอะไร <c oughs> ว่านอนบนขาวัดหน้าวัดเลยโ <c oughs> <Okay. S 2> อเค่ะโอเคค่ะ okay, กันขอกานขอขอพระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวคุย ก, กับรีนทรต่ค่ะสวัสดีค่ะนรุนาักการจะ นมัสการกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะยุงก e: no. ็ยุงก okay> yeah. um ็ไม่ค um ่อยมีอะไรอะค่ะพอดีเห็นฟังแล้วเห็นคนนั้นคนนี้ไปปฏิบัติเราเราตื่นเต้นนะคะอยากไปด้วยอะค่ะพระอาจารย์แต่ยังยังไปไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ยังยังตื่นเต้นอยู่แล้วก็ก็ก็ก็สร้างเป้าไว้เต่ว่าเป็นฮาลีเดย์ของเราองช่วงนี้เราอาจะปยืมระยะยาวก็ได ยมอยากไปอย่างที่เสร็จเดือนอย่างเงี้ยคะ่ะยมอยากไปมากเลยค่ะแล้วก็จ <laughs> ะก็ลองวางแผนเลยที่มันมีมวา่าวางอุเบกขาทิ้งลูกเลยอยากไปลองปฏิบัติมากเลยรู้สึกมันตื่นเต้นนะคะพอฟังแล้วตื่นเต้นเราอยากลองบ้างเลยแต่มันเหมือนเป็นเหมือนเป็นภูเขานีเวลาคิดแค่มันรู้สึกมันง่ายนะพอไปอยู่จริงๆแล้วอาจจะอยู่ได้ไม่กี่วันก็อยากรูกนี้ไม่มาดีกว่านะขอสิบวันก่อนเลยขอลองเซอร์ ดูกำล<ต>ังกันก่อนแ ต, แต่พอโยมคิดว่าอู๋ถ้าเราได้ทําได้ขนาดนั้นนี่มันมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเรามันจะต้องกลายเป็นนิสัยของเราเราจะต้องได้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนแล้วมันจะต้องมันจะต้องดีมากมากอะค่ะฟ้าจาันทร์แ่กัมม่มาบาลีแมกัมม่บาลีค่ะค่ะช่วงนี้ก็โยมก็ปฏิบัติทํางานเยอะค่ะเพราะว่าคนเ้าลางานช่วงฮอลลีเด่กันเยอะแต่บางทีทํางานเมื่อคืนทํางานเกือบสิบห้าชั่วโมง แล้วเราก็พอทํางานเสร็จแเราก็รู้สึกว่าอุตายแล้วเราจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนาะเราไม่มีเวลาแล้วแต่มันก็ได้ทํากับอาจารย์ก็ได้ก็ได้มาเดินจงกรมแล้วก็ปฏิบัติสองรอบกว่าจะเสร็จก็ตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ได้ทําก็รู้สึกว่าเออตัวเราก็ไม่ทิ้งยังไงก็ไม่ทิ้งให้ให้เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องมาทํำก็ข่าพระอาจารย์แต่มันก็แต่เวลามันเหนื่อยแล้วฟุ้งซ่านนี่มันก็จะไม่ค่อยมันก็จะม ไม่ไม่ดีเท่าที่คู่รนะคะแล้วบางทีอย่างเมื่อวานโยมนั่งฟังเอของคุณหมอวีเห็นะคะสองเทปติดกันแล้วมันก็โยมไม่แน่ใจว่ามันวูบหลับหรือวูบหายไปไหนมาเหมือนกับพอมารู้ตรวจตีนอุม้มก็อีกทีหนึ่งมันก็ผ่านไปสองเทปแล้วอะค่ะก็หลับเลยก็หลัเลยม <c oughs> ัน <c oughs> ต, <c oughs> ตื่นตัวแล้ววันหลับโยมนั่งสมาธิได้นานมาก <c oughs> ผ่านไปสองเทปแล้วตับสามจม <ừ. S 2> ูกหลวงก็หลวงแว่าขึ้นมาปฏิบัติใหม่อะค่ะพระอาจารย์ก็ก็ค่ะก็อย่างน้อยก็มีความตั้งใจะครัพระอาจารย์ได้พ<า>ยายวมทำตามความตั้ ง, จงใจไว้เดี๋ยวก็ดีค่ะค่ะก็จะรักษาทั้งเช้าทั้งเย็นจะปฏิบัติจะเดินจงกรมทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ในเวลาที่มีอยู่แล้วก็ก็ขอให้ ได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมในขบมะอย่างที่พระอาจารย์ว่าด้วยค่ะใชนะ่บางวันทั้วันนึงค่ะรอโยมก็รอแต่ลูกโยมรอแต่ให้รค่ะบางทีโยมก็คิดว่าเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยอสอนว่าเวลาทํางานเราก็ทําเหมือนเช้าชามเย็นชามจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมแต่พอถึงเวลาจริงโยมเวลาขับรถผ่านพวกพวกมันจะมีป้ายบอกว่าเมีกระมิลเลียนอะไรเงี้ยค่ะ สามร้อยยี่สิบล้านนั่นเงยก็แอ บ, บคิดว่าโอ้ถ้าเราถ้าเราได้้าเราได้สักนิดเราก็จะไม่ต้องทํางานแล้วเราจะได้มาปฏิบัติธรรมเต็มที่อันนี้ <จะ S 1> เป็นเอมันจะไปเที่ยวมากกว่ามันจะไปซื้อท้าวื้อของเลยมุกก็จะได้เอาเงินไปบริจาคค่ะอาจารย์มันเราตัวเรากอได้จริงจรแล้วมันเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนในเรื่องในเรื่องเลยออนั่นแหลคะ่ะแต่โยมก็แอ บ, บคิดว่าอูถ้าเรา ถ้าเราได้ทำงานน้อยลงเอาแค่ครึ่งหนึ่งจากที่เราทำอยู่เนี้ยเราจะได้มีเวลาปฏิบัติได้มากกว่านี้มันก็จะดีมันน่าจะดีกว่านี้นะคะก <laughs> ็ดีก็ก็ทำให้มันน้อยลงแตวแล้วก็ใช้มันน้อยลงนะไม่ต้องมาหวังจากโรเตอรี <laughs> ม่มีความฝันไ <laughs> ม่มีความฝันเล ค่ะพระอาจารย์แต่ก็ยังคงความเป็นจริง้็ยังคงต้องปฏิบัติต่ตอไปอะค่ะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดาาา <Okay. S 2> <laughs> ค่ะพระอาจารย์ค่ะกลับขอบคุณค่ะพระอาจารย์ครับ m Christmas ที่นั่นก็าป Merry Christmas กันได้ไหมตอนนี้ที่ทงปิดบริษัทแล้วค่ะพระอาจารย์เพราะมีปิดล็อบายออฟฟิศบรายที่เสร็จแล้วเลยเขา <laughs> เขายังไม่มีเลยค่ะพระอาจารย์พอดีว่าเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเขา้า <laughs> แจก c ซ r t i f i ฟิ t e แล้วก็คนติดกันจากจากงานนั้นมีคนติดกันเต็มไปหมดเลยอ่าคือต้องปิดออฟฟิศนะคะแล้วก็มีอีเมลบอกว่าปิดไปก่อนจนกระทั่งยังไม่รู้ว่าเปิดมานยังไม่ทราบเลยค่ะอาจารย์ยงก็ทำงานที่บ้านต่อยงก็ได้นั่งสมาธิยาวขึ้นค่ะอาจารย์ตอนเช้าก็ได้ถือว่าค่ะอาจารย์ขากลับขอบคุณนะคะอาจารย์ขออภัย ขอให้ได้ไปบวช น, นะได้ไปปฏิบัติเช็เดือนสาธุคัคบใช่าุณก็รีบต่อรีบกล่าวน้นำพระทครับหลวงพ่อฟังของพี่ๆถ่ายท่านฟังแล้วก็มีความสุข ก, กันเลยครับโอ้โหแต่ละคนมุ่งมันผมก็พยายามอยู่อยู่ครับแล้วผมก็อ่านใน f a c e b ุ๊ k ผมเขียนเมื่อสิบปีที่แล้วว่าเกิดมาทั้งทีมีอะไรทาและภูมิใจบ้าง ามาทุกวันนี้หรือทางโลกมันก็ ย, ยังไม่มีแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมภูมิใจครับเกิดมาแล้วได้รู้จักหลวงพ่อครับเนี่ยผมภูมิใจตรงนี้ครับหลวงพ่อก็อดีนะ<ด>มันจะดีกว่านี้ก็คือที่เราดได้ไป<ด> บ, บวชนะจะดีกว่าเกิดมาแล้วได้บวชเนี่ยดีกว่าเออไปบวชครับก็ได้ก็ได้บวชพันตาที่แล้วแล้วก็แบบอย่างน้อยผมก็แบบพยายามฟังทำรักษาศีลก็แบบพยายามจะเร่งให้มันมัน ถ้าเร่งมันก็จะเป็นกิเลสไหมถ้าคิดว่าจะเร่งก็เป็นกิเลสมันต้องทำถึงจะไม่เป็นกิเลสมันต้องทำเนาะเร่งไม่เป็นกิเลสหรอเร่งเป็นธรรมะนนเร่งเป็นความเพียรเป็นความเพียรเอเร่งไม่เป็นแต่ว่าผลน่ะเร่งอยให้ผลออกเร็วนะไม่กิเลสไม่นานต้องเล่นด้วการปฏิบัติครับก็เลยรู้สึกว่าเออภุมิใจที่ได้เกิดมาแล้วรู้สึกว่าได้รักษาสีได้ทําบุญทําทานอะไรแบบนี้ก็รู้สึกนึกตรงนี้มันก็มีความสุขแล้วครับหลวงพ่อ ลองทำต่อไปนะอจะเป็นเกเสียเชยๆเองเดียววันนี้ก็ร่วมทําบุญผ่านที่หลาไปให้หลวงพ่อครับโอเคครับถึงกับทุกท่านเลยนะบางทีไม่ได้กล่าวถึงว่าเราอยากจะพูดไว้วเดี๋ยวก็เลยฟังแล้วมันจะลาคาดครับก็ถือว่ารับทาบแล้ครับว่าปูหลาก็จะส่งอาเชื่อมาให้ทุกท่าน เอบุญหมายความบุญหมายความว่าทำปั๊บเราไม่ต้องไปคิดว่าเราต้องจะใช้บุญเหมือนเบิกดังใช่ไหมครับมันจะมาอัตโนมัติของมันเองใช่ไหมครับมันกินข้าวมันเหมือกินข้าวมาทํำต้มมันจินมันก็อิ่มขึ้นมาทถ้าไม่อิ่มมันต้องต้องทำเยอะๆหน่อยแล้วกินน้อยไปกินน้อยไฟอ่นยามันรู้สึกอิ่มแบบใจต้องทําบ้นขึ้นไปหน่งสองเท่าสามเท่าแล้วความรู้สึกมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเอง ครับบุญก็เ็ต้องทำบุญก็คือต้องทำเป็นอจินกรรมเหมือนกันใช่ไหมครับหลวงพ่อ้ก็ต้องทำบุญบุญมีหลายระดับเนี่ยทำทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญแต่มันมากน้อยเหมือนทนตบัตรทำทานก็อาจจะเป็นเหมือนแบงแบ่งร้อยรักษาศีลก็แบงห้าร้อยภาวนาก็แบ่ง1000 พยายามทําบุญก็แบบเกิดมาเออเราภูมิใจเรื่องนี้เนี่ยเกิดมาเราได้ศึกษาธรรมะมันสิ่งที่แบบแบบเพื่อนบางคนตอบมีเงินเขาวเดียวกันอายุเท่าผมแต่เขาหาเงินได้สิบล้านแล้วแต่ว่าเขาไม่เคยเข้ามาหาธรรมะเลยแล้วเวลาพูดเรื่องทุกขเขาบอกว่าทุกเก่าเงินแก้ปัญหาสิแบบแบบนี้ไหมครับผมก็เอออย่างน้อยผมจะไม่มีเงินเท่าเขาแต่อย่างน้อยผมก็ ได้มาศึกษาธรรมะที่หลวงพ่อจะบอกว่าเกิดเป็นคนนั้นยากแสนยากเกิดมาแล้วพบพุทศานานั้นยากยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่สองเด้งเหลือแค่เราจะไปขึ้นเงินไหมผมก็นึ่ขึ้นคำสอนนี้ของหลวงพ่อบ่อยๆครับ อ, อย่าไปเชื่อเงินดับความทุกข์ไม่ได้ครับก็ อ, อ, อันนี้ก่อนนะอนัหน้าอนเดียคนนึงกังออยู่หลายค น, นที่คนวิุ่ตาิตุน วิทยุเด่ไหนเราเปิดไมค์ก่อนบ้มั้มุมซ้ายล่างอือได้ได้ไหมครับผมได้นะได้นะยินนะครับผมเพิ่งเข้ามาวันแรกครับอยูที่ไนครับผมอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่บุรีรัมย์ครับหลวงพ่อครับผมครับผมไม่มีไม่มีมมคําถามอะไรครับ <Okay. S 2> ก็ตอนนี้คือพยายามที่จะแบบ ทำจิตใจผมเป็นคนที่แบบอารมณ์ร้อนนะครับหลวงครับรคือตอนนี้พยายามแบบเห็นอะไรก็ชั่งมันเถอะชั่งมันเถอะบ้างครับก็ดีขึ้ น, นครับอันนี้ก็ฟังพี่ๆทุกหลายๆท่านนะครับก็แบบก็ยิ้มตามครับหลวพอครับก็พยายามที่จะแบบรักษาจิตใจตัวเองให้มันแบบลดไอ้สิ่งพวกที่แบบที่มันที่มันทําให้จิตใจเราไม่ส ง, งบอะครับหลวงพ่อครับตอนนี้พยายามกําจัดสิ่งที่วุ่นวายาต่ยางๆให้หมดไปจากใจนะ ครับผมณพ่อครับเคทําไปที่ท่านต่อไปนะคุณนภิเศสคุณนภิเศสอยู่ที่ไหนคุณนภิเศสได้ยินไหมครับพอาจารย์ได้ยินชัดเจนสกลนครครับพระอาจารย์ไม่ไม่ได้เข้ามานานครับอาจารย์ก็เลยมากราบน้ำสกัดพระอาจารย์แล้วผมอ่านตามเฟซบุ๊กของพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ลงมานะผมก็เลยเอ จิตใจนิดหนึ่งครับอาจารย์อาจารย์บอกว่าการอนุโมทนาบุญเนี่ยมันไม่ไม่น่าจะได้บุญไม่ไม่แน่ใจว่าผมจํามาถูกหรือเปล่าคือมันได้บุญแต่มันต้องได้บุญต้องมีวิธีทํามันมันให้ได้บุญคือสมมติว่าใครเขาจะไปทำบุญแล้วก็บอกว่าจะไปท่าท่าป่านะแล้วก็สารทุแล้วก็ฝากเงินไปด้วยก็ได้บุญถ้าสารทุเฉยๆปักป่ามันก็ไม่ได้บุญ อ่มันมันอย่างนี้ครับอาจารย์ผมผมเอ่อเอ่อพูดตามทีุมมันเอ่อพูดตามที่เอ่อเคยประสบมาเนาะอาจารย์เนาะคือการการการให้ทานเนี่ยเท่าที่ผมเอ่อทำมาเนี่ยแต่นานๆทีมันจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งคือการให้ทานเนี่ยมันเป็นการเสียสละเป็นการเอ่อละวางจากวัตถุสิ่งของของตัวเองตรงนั้นนะ่มันจะทำให้เข้าสมาธิไปหน่อยหนึ่งก็คือ เกิดจิตเบาขึ้นประมาณทักสามวินาทีแต่เรารู้ว่ามันมันเกิดความสุขขึ้นทางจิตแต่การอนุโมทนาทานนั้นแหะมันมันเป็นเรื่องของการเ อ, อยินดีกับการให้ทานของเขามันมันก็เข้าสมาธิไปเหมือนกันแะระมาณมันต้องเกิดจากการเสียสละของเราด้วยไม่ใช่เราอยู่เฉยๆครับเช่นเช่นเรามีลูกน้องเขาขอลาไปปวดสามเดือนแล้วเราอนุโมทนาฮะได้ไปบวชยินดีใหเขาไป แต่เราะขาดนุ่งเน่าไปคนเนี่ยก็เห็นก็คล้ายๆกับว่าเห็นเห็นประโยชน์ทีเขาจะได้รับแล้วเราก็ประมาณนั้นนะฮะมาจักจิตมันจะเข้าสมาธิไปหน่อยหนึ่งประมาณประมาณสามสามวินาทีแต่เรารู้ทันทีว่ามันเข้าไปเพราะมันมันเกิดความสุขขึ้นในจิตมันจะมากน้อยอยู่ที่ว่าเราเสียสละด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นเราเน้องเราเขาต้องช่วยทํางานให้เราแต่เมื่อก็อยากจะไปบวชเราก็ไม่ขัดเขาเนี่ยเรายินดีที่จะ ทานน้องๆเป็นคนอย่างนี้เราก็จะรู้สึกอิ่มมากขึ้นกว่าการที่เราไม่ได้สูญเสียอะไรไปหรือแฟนเราขอลาไปบวชทั้งปีอย่างเนี้แล้วก็ออนุโมทนาอย่างนี้อย่างนั้ลมมนออ ล, ลองดูเลยไม่ใช่หัวว่าเธอไปไม่ได้อย่าไปมันแสดงว่ามแม่อนุมโมทนานะ <c oughs> แบบที่เขาอนุมโมทนากันแบบว่าวันนี้ไปทําบุญมาแล้วเราอนุมโมทนาไปน้องไม่ได้เสียอะไร ใชเขาเพ่งแต่เอดีใจไปกับเขาด้วยแต่มันมันเป็นผิวเผยเนี่ยมันไม่มันไม่เข้าไปถึงถึงท้องในใจเราต้องต้องเสียสละสิ่งที่เราเล่ไปนลเพื่อเป็นการอนุโมทนาบุญของผู้อื่นเนี่ยเช่นการก็อยากจะไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยะอนุโมทนาไปเลยอย่าย่าเรี้นอนุโมทนาจริง และคนจะรู้สึกจะเบาใจเมื่อทำให้แฟนมีความสุขเนี่ยครับอาจารย์ครับอตัวที่เราภาวนาลงไปตอนที่เออ่เราภาวนาพุทโธพุทโธลงไปเนี่ยเราใช้สติกํากับลงในคําบริกรรมพุทโธนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ให้อยู่กับพุทโธเพะว่า เ, วเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะอจิตมันจะวกแวกไปที่อื่น ใช่มันจะชอบกินล้ำน้ำ น, นี้กำ บ, บางเขาให้มันอยู่กับพุโทโธพุทโธก็อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปจน<ช>มันคายออกถูกไหมพ่ะย่ะจันจนกว่าความคิดมันหยุดคิดแล้วจิตก็เล็งเข้าสู่ครัมสบได้อืมอ ค, ครับครับโอเคครับเพราะว่ามั น, มนครับผมพาา่ะย่ะจันขอบคุณท่านนี้กนเนเะเด็กราเนี๋ยต้องเี้ยไปหน่อ ย, อยนะคุณแอ น, นสวีเดช เพิ่งมาข้างแรกเลยคนสนนวสีเดนนมัสการคะ่ะพระอาจารย์อ่าครั้งที่สองค่ะจากสวีเดนนะจากสวีเดนค่ะ น, คา น, นานๆได้เข้ามาเพราะว่าต้องทางานนะคะแต่ก็ตามพระอาจารย์ทาง facebook ทางดูย้อนหลังทุกครั้งนะค ะ, ะ, ะวันนี้มนไม่มีคำถามคะ่ะพระอาจารย์เข้ามานมัสการค่ ะ, ะสาธุ อ, อยะจนี้มาสุดท้าย อยู่มัธยาอยู่นะอยู่ค่ะอยู่ภาคไม่กลับไปแล้วนะไม่กลับไปนนท์ธนบุรีแล้วนะก็ออกจากกองไฟแล้วยังจะกลับไปอีกนะไม่ใช่ค่ะคือเขามันกลับเพื่อเรื่องโรงเรียนเด็กๆ อ, ะอ่ะอแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่นึกอยากกลับหรอกอยากอยู่ที่นี่ท่ทแล้วไปไปไปไ ป, ไปเชิญหน้าได้เปะได้อ่าได้น ะ, ะได้ก็ ก็พยายามวามันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะคอห้ามก็ไม่ได้นะเราก็ไปทำเงิ น, ง น, นงปล่อยเออมันเราห้ามใครไม่ได้อยู่แล้วเราก็พยายามเรียนรู้ไปแต่ละวันแต่ละวันนะคะก็ได้แบบนี้ก็ดีเตาว่าอยากจะไปสีเวักวันนึงอยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ไปยังไงทางาว่าตามนี้ก็เปิดได้เข้ามาอยู่ได้ใช่ค่ะว่าจะไปสจะวันเพราะว่าเคยรอบที่แล้วไปแล้ว แล้วลูกมันไม่สบายเลยะค่ะเขาให้ขึ้นแบบเขมองเขมอนไม่ได้ก็เลยไปหลายวันไม่ได้ต้องรอให้เขาโตกว่านี้อีกหน่อยออันนี้ก็ทําอยู่ที่บ้านเหมือนกันก็แต่ที่บ้านก็ฝึกฝึกแบบทุกทุกอย่างฝึกแบบฝึกรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางก็แต่ต้องพยายามอมยากกว่าไปอยู่คนเดียวยคนเดียวมันง่ายกว่า ใช่ค่ะอยู่กับคนมันคือเขามีปัญหากันเยอะแยะไปหมดเลยเราก็เราก็ตื่นจนผูดฟังก็ก็วางฟังแล้วก็วางอะไรอย่างเงี้ยมีทุกที่เลยค่ะปัญหาไม่หลับปัญหามันอยู่ที่ใจเราเราไปเอาเข้ามาถ้าเราไม่เอาเข้ามามันก็ไม่เป็นปัญหาคือเขาก็ชอบเล่าให้เราฟังเราฟังเอไว้เพ้่อฟังเข้าสายเอาฟังไปจะไปฟังเอาดิ่งเข้ามาในใจ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะไปใส่บัต น, นะคะโอเคนะถึงอ่าอ่าวันแรกที่นี่ thank thank you Facebook หนามีทั้งหมด1ิคำถามจากทาง Facebook และ YouTube เจ้าค่ะอ่ะามากเลยคำถามแรกจากคุณวิทวิสิทธิ์ปราพระอาจารย์ขอเรียนถามผมภาวนาได้ประมาณสปี ตอนนี้มีอาการตึงมากที่หน้าผากระหว่างคิว้วเวลาใช้ชีวิตประจำวันก็เป็นผมคิดว่าผมไม่ได้เพ่งรบควณพระอาจารย์ช่วยจีย้แนะด้วยครับก็อย่าไปช้อนใจมันวามันวางอาการมันไปจีน่าว่ามันเป็นน้ำตาแล้วคับคำถามต่อไปจากคุณสุธีรัตสอบถามพระอาจารย์ครับปกติผมจะใช้ยุบหนอพองหนอ อยากลองใช้พุทธโธดูแต่ยังทำไม่เป็นคือสงสัยว่าถ้าเราใช้พุทธโธเราก็ท่องพุทธโธในใจรัวๆเลยใช่ไหมครับหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธครับถ้าใช้พุทธโธอย่างเดียวก็ไม่ต้องดูลมเลยไม่ต้องดูลมที่ท้องไม่ต้องดูลมเข้าลมออกให้ให้อยู่กับพุทธโธไปเหมือนเวลาเราคิดเวลาเราคุยอล้วก็อยู่กับความคิดไปพุทธโธก็เป็นความคิดอย่างนั ในี่เป็นความคิดที่จะทําให้ใจสงบได้คำถามต่อไปจากคุณชยาภาปรับนิมัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามค่ะโดมทําอาชีพขายสิ่งมีชีวิตคือลูกกุ้งให้บ่อดินเอาไปเลี้ยงต่อเป็นอาชีพผิดศีลข้อที่หนึ่งไหมคะเพราะว่าบ่อดินเลี้ยงจนโตแล้วเขาก็จับตายขายที่แพรกุ้งค่ะขอบคุณค่ะ เราไม่ได้ฆ่าในี่ยไม่ผิข้อหนึ่งยโอเคแต่เราไปสนับสนุนให้คนอื่นเขาฆ่าซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพเป็นอาชีพไม่ใช่เป็นสัมมาชีพเห็นถ้ า, าไม่อยากจะสนับสนุนการฆ่าเราก็ต้องเป็ียนเป็นเปลี่ยนอาชีพใหม่แต่ไม่ผิดศี ล, ลเราเราะเราไม่ได้ฆ่าคำถามต่อไปจากคุณทลาดลกราบนมัสการครับพระอาจารย์กระผมได้ลองปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองมาสักพักแล้วครับ ภาวนาบางครั้งก็แน่นบางครั้งก็หงุดหงิดรู้สึกว่าปฏิบัติแล้วก็โมโหร้ายบางครั้งก็ไม่มีสติเลยครับขอเมตตาแนะนําครับก็เพระไม่มีสตินี่ถึงทําให้เราเกิดอาการต่างๆนี้ขึ้นมาให้เราพยายามฝึกสติเรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งนะครับควรพิจารณาควรพูดกพูดถ่อทั้งวันเล แล้วมันจะทําให้ใจเราเย็ยนนงใจเราสบายขึ้นคําถามต่อไปจากคุณอรณิชาน้อมกราบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกชอบทําบุญถ้าหากเวลาทําบุญสามารถเขียนชื่อผู้ร่วงรับไปแล้วที่จะทําบุญให้หลายชื่อรวมกันในหน้าสองได้ไหมเจ้าคะขอพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ ร้ได้แต่มันไม่จำเป็นจะเขียนก็น่าไม่เขียนก็น่าเวลาอุทิศนี่ให้าุทิศที่ใจให้เรานึกถึงคนที่เราต้องการอุทิศบุแต่จะเขียนไม่เขียนนี่เป็นเพียงแต่เป็นการบอกให้คหือื่นารู้ไม่ใช่บอกให้กับพระที่รับปัจจัยเราดูว่าเขาทําบุญที่ให้คนนั้นคนนี้แค่ไหนแต่เวลาุทิศบุญ น, นี่เราอุทิศที่ใจเราคำถามต่อไปจากคุณสุข ทุกอยู่ที่ใจหลายๆครั้งผมฝันร้ายแล้วในความฝันผมบอกกับตัวเองว่าเราก็ตื่นหนีมันสิแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาเลยแบบนี้จะพออธิบายได้อย่างไรครับนมัส ก, การครับก็แปลว่าเรามีสตินอนหลับแบบสติไม่หาหมดยังมีสตินหนก็เลอยู่คถามต่อไปจากคุณลุงวุษปราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับ ถ้าจิตสรรพสัตว์ทั้งหมดมีหนึ่งล้านจิตต่อให้บางจิตบางชีวิตเข้าถึงนิพพานแล้วจิตก็ยังมีหนึ่งล้านจิตใช่ไหมครับใช่เพราะมันไม่มีวันตายไม่มีวันหมดมนะแล้วไม่มีว่าไม่มีเกิดใหม่ไม่มีปรากฏขึ้นมาใหม่มีมีอยู่ร้านหนึ่งก็อยู่มีร่างเพียงแต่เปลี่ยนจากเป็นจิตประเภทไหนเป็นจิตพระนิพพานไปแล้วเป็นจิตเมีนมา่ายตายเกิด จักผู้ไม่ประสงค์ออกนามกลับนัมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะปฏิบัติจนได้ลิฟทางใจจนฟูพบว่าอัตตาตัวตนมากมีนิวรและกิเลสมากขึ้นมากขึ้นควรจะใช้ปัญญาไหนในการที่จะดับกิเลสหรือควรจะหยุดทำสมาธิแล้วใช้สติพุทโธดับกิเลสก่อนแล้วค่อยกลับมานั่งสมาธิเจ้าคะ่ะอต้องฝึกสติแล้วนั่งสมาธิให้จิตสงบ ให้จิตว่างจิตเป็นโอเวคขาหยุดคิดปรุงแต่ในวิธี<า>ที่คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณพิชัยกาบเรียนถามพระอาจารย์ครับดวงจิตที่หลุดพ้นจากพระอาหารหันหลังจากละสังขารแล้วดวงจิตดังกล่าวจะยังมีโอกาสไปจับกิเลสปัญหาอันใหม่เพื่อ น, นำมาเกิดใหม่อีกไหมครับไม่มีแล้วเพราะว่ามัน นำด้วยปัญญามันรู้แล้วว่ากิเลสเป็นทุกข์มันก็จะไม่ไปแตะเหมือนคนที่ไปแตะไฟนั้นต่อไปจะไม่มีวันไปแตะมันอีกข้างหน้าไม่เคยแตะก็ยังสงสัยว่ามันดีไม่ดีแล้วเราไปแตะไฟที่เร้อนรอนดูว่ามันไหม้มือแล้วเราพับทีนี้ข้างต่อไปมันจะไม่กลับไปหรือน้ำแข็งถามต่อไปจากคุณ The Time Traveller กราบนมัสการครับผมขอโอกาสครับ เมื่อก่อนเผลอบ่อยเดี๋ยวนี้สติตัวรู้เหมือนอยู่ตลอดเวลาครับมีอารมณ์ต่างๆกิเลสมนทินจอนบ้างเศร้าหมองบ้างแต่ไม่ได้ให้ค่าทีนี้จะติดตัวรู้ไหมครับรบขอบพคุณครับสติตัวรู้หรือไม่ไนะเคยกล้าด้วยสตินี้มันยังกําจัดไม่ได้มันยั ง, ง, ม, ม, ยงมันยังเหนืออยู่จะให้มันหายไปจากตัวรู้เลยนี่มันต้องใช้ปัญญา คำถามต่อไปจากคุณชัดกำแพงเพชรขอคำแนะนำสำหรับพระบทใหม่หนึ่งถึงสามพันษาแรกจะทำอย่างไรจึงจะไม่ฟุ้งซ่านถูกกิเลสหล อ, อกจนต้องสึกออกไปโดยง่ายครับก็มันเป็นชาตอาการสามสิบสองย่างเงยเวลาบวชนี่เร่าประชาร์สอนอาการห้าก่อนเกสาโล ม, มาหน้าขาน้าตาตัดจอคือผมขนเดิมฟันหนังน เนี่ยรางการมันนอกจากอาการเนี้ยมันยังมีที่เรามองไม่เห็นคือเนื้อเอ็นกระดูกเนื้อในกระดูกม้าหัวใจตับทั้งถล่มตปอดต้องพยายามพิจารณาให้เห็นอาการเหล่านี้แล้วความฟุง้งซ่านที่เกิดจากการมาลงมันก็จะลด น, น้อยลงแล้วก็จะทําให้ใจเย็นสบายในความสุดแล้วก็จะอยู่ในเพศของพระได้ถ้าไม่พิจารณาหรืวใจมันร้อนพอเห็น รูปร่างหน้าตาชวยสวยงามงขึ้นมาถ้าเกิดการระลอขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความหนาวความม้าเวความอยากจะไปเสพกามขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณเลนากราบขอคําแนะนําพระอาจารย์ในการปฏิบัติธรรมขณะทํางานเจ้าคะ่ะไม่มีสติอยู่กับงานที่เราทำนั่นเองเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุดเจริญเราโกงเวลาการทํางาน อย่าไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อย่าไปนั่งเดินเ ด, ดินก็กลางกินขนมเวลาทํางานให้ไปใช้เวลาที่เขาให้เราพักเวลาที่เราทํางานนี่ต้องทําให้คุ้มกับค่าเงินเดือนที่เขาจ่ายคราแล้วเราจะเป็นคนงานที่น่ารักที่น่าที่น่าน่าจ้างน่าเก็บไว้เวลาที่เขาต้องปลดคน ง, งานก็จะได้ไม่ปลดเราก่อนคถามต่อไปจากคุณ อรณิชากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบเลนถามพระอาจารย์ก่อนนอนหนูเปิดโทรศัพท์ไว้ข้างหมอนเปิดช่องยูทูบพระอาจารย์เทศตนหลับหนูทําแบบนี้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะครับพระคุณได้มันก็เป็นยานอนหลับนี่มันไม่ได้เป็นการปฏิบัติทํามอะไรเลยคำถาต่อไปจากคุณทั์ตําแพงเทศความห่วงใยครอบครัวคือการเอาหูตาจมูกลิ้นกาย ไปยึดติดกับธาตุทั้งสี่ที่ไม่มีแก่นสารว่าเป็นของเราใช่ไหมครับก็ไปเอาใจเราเนี่ยแหละไปยึดติดไปคิดถึงเขาไปกังวลไปหัวเขาโดยสายตาดวงจมุกเนื้อง่ายเป็นเครื่องมือให้เราเห็นเขาคำถามต่อไปจากคุณปวีนาเรียนถามท่านพระอาจารย์การดูแลผู้ป่วยในระยะใกล้เสียชีวิตเราจะดูแลผู้ป่วยอย่างไรให้ผู้ป่วยเสียชีวิต และไปสู่พบภูมิใหม่อย่างสงบและการดูแลผู้ป่วยที่เป็นพระสงฆ์จะแตกต่างกันหรือไม่คะคือการดูแลมันมีสองส่วนดูแลร่างกายส่วนหนึ่งดูแลจิตใจส่วนหนึ่งการดูแลร่างกายก็ให้หยุดให้ยาให้อาหารได้ตามที่ร่างกายต้องการไปแต่การจิตใจก็ให้ถ้าถ้าคุยเขาได้พูดเอาได้ก็ให้เขาฝึกสมาธิทำใจให้สงบได้เขา พิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ิ้น้ำมลไปไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อเขาจะได้ปล่อยวางได้ส่วนการปฏิบัติกับพระสงฆ์นี่ถ้าเป็นสุภาพสตรนี้ไปแตะตัวพระสงฆ์ไม่ได้ลำหลั ก, กไม่ได้พระสงฆ์กับสุภาพสตรนี้แตะต้องตัวกันไม่ได้ถึงแมาจะมาฉีดยามาวัดอุณหภูมิอะไรนี่ก็ทำไม่ได้ลำเข้าไม่ได้ นั้นวัดโรงยาบาลที่เขาเข้าใจหลักธรรมวินัยเขามักจำในพยาบาลผู้ชายว่ามาดูแลพระสมฆ์เจา้ามีสอ ง, งอมีอีกสามคำถามเจ้าค่ะมีสองคำถามจากคุณปียะกราบพระอาจารย์ครับพระอาจารย์สอนเรื่องหัวใจเศรษฐีได้ไหมครับอ๋เเอเศรษฐีก็คือคำคำว่าเศรษฐี นี่นก็คือคนที่รวยเขาบอกรวยนี่นก็คือคนที่มีความพอถึงจะรวยจริงถ้ายังมีแล้วไม่พอนี่ยแสดงว่ายังเป็นเหมือนกับขอทานยังอยากได้นั้นเศรษฐีที่แท้จริงนี่ต้องเป็นเศรษฐีที่ไม่มีไม่มีความอยากได้อะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเศรษฐีจริงพะระอรหันต์นี่ท่านเป็นเศรษฐีจริงเพรท่านไม่ต้องการนาคเนสลสัตวิ์สิทิ์ ท่านอยู่ได้เดยที่ไม่ต้องมีด้านยศสังฆศึกแต่พวกเศรษฐีพรามนี่ก็พวกที่มีร้อยล้านพันล้านก็ยังไม่พออยาจะเพิ่มเป็นหมื่นล้านแสนล้านไอ้พวกนี้แล้วเป็นขอทานเหมือนเป็นพวกขอทานคำถามที่สองขอพระอาจารย์เมตตาสอนเรื่องการทําบุญกับสมณชีพราม์ครับก็ถวายปัจจัยสี่ให้กับสมณชีพรามไปตามความเหมาะสม าขาดแค่อะไรก็ถวายอย่างนั้นไปขาดอาหารก็ถวายอาหารขาดเครื่องน้หอมทีวอนก็ถวายเครื่องน้อมทีวานขาดยาก็ถวายยาขาดที่อัวสายก็ถวายที่หัวสายไปตามตามโอกาสตามความจาเป็นคาถามสุดท้ายจากคุณอนุสรขอโอกาสขอรับการอุทิศบนรวมกันทั้งหมดหรือได้หรือเปล่าครับในการในคราวเดียวกันครับ ไปได้กับบุคคลต่างๆไม่ได้แ้วมันจะมมันจะกระจายไปนะบุญข้อหนึ่งนี้ถ้าอุทิศให้คนเดียวเขาก็ได้ทั้งทั้งก้อนเลยทําอุทิศให้เสร็จก็ต้องมาหั่นสิบชิ้นนะแล้วก็แบ่งกันไปคำถามหมดแล้วใช่ปะโอเค okay. มีภูผาเข้ามาใช่ไหเข้ามาภูผามาทักทายกันหน่อยข้าจะไปนะ เราจะหมดเวลานอนดึกยี่ทุกคืนอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะคืนที่คืนเดียวที่เฉพาะคืนนี้ค่ะบางคืนก็กลับถ้าอย่างวันนี้ไปพาเด็กๆไปอัดประกวดจิตศาสาท์้องเพลงไทยเดิมมาก็เลยกลับมาดึกค่ะดึกเป็คืนน้ค่ะแต่ว่าคิดว่าจะเข้ามาไม่ทันแล้วค่ะอืมีแต่ค่ะเลยค ก็เป็นวิธีหารได้ให้ของเด็กเลยที่ไป ท, ำทํกกำกิจกรรมอะไรนี้นจริงจริงจรอเป็ น, น, ปนอันนี้เป็นของโรงเรียนค่ ะ, ะแต่ที่พาเขาไปถ่ายโฆษณาอะไพวกนี่คือฝึกให้เขามีความกล้าหาญประสบการณ์อีกด้านหนึงแต่ว่าคือเรื่องรายได้ก็มันเป็นผลคอยได้ไปนะรู้จักทั้งเงินต่เทศก็ดีเหมือนกันยังไงขอโทษนะครับจะได้ไม่ต้องมาขอเงินรพ่อแม่ อาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าผมควรฉีดเข็มสามดีไหมครับเออฉีดแหะฉีดนะเด็กเด็กนะคะเอ่อถ้าหมอบอกให้ฉีดก็ฉีดถ้าหมอบอกไม่ให้ฉีดก็ไม่ฉีดฟังหมอก็แล้วกันเราไม่ใช่หมอค่ะเชื่อหมอเถอะหมอโอเกคแล้วเขาหลุดตาหลุดตาาฉีดหรือยัง อย่างอย่างของเราเพิ่งสองเข็มได้สี่เดือนแล้วความจริงน่าจะไปฉีดแล้วแต่เราคิดว่าเราอาจจะไม่ต้องฉีดก็ได้เพราะเราอาจจะมีภูมิภูมิคือเขาว่าถ้าฉีดสองเข็มแล้วไปติดเชื้อนี่มันจะทําให้ภุมขึ้นยากกว่าไปฉีดเข็มที่สามเนี่ uh <c oughs> ยงั้นรอให้ติดเชื้อนี่แบบก็ติดเชื้อก็ไม่เป็นไม่ไม่ไม่มีอาการป่วยเนาะเพราะมี ม, มีมีฉีดวัคซีนกันมาอยู่แล้ว เอาแบบนี้ก็ได้เข็มสามก็รอให้ว่าให้ให้ให้ไวรัสกระฉีดให้เราแทนนีเหรอครับดีครับแต่อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวต้องตัดสินใจเราเองไม่มาโทษเราเพราะเรากันเกิดติดขึ้นมาแล้วเพราะคนเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะร่างกายคนแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ เดี๋ยตามหูุตาก็ไะอย่าตามอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนใจอ ย, า ย, ยา่าฮะว่าเราหักหลังนะเร <c oughs> าเอาก็าถามเรื่อยอือตอนนี้เราก็คิดอย่างนี้ไปก่อนแต่เดี๋ยวถึงเวลาใกล้ๆถ้าเราได้วัคซีนที่เราต้องการราอาจจะฉี ก, ก็ได้ถ้าวัคซีนที่เราไม่ต้องการเราก็ไม่อยากจะฉีกข<น>อลงตาไม่ฉีกตาใสในก้านสองเข็มใช่ไหมครับออสองเข็มนะแล้วเข็มที่สามลงตาทิ้ ที่ว่ารอให้ให้มันยาวๆไปก่อนให้มันหมดไปก่อนแล้วค่อยมาฉีดก็ถ้ามันให้มันไปหกเดือนไปก่อนที่เขาฉีดได้อ๋ออาจจะรอเป็นแบบเหมือนกับปีหน้าที่มันเป็นรัชสมรัชสองใช่ไหมคะว่าสินรุ่นสองอาจจะอาจจะมีภูมิน้อยตอนนี้อาจจะภูมิมันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ก็คิดว่าถ้าถูกไวรัสก็เหมือนกันด้เข็มฉาลดอย่างโนมัติ เราก็งนันโยมโยมตา ม, มนูตามนะคะ อ, อ, อย่าตามเรานะเยาเราไม่รับผิดชาอบนเดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราอาจจะ่าจะเปลี่ยนใจก็ได้เนี่ยถ้าเกิดหมอเขาให้ฉีดแอสตาได้ก็ จ, จะฉีดแอ ส, ส, ส, สตาเข็มที่สามต่อขันโยมเห็นในข่าวบอกว่าเอ่อถ้าคนที่เคยฉีดซินอเวกสองเข็มมาแล้วให้ไปฉีดซินอเวกเข็มที่สามก็จะสามารถป้องกันนํา ตัวใหม่อะไรนะโอเมก้า 94% oh. อันนี้ยงไม่แน่ใจว่าจริงไหมก็เลย ต, ตังเลยใจว่ายมจะไปฉีดหรือไม่ฉีดดีข่าเรื่องนี้มันเยอะเหลือเกินนี่ต้องฟังจากจากผู้ที่เขารู้จริงดีกันหรือแพทย์ทั้งหลายนอยมก็ติดต่อยมก็ติดตามเพจคุณหมอวีอยู่นะน้องถามคุณหมอวีดีกว่าแต่ <c oughs> าาถามเรื่องเรื่องวัคซีนเราไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> โอเคนะนี่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมเรื่องมักเสียนเรื่องเรื่องปฏิบัติธรรมนะเรื่องกค่ะเดี๋ยวน้องอาน้องใบยกจะขออนุญาตโอนไปทําบุญกับลวงตาพอดีเพิ่งได้รับเงินค่าโฆษณามาใช่ใชุ่จานแล้วปาปาคุณชุน้าขอให้คุณน้าค่ะขอให้หลวงตาหรือใช่มีอายุยืนยาวเกินหนึ่งร้อยี่สิบปีนะคะ เดสาทูโมธนาอยู่ได้ก็ดี่คสาี่อยู่ได้ค่ะคือมีคำอวยพรอื่นนะเป็นไรน้องคิดอย่างนี้อย่างนั้นคุเลียวบัวศุขเชิญไปก่หน้าไปครับรศการดวงตาครับแม่ไม่อยู่ฮะนม่อยู่ครับ กับมาสการเจ้า้าหลวงพ่อคิดว่ากลับมาไวันแลวน้วคณาตีสุดป้ายแมรี่คริสต์มาแนะคะรับปีนิวยอร์จ้าคาหลวงพ่อสาธุจ้ะหลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ้า่าอยู่คือร2อยี่สิบปีนะเ้าค่าขอให้จิตใจวองญานโยกแข็งแรงนะจ<า>ิตใจสมัยกับร่างกายนะสาธุสาธุสาธุจงค่าหลวงพ่อร่างกายมันก็ต้องเสริมไปตามวัยะร่างกายพระเจ้าก็ยังต้อง จบที่อายุ80แล้วข้าหลวงพ่อในเรื่องธรรมดาเรื่องร่างกายอย่ไปขำนมันคำนวเรื่องจิตดีว่าะา่เราสามารถทาให้จิตมันมันแข่งมันมันเก็งมันไม่ชุกได้สาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าคหลวงพ่อข้ากลับขอบพระคุณตอนนี้ทำใจได้แล้วใช่ไหมเกี่ยวเรื่องอะไรยังเหมือนเดิมอยู่ ทำใจได้แล้วเจ้าค่ะหลวงพอ่อปล่อยปล่อยวางแบบสติกลับมาแบบว่าปล่อยวางปล่อยวางหมดเล ย, ะยเนะคะหลวงพอ่อค่ะมีอ่าลูกมีเพื่อนนะเจ้าค่ะเขาฝากกล่าบหลวงพ่อว่าเพราะว่าลูกแชร์ธรรมะหลวงพ่อไปให้คอาทุกวันทุกวันใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วเขาก็อบอกว่าฝากกล่าวบอกหลวงพ่อด้วยเขาเขาโทรมาจากเมืองไทยว่าขอบ คุณขีขอบคุณคุณขีมากนะที่แชทำมาหลวงพ่อให้เขาทุกวันแล้วก็เขาฝากขอบคุณหลวงพ่อด้วยตอนเนี้เขาขายเขาขายกิจการบาร้านอาหารที่ปัตตานีหมดแล้วแล้วเขาย้ายไปอยู่เชียงใหม่ทําสวนทาไร่เล็กๆเจ้าค่ะเขาบอกให้ฝากกล่าวหลวงพ่อด้วยแล้วก็แล้วลูกก็พูดไปว่าอ่าทำโอกาสให้พี่ไปกล่าบหลวงพอ่อพ่อก็จะบอกพี่ว่า ให้ไปขอบคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ลูกขออนุญาตลูกพูดไปไปไปตามที่เคยได้ยินพอบบุคคนที่เราควจะขอบคุณก็คือพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายทุสาธิะครั้องค่ะลูกก็บอกว่าเขามีอกาให้ไปกราบขอบพระคุณหลวงพ่อทิวัน แปลกดีเจ้าค่ะเพราะว่าเขาอยู่พัทยาแต่เขาว่าไม่เคยไปวัดยาการกินดาก็เลยว่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้เขาขายเนี่ยธรรมชาติลูกอ่ะโพสต์ให้เขาทุกวันลูกแชร์ให้เขาทุกวันเนี่ยเจ้าค่ะเขาก็บอกเขาขายจักรกัหมดละฝากบอกพ่ะคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกเอ๊ะไม่ได้บอกหลวงพ่อสักทีวันนี้ต้องรีบบอกเจ้าค่ะโอเคจาทุเจ้าค่ะ อาตัญะวันนี้คือ น, นี้ก็หมดเวลาพอดีนะทุ่มนะเดี๋ยวต้องไปพักผ่อนพรุ่งนเช้าต้องตื่นในเช้าไปเป็นสมนี้ก็ขอให้ท่านจงนาวสิงที่ท่านได้ยินได้ฟังไ ป, ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด